อ่สอสบายดีทุกท่านในมัต ก, การเจ้าค่ะสบายดีทุกคนนะสบายดีเจ้าค่ะได้ยินเสียงนะไปยินเจ้าค่ะโอเคนะตอนนี้เราก็อตอนนี้ยูทูบส่วนไม่ยังอ่าเริ่มเริ่มเริ่มนะครับหลวงพ่อครับรับนะผมอันนี้ก็ให้ดูกลายน้อยน้อยหนึ่งขึ้นไปนะ เดี๋ยวคุณหมอนาทวตชาเล่วันนี้เป็นท่านแรกสวัสดีครับอาจารย์ครับนะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคำถามครับพอดีมา เ, เข้าฟังไปเกาะติดกะรําครับช่วงนี้ไม่ได้ออกไปวัดครับจะมีอะไรพูดเกี่ยวกับวัคซีนให้กำลังใจ่างิมือไหม่ไหมวัคซีนควรจะต้องฉีดครับเพราะว่าตัวโรคของ โควิดเนี่ยถ้าเรามีโรคร่วมนะฮะมีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยการการฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยลดอ่าปัจจัยเสี่ยงได้ลงเยอะเลยครับแนตะ่ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้เยอะเลยครับนะงั้นการฉีนดนี่ดีกว่าไม่ฉีด น, นะดีกว่าไม่ฉีดครับนะ <Okay. S 1> แล้วก็ความประโยชน์ของวัคซีนเนี่ยมีมากกว่าครับแล้วก็ไอความเสี่ยงที่เกิดจากออ่าภาวะแทรกซ้อนจากวัคซีนนี่น้อยมากครับเหมือ น, นถูกลอตเตอรี่ครับโอกาสน้อยครับ ขอบคุณมากให้ผู้ได้กำลังใจกับท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้ฉีดดังสองจิตสองใจอยู่ครับช่วงนี้คนบางทีได้ข้อมูลสับสนกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราฉีดแล้วเราฉีดกัน เ, เป็นหมู่กลุ่มเยอะๆมันจะเกิดพวกเอิ t ์ธอุบลิน ity ะครับก็จะทำให้การแพร่ระบาดของโรคควบคุมได้ยิ่งง่ายขึ้นครับ่เป็นเรองธรรมดาใช่ครับเราเราป่วยกันเยอะเพราะเราไม่มีภูมิกบตัว ตัวโลกครับเป็นมันเป็นเป็นเหมือนหวัดธรรมดาแต่เราไม่มีกลุ่มก็เลยทัให้เป็นละลุนแหลกครับนะโอเคขอบคุณมากครับผมกำลังใจสำหรับ่วกเราที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังสองจิตสองใจอยู่ครับถ้าอย่างนั้นไม่มีคำถามอะไรก็วันนี้ไม่มีคำถามอย่าไปรักทายท่านต่อไปอาจารย์พรมพิลา เดี๋ยวนุมัสัการ์ค่ะอาจารย์รอสี่ดาวสิทธิ์แน่นอนค่ะสิทธแน่นอนค่ะร้อยกว่าเซนรออยู่ค่ะได้คิวแล้วนะเดือนหน้าได้ได้คิวแล้วค่ะเดินหน้าค่ะอคู่แรกๆเลยค่ะคิวแรกจะเป็นทดลองให้ค่ะจีิงๆเป็นเป็นหนูแต่ภาวะพรอาจารย์คิวแรกไม่ใช่หรอค่ะใช่วันที่เจ็ดวันแรกของผมวันที่แปดครับนี่ วันนี้ไม่มีไม่มีค่ะเข้ามาฟังแล้วก็กาพระอาจารย์เหมือนเดิมค่ะโอเคสาธุนะแต่เนี้นจะขอไปที่ท่านต่อไปค่ะคุณหมอพัฒนาหมอฟันหมอฟันพัศนาค่ะขอนาสกาลพระอาจารย์นะคะสวัสดีคุณปอยคุณหลาค่ะก็อยากีป็นกำลังใจอีกท่านหนึ่งนะคะให้ให้ให้ทุกคนนะฉีกซิงเาตัวเองฉีดมาแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราพัก ก่อนนฉีดพังเต็มที่นะคะแล้วตัวเองก็เอาน้ำไปด้วยตอนที่ฉีดแล้วก็ทานน้าตอนนั่งรอก็ไม่มีอาการอะไรนะคะกลับมาก็ทํางานได้ปกติแล้วก็ที่ที่บอกว่าคุณพ่อ84ยังฉีดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ60ท่านที่60ขึ้นไปอนะคะก็ฉีดเลยไม่ต้องกังวล น, นะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ ะ, ะเป็นกําลังใจให้ค่ะนี่ถาถามอะไรไหมมีค่ะมีค่ะพระอาจารย์แล้วก็ อชิ้นที่แล้วนะคะก็พอใช้ใจรักกับปริญญาศาสตร์นะคะอาจารย์พระอาจารย์ก็รู้สึกเลยว่าทํางานเนี่ยสําเร็จไปธารกิจหนึ่งโดยที่แบบคือแบบสําเร็จแดงดีมากมเลยเพราะว่ามันหยุดความอยากของตัวเองได้ก็คือว่าโดยปกติตัวเองเวลาทำสมัยก่อนเนี่ยมันจะติดเรื่องของสันเสรอร์นะคะพระอาจารย์จิตดีที่เคยเรียนพระอาจารย์อะ่ะแต่ตอนนี้พอเราใช้ตัดความอยากเรื่องของ การชอบเรื่องสรรเสริญนะมันทำให้เราทํางานทีมได้ดีเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราปิดทองหลังพะได้ยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้งานเนีย่ยรับเลยก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันใช้กับทางโลกได้ดีมากๆเลยอัน น, นะคะแล้วก็อันที่2คือว่าทำดานเงินตรงกลมที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วคะอาจารย์ก็ก็เดินเพื่อจะได้แบบสมัมผัสธรรมชาติแล้วก็แบบ คือจะได้แบบเไม่ไม่กลัวไม่กลัวมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้อ่านได้อ่านได้อ่านหนังสือของพระจำมหาบัวเรื่องปฏิบัติธรรจบแล้วนะคะพระอาจารย์เพราะว่าอ่านแล้ววางไม่ลงเลยพระอาจารย์แบบนอนดึกอ่ะอ่านแล้วก็ฟังฟังเรื่องของชุมมาชุดเต็มพร้อมเรียบร้อยแล้วก็มีคําถามอันนี้นิดนึงนะคะพระอาจารย์ว่าของของจำมหาบัวท่านบอกว่าตอนเดินจงกรมเนี่ยก็คือว่าเวลาเดิน ให้เราพิาณให้เราใช้เตือนเพื่อนเราล้า ส, สติใช่ไหมคะก็เราอาจจะใช้มรณานุสติได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะพิจารณาปัญญาพอเราเดินไปใช้มรณานุสติไปปุ๊บเนี่ยถ้าจะพิจารณาปัญญาให้เราหยุดแล้วก็พิจารณาก่อนพิจารณารมแล้วค่อยเดินต่อใช่ไหมคะพระอาจาราาย์เข้าใจถูกกับไม่ทราบได้ทั้งหยุดทั้งเดินได้ได้แล้ก็พิจารณาได้ไดไดอ๋อก็คือว่าอ๋อทำไม่ทั้งหมดก็คือเดินไปกําจารณากายานุปัสสนานสติปัฏฐานได้เลย ใช่พิจารณาคาถาที่สองไปก็ได้ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเห็นกระโดดไปเนี่ยขณะที่ใครกําลังเดินอยู่นี่ก็ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเห็นกระโดดไปที่กําลังเดินอยู่นี้อ่าก็แล้วก็ฟังที่พระอาจารย์ตอนนี้ก็ฟังเขาเข้าฟังภาษาอังกฤษนะพระแต่ยังไม่ได้ชอบซูมว่าฟังเพื่อจะได้แบบฟื้นศัพท์เอ่อศัพท์ทางคุณศาสนาก่อนเพราะไม่ใช่เก่งก็เห็นแค่ที่อาจารย์พูดเรื่องวิสตัมกับดิสซิปลิงก็คือรู้สึกว่าที่บอกว่าใช้ปัญญาเตืนจิต แล้วก็ใช้ปัญญาหรือวิเนัยเนจิตพระอาจารย์บอกว่าคือถ้าเกิดว่าเราจะลดเพความกดลดกดลงเนี่ยมันใช้ได้สองทางคือสติกับปัญญาแต่ถ้าเราจะใช้ปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมีสมาธิเยอะๆ เ, เพื่อจะได้ทําให้มันตัดได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เพราะว่าเราต้องอาศัยกำลังของสมาธิเป็นตัวหยุดความอยากถึงแม้เรารู้ว่าคว า, ามอยากไม่ดีสิ่งที่เราอยากจะทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเราไม่มี กูเบกขาไม่มีสมาธิกําลังก็อยจุดมันไม่ได้วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเขาซีโอนพระอาจารย์ก็เตรียมการพร้อว่าคราวนี้จะเดินจงกรมแบบไม่ใส่รองเทา้าด้วยค่ะอาจารย์เพราะสังเกตเห็นเขามีที่ล้างเทา้าแสดงว่าเขาน่าจะให้เดินแบบไม่ต้องใส่รองเทา้าเดี๋ยวจะลองตั้งตั้งใจแล้วลองทําดูแล้วเดี๋ยวจะมารายงาพนพระอาจารย์หน้าอาจารย์อาจารย์จะไปอยู่ปีคืนนะปีวัน ตอนนี้มันแบบประชุมคือมันยังมีภารกิจที่เหลืออีกสองงานนะพระอาจารย์มันยังประชุมพระอาจารย์กัเลยเดี๋ยวคราวเดือนหน้าเนี่ยกะว่าจะไปห้าวันพระอาจารย์ค่อยๆขยับเพิ่มค่ะไราวนี้สองวันไปสามสามวันแต่ว่ามันก็กลับตอนเช้าก็เท่ากับสองคืนนะพระอาจารย์สวันสองคราวนี้นี่เตรียมพร้อมที่จะทําคราวที่แล้วเนี่ยคือแบบคือกะคือคราวนี้เนี่ยเตรียมงานพร้อมไว้พระอาจารย์ว่าจะทําในสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะเดิน จะเดินแล้วก็จะดูเพราะจ ะ, จะดูเรื่องของความกลัวกับความหลงเอาให้ชัดๆอย่างที่เปลี่ยนพระอาจารย์เนีคะเพราะว่ารู้สึกว่าคราวนี้มากเลยเพราะว่าไปแล้วหือไม่กลัวเพราะเราเตรียมที่บ้านด้วยค่ะเตรียมเลยตรงกรมที่บ้านด้วยก็ขณะที่คิดถึงการเตรียมตัวก็อย่าลืมนึงจิตเข้มาอยู่ปัจจุบันนะค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นสนามสอบได้ทุกเวลานะที่ไม่ใช่โมแต่ไปคิดถึง อ, อนาคตว่าจะไปสู้กับกิเล ในป่าห้งกิเลสบุกเราในปัจจุบันนี้เพราะอะาจารย์มีอะไรแนะนําหคะว่าต้องทำอะไรเพิ่มก็ได้ห็หละให้มีสติอยู่ทุกขณะเวลาให้รู้ทนันกิเลสตัณหาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปรอสนามสอบถึงจะไปสู้มันเพราะว่ามันทำงานบุกเราตลอดเวลาตั้งแต่ลรมตาขึ้นมาเลย อ, อืมอนนี้บางทีมันรอให้เราไปวางแผนอนาคต ว่าจะไปสู้กกิเลสแต่ปัจจุ บ, บันนี้กิเลสเอาไปกินก่อนแล้ว ม, มันรู้สึกตัวพอใจไหมพอใจนะว่ า, น, านั่นนักปฏิบัติจริงๆแล้วถึถ้าจะคิดอดีอนะคาคตก็คิดแบบเท่าที่จําเป็นแล้วก็รีบกลับมาในปัจจุ บ, บันนั่นเอไม่ใช่ไปลืมไปคิดอยู่แต่อนาคตจะไปปฏิบัติที่นู่นที่นี่ตอนนี้ขอกินขอดื่มขอเที่ยวขอเล่นก่อน อันนี้ก็โดยกิเลสมันหลอกไปแล้วใช่ั้นมันต้องมันต้องปฏิบัติตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย ต, ต้องต้องสายความอยากทุกขณะเวลานาทีเท่าที่จะทำได้เป็นหรือเปล่ปาไม่รู้เนะนี่ยค่ับคุณอะเนี้ยอันนี้ อ, อันนี้ไม่เป็นเพราะว่ายิ่งปฏิจะไปปฏิบัตินะพระอาจารย์มันยิ่งปฏิบัติมากขึ้นเพราะว่าเราเตรียมพร้อมที่จะไปก็คือว่าคือใช้ไจรักกับอริยสัจอย่างที่พระอาจารย์บอกอะ่ะคือพยายามตั้งใจแล้วก็ยิ่งอ่านหนังสือมันอยู่ใน ไม่เหมือนตอนนี้แบบมันเหมือนกับว่าอ่านเลยอ่านต้องขอบคุณคุณหล้าคุณชัยมากเลยนะคะเพราะหนังสือที่ให้มาเนี่ยมันทําให้เราได้อยู่กับธรรมะมันตลอดนะคะอาจารย์ทำงานเสร็จก็รีบกลับมาทำงานเสร็จก็รีบกลับมาเลยพระอาจารย์เพื่อจะเตรียมพร้อมตัวเองเพื่เรื่องของความกลัวเพราะรู้สึกว่าถ้าเราไม่เตรียมอ่ะไปทำที่นู่นอ่ะไม่มีทางได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนกรุงเทพมันแบบมันไม่ได้อยู่ป่าอยู่เขานะคะอาจารย์อยู่ในบ้านตลอดคือคือถามว่าเราชอบก้อนไม้แต่ว่าถ้าถ้าเกิดเรื่องสงสัยตัวเองนะคะพระอาจารย์เมื่อคราวที่แล้วไม่กลัวได้ไงรู้คือว่าปกติก็คืออตน คือย่างคิดว่าเออเฮ้ยมันไม่เคยไปอยู่แบบนั้นเนี่ยคะว่าอาจารย์แต่รู้สึกว่าอืมก็ลองแค่เชื่อพระอาจารย์ศรัทธาพระอาจารย์แล้วก็ลองปฏิบัติฝึกตัวเองเยอะแล้วก็ออกไปนี่คือที่ที่ที่เตรียมการนี่คือทํำคำที่บ้านนะว่าอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช้แค่แค่แค่เตรียมนะทำด้วยปฏิบัติด้วยเดินจงกรมของทยาทางเดินจงกรมยาวสักเกี่ก้าวพอรอบบ้านเลยนอรอบบ้านเลยอ่าคนหมายว่าพระอาจารย์คือเราเดินแบบเอาถุงหินมาเลยค่ะพระอาจารย์เดินหินกลมหินแบบ อ่าแล้วก็เดินรอบบ้านูมผานต้นไม้ฝากขาไปในโรงต้นไม้คือแบบเดินซึ่งอย่างที่เรียนพระอาจารย์สมัยก่อนอ่ะไม่ออกไปเดินในสยามย่าอยู่แล้ว่เพราะว่าตอนกัางคืนหรือเดี๋ยวก็ให้งูก็เดินเราเดินกลางวันแต่ตอนเนี้ยเราก็คือตั้งใจก็น่าจะมันรอบบ้านมันก็เยอะเหมือนกันนะพระอาจารย์ก็อหลายเยอะอะครัพระอาจารย์วนวนวเะเนใช้าอ๋เดินเดินเออเดินตามทิศเธอบอกว่าเป็นทิศตะวันออกไปตะวันตกก็เลยเดินวนวนซ้าย ถูกไหมคะหรือต้องคนคือสมมติว่าถ้าถ้าบ้านเรานี่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่เราก็ควรที่จะให้พระพุทธรูปอยู่ด้านขวามือเราถ้าพระพุทธรูปอวามือเราก็ต้องเราก็ต้องวนเดินตามนาฬิกาเดินตามเมริกาอ่าใช่ไงงั้นถูกแล้วเดินตามเมริกาอะให้บ้านอยู่ทางขวามือเราใช่เวลาเดินเวียนเทียนนาบวุเนี่ยก็ให้บวชอยู่ขวามือเรา เราให้บ้านอยู่หลคงขามือเราค่ะ อ, อาจารย์เพราะว่าเราสมมติว่ามีบัพติศรุอยู่ในบ้านอาะไรนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะมีบัพติศุค่ะ เ, เอาให้บ้านอยู่ขามือเราได้ว่ะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเป็ น, ปนทําเนียมของชาวอินเดียก็เลยทักซีนาโดยที่เราเสนให้ผู้ที่เราเคารพนี้อยู่ด้านขามือเราเราดินเดินเวียนรอบบคุคคลนั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะไม่สำคัญอะไรนะแต่ก็จะได้รู้ไว้เดี๋ยวไปเวลาไปเวียนที้ที่บทถก็ไปเวียนท้ายเวีนสวนทางสวนทางเดินทางเดินของนาฬิการหมือนก็ท้าหันด้านท้ายของเราให้กับพระพุทธรูปในโบสถ์ ด, ด้วเจดีย์ใช่ใช่ใช่ เออคือตอนหลุดตายเขียนท่านบอกว่าให้ให้จากทิศคือฝาดูแล้วง ง, งงงคือจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกจากเหนือไปใต้เออไม่ใช่อย่างนั้นไม่ไม่ต้องใช่ไหมถ้าเป็นเดินวงกลมก็คือเอาทางนั้นทางนั้นทางขวาเบืนะเราถ้าทํางเนื้อ <ทำ S 3> าทาง้พา<ว> <rebuilding S 3> อยู่ทางขวาเบือนนี่ไม่งงคือถ้าเราทําทางเดินจงกลมแบบเฉพาะเดินกลับเดินไปเดินกลับนี่การทิศทางเดินจงกลมนี่เป็นทิศไปตามตะวันคือ อยากทิศตอนตกไปทิศตะวันออก อ, อย่าไปทำทางที่ที่เหนือใต้อต่แต่ถ้าเฉียงได้เฉียงตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้แต่ไม่ทราบอะไลวงปู่มั่นท่านบอกว่าอยา่าทําทางเดินทางเหนือใต้ทางที่เหนือทิศใต้แต่ก็ไม่มีทราบไม่มีใครทราบเหตุผลว่าทําไมท่านพูดอย่างนั้นก็เลยถ้าถามว่าทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ ก็เห็นุ่นตั้งอ่ามเหมือนกันว่าท่นบอกแล้วลืเอ๋อท่านวางดังขวามืออย่างนั้นได้เลยค่ะพระอาจารย์ยังเด็กก็กลับเตือใหม่เตือนเป็ครับงไอ้ทางขวามือนี่เราเป็นคนพูดเองมันมันไม่ได้อยู่ไนคือการเราเราเราสังเกตอยู่เวลาเวียนเทียนเราจะเวียนรอบแล้วเวลาเวียนเทียนรอบโบสถ์ไม่รอบเจดีนี้เราจะเอาให้อยู่ขวามือของเราได้ครับพระอาจารย์งั้นถ้าเราทํำดังจงโกนรอบบ้านแล้วก็เดินรอบ เวนขวาไปเราแก่เวียนขวาขอเขาพูดมากนะครับอาจารย์ก็เป็นมันอาจะไม่มีอะไรผลอะไรมันเพลงอาจจะแค่ว่าให้มันเป็นไปตามประเพณีของเขาแล้วกันไม่ไปชนกันคนอื่นเดินเหมือนคนอื่นดีเท่านี้ใช่ไหานี้ค่ะพราาอะอาจารย์โอเคเห็นไปที่ท่านต่อไปคนเอกจากเชียงรายหายหน้าไปหรื อ, ร อ, รอเปล่าคราวที่แล้วไม่เห็นนะ งานวันราชการพระอาจารย์ครับผมมีอะไรไหมวันนี้อไม่มีครับพระอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วก็มาครับพระาาอาจารย์มาต้นตน้นแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรรายงานาปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะครับปฏิบัติอยู่ทุกวันครับอาจารย์ตั้งแต่ตอนเช้าก็ตอนเย็นนะฮะออย่าหยุดนะถ้ายัายงไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วลองเดินไปเรื่อยๆเดินช้าเดินเร็วเดินหน้าเดินน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้เดินอย่าอยู่แล้วมันจะ มันจะเริ่มยากมันจะขี้เกียจแต่ถ้ารเราอยู่เรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆมันก็จะง่ายครับเพราะส่วนส่วนใหญ่ของผมตอนเช้าผมจะไม่ค่อยเดินนะคระอาจารย์เพรตื่นตีสามคึ่งแล้วก็นั่งปฏิบัติแล้วก็อยู่แบบว่าอยู่ให้จนถึงหกโมงครับอาจารย์แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าถ้าถ้ามันมันดิ้นจริงก็มันประมาณสักตีห้าคึ่งก็ถ้ามันไม่ไหวมันก็ออกมาเดินเหมือนกันนะครับ ได้ทำมันง่วงก็ออกมาเดินได้หน่อนย้ามันก็คือมันมันไ่ง่วงแต่ว่าสู้กับความเจ็บปวไม่ค่อยได้เวทนาถ้าถ้าวันไหนสติไม่ค่อยดีมันโตมันก็อยู่อยู่ไม่ถึงหกโมงครับก็ก็ออกมาเดินจงกรมครับก็ไม่เป็นไรท่านเป็นแบบช่วงใหม่ๆมันก็ร้อลุกคุกคามเนี้ยทามันดีสีวันไข้ถ้าผมใช่ครับใช่ ก็อย่าท้อเวลาที่มันยากมันเวลาที่ไม่ค่อยได้ผลก็อย่าท้องไม่เป็นไรพวกนี้ยังมีครับยจะมต่อไปครับผมครับผมดูระยะยาดูระยะยาวอย่าไปดูผลระยะสั้นครับผมครับผมช่วงเย็นคนใหญ่ผมจะเดินช่วงเย็นนะครับอืมได้เดินช่วงไหนก็ได้เดกสตอนไหนก็เดินเดินไม่ไดเก็นั่ไม่เดินก็นั่งนะครับ ทุ่เย็นถ้าเดินถ้าเดินเยอะก็อาจจะนั่งได้ไม่นานเดินสองชั่วโมงเนี้ยนั่งได้ประมาณสักสามสิบนาทีสีสิบนาทีง่วงครับอืมโอเคนี่ยจะประมาณสักสี่ทุ่มพอดีฮะมันพอมเดินตั้งแต่เอ่อตั้งแต่ทุ่มประมาณทุ่มนะอืะ mm hmm. มก mm hmm. มบางวันก็เดินเดินถ้าเดินชั่วโมงหนึ่งก็นั่งสมาธิก็ได้นานเหมือนกันนะครับอาจารย์เน่อ mm hmm. mm hmm. ก็มันก็ โง่งโล่งเบาอยู่ครับแล้วก็มันก็พบกับเอก็พบกับสุสงบเย็นเหมือนกันนะครับเป็นบางวันครับพระอาจารย์ครับครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีแครับครับผมพระอาจารย์พอมีเอเพิ่มเติมไหมครับการปฏิบัติเนี่ยนะเพิ่มไปเรื่อยๆจะเพิ่มแล้วก็เพิ่มการปฏิบัติเนี่ยนะ ทําให้มากจเจริญให้มากๆใช่ไห <า S 2> มครับอาจารย์สติแล้วก็ต้อสมาธิเราก็ต้องรักปัญญาแล้วก็เราต้องทําทำสามอย่างนี้แต่เริม่มต้มนมาดรสติให้ได้มากๆก่อนเพื่อจะได้สมาธิเมื่อได้สมาธิมากๆแล้วก็ค่อยไปทำปัญญาต่อไปคครรัับบมแต่ปัญญาก็สามารถพิจารณาได้ถ้าเกิดในปัญหาเมื่อไหร่เกิดความทุกข์เมื่อไหร่มันก็สามารถใช้ปัญญาได้ไม่จำผมไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ใช้เลย ครับผมครับผมครพิจารณาตายรักอ่าพิจารณาตายรักไปความทุกข์ที่เราที่เกิดจากความอยากเรามันก็จะสงบลงนะครับผมครับผมครับผมครับครับเท่านี้ครับอาจารย์กลับขอพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับสาธุครับผมสาธุครับต่อไปคุณชีฟจากแมริแลนด์คุณชีฟอเมริกาค่ะสการค่ะพระอาจารย์ ตรงนี้สามสามเก้าโมงสิบกว่านาทีนั่งทีใช่หมั้ยโมงยี่สิบนาทีเกือบละค่ะ ม, มีอะไรไมีอะไรหมวันนี้วันนี้ยังไม่มีค่ะออกออกคำถามเาื่อกี้นิดนึงค่ะพอดีว่าถ้าเดินจงกรมอย่างยมไม่มีที่ให้เดินมีเป็นข้อบ้านเป็นเฮาเฮาใช่ไหมคะมันก็จะเดินได้เป็นเส้นตรงแบบตะวันออกตก อ, อย่างนี้ได้ได้ เส้นตรงถ้ามันไม่มีจถ้ามันจะเหนือทิศเหนือใต้ก็ได้ถ้ามันไม่มีทิศเดินก็เดินทิศไหนก็ได้ดแล้วเวลาเดินไปข้างหน้าแบบนี้แล้วเราหมุนตัวเราหมุนไปซ้ายหรือขวาหมุนขว า, ขวาใช่ไหมหมุนขวาเออค่ะโยมก็ไม่มีอะไรค่ะจะจ ะ, จะพยายามปฏิบัติค่ะเพราะอย่างที่พระอาจารย์พูดถ้ามันไม่ทําแล้วมันก็จะเริ่มขี้เกียจบางทีมีเรื่องนี้เข้ามาบางทีก็ประคองสติไม่ค่อยอยู่เหมือนกันค่ะ ก็ต้องปฏิบ oh, ัต oh, kind of ิพยายามพูดโทพูดโทรไปขยายใจอยู่เรื่อยๆพอมันจะเริ่มพยศก็ถ้เอาพูดโทพูดโทพูดโทไปมันก็หายพยศก็พยายามทําค่ะเพราะอย่างเมื่อวานนี้ไปหาคุณหมอต้องไปเอาเนื้อเยื่อมาตรวจนิดนึงค่ะไบออฟซีก็แบบ ก็เลยนอนท้องพุทโธพุทโธพุทโธไปตลอดเลยคุณหมอก็ถามว่ายุ่เจ็บไหมหนู่ยงก็ไม่ตอบเพราะยงแบบพุทโธพุทโธพุทโธไม่เอาไม่ไปสนใจกายแล้วช่างมันถ้าเราจะตายบนเตียงนี้หนู่คิดยงคิดขกันตายบนอไปตายแบบสงบก็มันก็ได้ได้ได้เอามาใช้เหมือนกันนะคะก็เลยพอตื่นพอลุกขึ้นมาก็ไม่รู้สึกว่ามันเจ็บอะไรเหมือนเราแบบไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นนะคะก็ อก็จะพยายามพุทโธพุทโธให้มากๆค่ะเวลามีความคิดฟุ้งอะไรขึ้นมาค่ะค่ะโอเคนะวันวันวันศุกร์นี้จะเป็นวันเกิดยมขอพระอาจารย์อดทธ์ไหนได้ไหมคะอุทพรมันไม่เกิดดีกว่าเกิดเกิดแล้วเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายขออย่ามาเกิดดีกว่านะเกิดแล้วทุกเนี่ยค่ะได้ไหมเองค่ะ เข้าใจสาธค่ะสาธารณสุขภาพนะคะถัดต่อไปไทยแลนด์คุณไทยแลนด์มาจากที่ไหนรู้สึกข้างหน้าก็เปล่าเข้ามาข้างหน้ากามาหลายครั้งนี้วใค่ะมาหลายครั้งแล้วเหรอะมาที่ไหนดูที่หันใหญ่เอ่อ้สมขาหรือเปล่าใช่ ห, หใช่เปลที่สมขายใช่ไหมเจ้าค่ะอ มีคําถามอะไรบ้างวันนี้คือวันนี้อยากอยากอยากจะมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติภ า, าวนาเจ้ค่ะอ่าพูดเลยคือคือบางครั้งข้าพเจ้านั่งบนเก้าอี้แล้วก็ภาวนาว่าพุโทโธแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเอียงคือมันเอียงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ข้าพเจ้าก็กลัวว่าข้าพเจ้าจะตกจากเก้าอี้ข้าพเจ้าก็เลยลืมตาแล้วก็บางครั้งข้าพเจ้า ก็เงยหน้าขึ้นไปโดยอัตโนมัติจนรู้สึกเห็งคอมากๆเลยทนไม่ไหวเลยลืมตาและบางทีข้าพเจ้าก็นั่งนั่งขัดสมาธิไม่ใช่บนเก้าอี้โดยบริกรรมว่าพุทโธตอนแรกๆจิตฟุ้งซ่านมากหรือว่าพอบริกรรมไปพอบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆความฟุ้งซ่านก็อ่อนกำลังลงแต่พอนั่งไปนานๆแล้วรู้สึกเมื่อยขามากโดยเฉพาะบริเวณต้นขาได้หายใจเหนื่อยและรู้สึกปวดอัน แล้วก็ข้าพเจ้าคือบางครั้งข้าพเจ้าก็ตั้งใจว่าจะไม่ดื่มตาคนแต่ ว, ว่าพอมีความทุกข์ภาวทนาเกิดขึ้นก็เลยดื่มตาขึ้นมาแล้วก็แบบทนกับความทุกข์ภาวทนาไม่ไหวข้าพเจ้าจะทําอย่างไรดีจึงจะสามารถทนกับความทุกข์ภาวทนาได้ก็ต้องอ ย, อย่าไปอย่าไปสนใจกับความความเจ็บให้ให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วส่วนอิติปิโสไปก็ได้นต่เดี๋ย แบบอยนะกนั่งไปขั้นสูงๆเขแล้วก็าข้าพระเจ้าจะมีบุญได้นะั่งได้ถ้าขยันทุกทอแล้วขยันสวดอิติปิโสตอนที่เวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดบองเรื่องกิบจ้อยปล่อยมันปวดไปเราเป็นปรุงเราไปขยายว่ามันเรื่องใหญ่ตัวเองความจริงมันบอกว่าร่างกายมันรับได้ร่างกายที่เวทความตายมันยังรับได้เลยเอย่าว่าแต่แค่ความเจ็บแค่นี้ ไอ้ที่รัไม่ได้คือใจเราต่างหากใจเราไม่ได้เจ็บซะหน่อยเราไปไปเจ็บแทนร่างกายทำไมใจให้เดินกลับมาหาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วปล่อยให้ร่างกายมันเจ็บไปร่างกายมันไม่บ่นร่างกายมันไม่กลัวใจเป็นผู้ไปกลัวทางด้านใจไม่ได้เป็นผู้เจ็บผู้เจ็บก็คือร่างกายงั้นบอมันเจ็บตั้งเียงอยางประสงใจเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนรืถ้ามันไม่อยู่กับพุโทโธมัน ถ้ามันสวดเป็น e ี i s o d ไปก็ได้แล้วน่าเจะไม่ก็จะมีความเจ็บแ้วความเจ็บก็จะไม่มารบปวดใจอยู่ด้วยกันได้แ ล, แล้วแล้วเราต้องแบบว่าคิดว่าปวดนอปวดนอไหมจ๊ะปะไม่ไม่ ใ, มให้สวยไปอย่างเดียวให้สวด EPISODE ไปเป็นพุทโธพุทโธแบบไม่ต้องปวดนอยย่งปวดน้อยยงปวดใหญ่มองไม่ให้ไปคิดถึงความปวดนะ พอเราคิดถึงความปวดมันก็ยิ่งอยากจะให้หายปวดเมันก็ยังปวดใหญ่อ๋อคือแบบว่าเราต้องท่องพุทโธไปเรื่อยๆเลยอย่าไปจะไม่ลืมความปวดใดอย่าไปคิดถึงความปวดคือแบบว่าแบบแบบมารับข้าพเจ้าวันเคยเคยเคยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่นอกนี่ศาสนาก็ถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้วใช่ไหมตัวค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่นอกลี้ศาสนาเราก็โชคดีที่สุดแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะนอกลี้ศาสนาไม่ถึงอ่างไม่ไม่รับไม่นับถือศาสนาเลยไม่นับถือศาสนาพุทธหมายถึงว่าทําแบบแบบออกนอกคําสอนของพระพุทธเจ้าะแบบแบบมันกับทําแบบ มันแับว่ามันแับว่าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปก็ไม่ละบาปอะไรแบบนี้ก็ออย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธเสร็จถ้าเป็นพุทธต้องต้องทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็แล้วก็แบบถ้ามีบวชีเราค่ะแล้วข้าพเจ้าก็อยากแบบเป็นบวชแบบแบบแบบสมัครเป็นบวชที่พุท น, นาบแล้วแล้วก็อยากมี บรรมชญญาติดีแล้วก็มีปัญญาดีแล้วก็ใกล้ละหนูใกล้พ้นนะ้ำ่ะพยานพุโทโธไปเลยเดี๋ยวถ้าโผล่้นเหนือน้ำเลยแล้วก็แบบผ้าจาสูชาติอภิชาโตแล้วแบบข้าพระเจ้าอยากแบบนั่งสมาธิไปขั้นสูงๆแล้วก็อยากแบบมีความพัฒนาใ น, ในการแบบนั่งสมาธิบ้างก็ปะเพราะฉะนั้นแหละพยานพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนเื่อตาขึ้นมาเขพุทโธพุทโธไปเลยแล้วแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าเราแบบว่าภาวนาว่าพุโทโธทั้งคืนเลยได้ไหมเจ้าค่ะได้ยังเป็นเวลาหลับเวลาหลับมันก็อยู่พุโทโธไปโดยอัตโนมัติก่อนจะหลับก็พุโทโธไปได้เรื่อยๆเนี้ยเนี้ยแล้วก็หลับมันก็อยู่พุโทโธไปพอตื่นขึ้นมาก็พุทโธใหม่ต่ออ๋อนี่นี่แล้วก็ตอนนั้นแบบว่าขา้าพเจ้ามันฝันด้วยแล้วก็แบบฝันว่าท่องพุโทโธในฝันเ้้าค่ะเออเพราะว่าก่ อ, อ, อ, อนจะนอนแล้วก็พุโทโธอยู่มันก็เลยพุโทโธต่อไปในฝัน แล้วก็แบบฝันเย็นพระสูงอะไรด้วยอ่าก็ดีเพราใจเราเราใจเรายึดมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวว่าเราว่าตอนนั้นฝันน่ากลัวมากเลยฝันเหมือนกับว่าอยู่ในบ้านแบบมันแบบผีอะไรแบบนี้รถท้องพุโทพโธกุโธอะไรแบบนี้เจ้าค่ะอ่าดีอย่างนั้นเรามีมีเครื่องมือต่อสู้กับความกลัวนะต่อสู้กับผีได้นะแล้วก็นี่แล้วก็พายตันคิดว่าว่าแบบว่า เรานี่แบบโอกาสยากมไหมที่จะได้ไปนิพพานไม่ยากเราใรนะกล้แล้วพุทธเจ้าบอกไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้าปฏิบัติสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวบัดมันพาเราไปเองแต่ว่าข้าพเจ้ากลัวว่าแบบจะตกนะลูกจังเพราะว่าแบบไม่ตกแล้วลถ้าไม่ทำบาปไม่ตกเพราะนนว่าองคุลิมาณองคุลิมานฆ่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสเก้าคนยังไปนิพพานได้ ก็ไม่ได้ฆ่าคนก็นกนกไม่ทำสาคนทำไมจะจะไปกลัวต ก, กลงเราทําไมนี่แบบมันกับความแบบคิดดูแบบเขาโผลัคนกลัวแล้วก็แบบกลัวว่าเราจะเป็นคนกลัวอะไแบบเก็บเสมออ ย, อย่าไปคิดเลยคิดให้เสียเวลามันจะเป็นก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะเป็นปฏิบัติดีนั่นไม่เป็นนับประกันได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นมันไม่เก็นักข้าพเจ้าอยากนั่งสมาธิแบบไปถึงขั้นสูงๆแล้วก็อยากแบบมันก็ว่า แบบสามารถนั่งสมาะกรรมฐานแล้วก็นั่งพิปัซารกรรมฐานได้ด้วยนั่นแหละก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวนำก่อนนั่งสมาะก่อนแล้วพอได้สมาธะแล้วึงค่อยไปวิปัสสนาต่อนี่มีดีคําถามเนี่ยหมดไปยังอ๋ออย่ า, อ, อ, าอย่าให้คนอื่นถามตอบก็ได้อ่าหมดไอยังพอแล้วนะอาาน่านคนอื่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยรอรอบสองได้อะารจะถามต่อทำไมมีคําถามเยอะเลือเกิถามแบบไม่หยุดเลย โอเคเน้นไปที่ส่านต่อไปคุณบรีสจากประยองให้มกรับนัตกรรพระอาจารย์เจ้าค่ะยังไงมีอะไรไหมวันนี้มีคำถามเจ้าค่ะเชิญเลยอ่าวันนี้มีมีวิวใหม่อพระอาจารย์ ค่ถามว่ามาเลยคำถามเลยก็มันจะมีช่วงหลับค่ะพระอาจารย์ช่วงมันเหมือนกึ่งกึงฝันนะคะพระอาจารย์ช่วงหลับช่วงกึ่งจะจะหลับนะคะเหมือนเหมือนฝันแต่กึ่งหลับกึ่งตื่นใกล้ใกล้อ่าประมาณเจ้าค่ะแต่วันั้นจิตมันจะไม่ค่อยดีมันเจ้าจิตมันจะแพงนัยนเป็นเพจะแผงช่วงนั้นอ๋อใช่ค่ะพระอาจารย์มันพุ่ง ใจมันไปในอุโมง์แบบเร็วมากค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรก็พอมันพอมันเป็นอะไรสติก็ตามถัดก็ให้รู้เฉยๆไปไม่ต้องไปตื่นต้นตกใจไม่ต้องทําอะไรให้รู้เฉยๆให้มันดูเฉย ๆ, ฉยๆพิจารณาว่ามันเป็นตายรับไปแล้วค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องอะไรมันดูดูภาพพยนต์ปล่อยเลยใช่ไหมดูเฉย ๆ, ๆ ดูสติเลยถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็เฉยๆก็พุทโธพุทโธดึงค่ะเพราะมันเป็นถ้ามันเริ่มกลัวเริ่มอะไรขึ้นมากับพุทโธพุทโธอย่างนี้ค่ะกลัวแล้วนึกถึงพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็มันก็มีสติถอนออกมาค่ะพระอาจารย์เออแล้วบางเวลาบางทีจิตมันจะรวมมันก่อนจะรวมมันน่าจะมีอะไรแปลกๆน่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวถ้าเรามีสติดีๆเดี๋ยวมันก็สงบตัวเหมือนกันนีเค่ะ มันรนึกถึงพระอาจารย์จะถ้ากลัวปุ๊บจะไม่ถึงพระอาจารย์เลยค่ะแล้วมันจะถอนตอนหลังให้มีสติรู้เฉยๆเนีไม่มีอะไรหรออะไรเกิดขึ้นในใจมันไม่มันทำลายใจไม่ได้เหมือนภาพที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะระเบิดตูมตามันก็ไม่ทำให้จอระเบิดใช่ไหม ภาพที่ปรากฏในใจมันจะมีอะไรหวาดเสียหวาดกวไงมันก็ทํำลายใจทำลายใจไม่ได้ขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์ขอบเชียรค่ะท่านต่อไปคุณพัดฒน์จากลบุรีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคับจากลบุรีครับครับครับการบัญญัติการพระอาจารย์ครับครับก็มีครับ กาจะกราบแรงงานที่อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ปฏิบัติครับก็ปฏิบัติได้ประมาณจากร้อยเปอร์เซนเนี่ยคิดว่าหกสิบเปอร์เซนครับแล้วก็อา่าสิบแปดเนี่ยได้ห้าวันไม่ได้สองวันครับสองวันที่หลุดไปเนี่ยก็ไปดูหนังแล้วก็ระหว่างดูหนังก็อยากกินขนมด้วยครับประมาณนมนเนี้ยครับอ่ากิเลสมันมาพราะว่ามันมันมาเป็นคีมเลย ครับตนั้นมันลุมแล้วใช่ครับตอนแรกตอนแรกคิดว่าเออดูเฉยๆดูแป๊บเดียวแเดี๋ยวก็ไปปฏิบัติต่อดูไปเออเพลิเอ้ยมันก็น่าจะมีขนมกินไปด้วยป๊อปคอร์นอะไรนี้มันก็เพลิดเพลินดีนะไม้ใหญ่เลยครับเนี่ยออก็ต้องเครื่องดื่ม่อยนะครับครับแต่ว่าก็ดูแล้วก็แต่ว่าแนวโน้มทัดเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นในทางที่ดีแล้วครับเนทางที่ดีครับ ค่อนข้างพอใจแต่ยังได้หกสิบเปอร์เซ็นครับอย่ไปท้อก็แล้วกันมันมีมันมีขึ้นขึ้นลงลงสติเรายังไม่มั่นคงนะสติดีมันก็จะมันก็จะปฏิบัติได้ดีรนะสติไม่ดีมันก็จะปฏิบัติไม่ดีาดีก็แพ้กิเลสไปเลยก็มีไม่ได้ปฏิบัติเลยก็มีควันก่อนมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าไปอ่าเปิดหนังสือปฏิปทาครับฟังได้ ผมก็ไปฟังแล้วก็มีตอนที่เหมือนกับท่านไปทําสมาธิาธเดินจงกรมแล้วเจอเสืออะไรเงี้ยครับอที่ตอนครับตอนผมนั่งสมาธิเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะไอแล้วก็เลยเออลองใช้อุบายดูเออถ้าเกิดว่าพระกรรมฐานท่านอยู่ในป่าเนี่ยไอเสือมันต้องกินแน่เลยเฮ้ยเราลองจําลองเหตุการณ์ว่าถ้าไอแล้วเสือจะกินสิออไม่ไอเลยพระอาจารย์อทันแบบหายไปเลยไม่ไอเลยกลัวเสือจะกินพระอาจารย์ออออครับออออมันต้องหาอุบาย มันปฏิบัติแต่ละคนนี่จะมีอุบายต่างๆไม่เหมือนกันครับอะไรมามาเราให้ได้อุบายรักษาใจให้สงบนะอย่าให้ใจมันเต้เต้นตกใจหรืออะไรแล้วมันให้มันแน่นๆเฉยๆไม่มีอะไรใช่ไหมวันนี้ครับหมดแล้วครับปั๊บจะสวัสดีพี่บอยพี่หล่าด้วยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับครับครับมาสักการ์นครับ ท่านต่อไปคุณแอนสุภาดาอยู่ที่ไหนกรุงเทพใช่ไหมอยู่อุดรค่ะอุดรค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะวัน่วมรับฟังค่ะไปที่คุณจุธาทิพย์มอบจุธาทิพย์ใช่ไหมค่ะกล่าวน้ำมศการค่ะพระอาจารย์น้องอินนี่น้องอินมาแบ้าอีกครั้งหนึ่งวันนี้อินมีคําถามถามพระอาจารย์นะคะ S <S แต่ว่าเขาไม่ยอมถามเองจะให้หนูถามอะค่ะาจารย์ถามดูเข<อ>าบอกว่าเสียอินต้องมาฟั <S <S ว้วยเลยก็คือบอกว่าเอ่อทำไมเวลาเขาอารมณ์ดีอยู่แล้วพออยู่ๆเขาคิดถึงเหตุการณ์ที่ในอดีตที่มันเป็นเรื่องไม่ดีทําไมเขาอารมณ์เขาเปลี่ยนเป็นอารมณ์ไม่ดีอะค่ะอาจารย์ก็อยู่ที่เรื่องที่เราไปคิดไงถ้าเราคิดเรื่องไม่ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็จะไปคิด เวลาคิดเรื่องดีอารมณ์ดีมันก็เกิดขึ้นเนิ่งเราอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีเลยถ้าเวลามันไปคิดเรื่องไม่ดีครับมันจะคิดเรื่องดีคือให้คิด๊บคิดพุทโธพุทโธมาหน่ะเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีก็ให้คิดพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์ดีทีนี้เราใจจะเย็นใจจะสบายเข้าใจไหมอารมณ์เกิดจากความคิดของเราเราคิดถึงคนที่เราเกลียดนะอารมณ์ไม่ดีก็เกิดขึ้น S 1> <S 1> เราคิดถึงคนที่เรารักอารมณ์ดีก็เกิดขึ้นเราคิดถึงความดีที่เราได้ทําไว้อารมณ์ดีก็เกิดขึ้นแล้วไปคิดถึงบาปที่เราทําไว้มันก็ทําให้อารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นความคิดเนี่ยเป็นตัวผลิตอารมณ์เ ร, เราต้องมาใช้สติเพื่อควบคุมความคิดให้ได้แล้วควบคุมได้แล้วต่อไปเราก็จะสั่งให้มันคิดไปในเรื่องที่ดีได้เรื่องที่ทําให้มีแต่ความสุข อข้าใจไหมเอ็นอ่าเข้าใจนะเอ็นต่อไปนี้หัดท่องพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆ น, นะอ่อา่าเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยววาอารมณ์ดีก็กลับมาน้อคุณร้อมีอะไรไหมหนูก็ปฏิบัติทุกวันค่ะอาจารย์ก็ทําไปเรื่อยๆตามกําลังค่ะอาจารย์ยังไม่มีคําถามค่ะอาจาตอนนี้ยังทําอยู่ที่สองสองแห่งอยู่แลย ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวแล้วคะ่ะพระอาจารยา์เรย้ายไปแล้วเหรอะย้ายไปแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะแสดงว่าไม่ได้กลับมาท่านสัตติกัเลยไม่ได้กลับเลยคะ่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะขอบพระคุณคะ่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สายทิพย์เชิญอาจารย์สายทิพย์ตอนนี้อยู่ขอนแก่นนี่อยู่ส า, านคามกล่าวนามส ก, การพระอาจารย์เจา้าค่ะวันนี้อยู่ขอนแก่นค่ะวันนี้อยู่ที่ขอนแก่นค่ะเได้ยินจะมีอะไรไหม เอ่อเดี๋ยววันนี้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องฉีดวัคซีนหน่อยหนึ่งค่ะวันนี้ไปฉีดวัคซีนซีโนแวคมาค่ะก็สบายดีค่ะไม่ได้เจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรก่อนไปก็กินน้ําเยอะหน่อยเหมือนที่หมอกับเพื่อนๆแนะนําค่ะคือคนร้านคนฉีดไม่มีไม่เป็นอะไรไ ม, ไม่ไม่เป็นข่าวแต่คนฉีดคนเดียวเป็นปนี่เป็นข่าวันมาเนะี่ยคือปัจจุบันนี้มันข่าวพวกเนี้ยเขาเขาเหมือนแบบ พยายามบิวอารมณ์คนให้รู้สึกกลัวแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ทําเหมือนโซเชียลค่ะเป็นความเป็นเชิงอารมณ์ทําให้คนดูตื่นกลัวค่ะพระอาจารย์ใช่จริงๆแล้วคนที่ฉีดเพื่อนเพื่อนอาจารย์ฉีดด้วยกันหลายหลายคนก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่มีมีคนนึงแค่ชาที่ที่ที่นิ้วอะค่ะปลายนิ้วแล้วก็แป๊บหนึ่งก็หายไปค่ะแต่ว่าก็เลยบอกคนที่เขากลัวจริงๆก็เลยบอกว่ามันก็เหมือนยาอยู่นั่นแหละคือ เจ็ชีวิตก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆุกตัวค่ะแล้วมันเกิดน้อย <Hey. S 2> ไม่ใช่ว่าไม่เกิดก็เกิดขึ้นได้แต่ว่ามันถ้าเราไม่ฉีดแล้วติดโควิดมาตายมากกว่าอีกค่ะแล้วก็ติดคนที่เราลักคนแก่อะไรเงี้ยเราก็ต้อง <Yeah. S 2> ก็ต้องชั่งความเสี่ยงกับผลที่ได้ค่ะ hmm. มันน่าจะคุ้มกว่าไม่ฉีดค่ะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือว่าเจ็ hmm. ชีวิตเนี่ยมันน้อยกว่าะค่ะ แต่ไม่ได้บอกว่าไม่เกิดนะคะคือก็เกิดได้เหมือนยาอื่นทั่วๆไปค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ฉีดด้วยกันส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะดีคนที่ยังไม่ได้ฉีดจะได้มีกําลังใจเนี่คนที่เพื่ อ, อเพื่อป้องก<อ>ัน<อ>ใช่ค่ะเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็คนรอบข้างคือถ้าเราไม่ฉีด <c oughs> แล้วเราติดแล้วคนแก่ที่อยู่ใกล้ๆเราหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่เป็นไรหรอกเพราะเราก็ยังอาจจะยังหนุ่มอยู่อะไรเง <c oughs> <ช>ี้ยแต่ว่าถ้าเรา ไปกล่าวว่าครูบาอาจารย์สมมุตินะคะท่านก็สูงอายุอะไรเงี้ยเป็นความเสี่ยงทั้งนั้นเลยแล้วก็เราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงมาที่ที่เราบ้านนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะว่าเอาเอเราอาจจะมีอาการเกิดขึ้นได้แต่ก็เหมือนกับอ่าไม่รู้พี่หรือน้องเพสัตที่อาทิตย์ที่แล้วค่ะบอกว่าถ้ามันเกิดก็เป็นกรรมของเราก็ ก, ก็คิดทํานองว่าเออถ้ามันจะเกิด ก, ก็คงต้องเกิดอะไรไประมาณนี้เมือนูบาร์เตเนเี่ยมันก็มีเกิดขึ้นทุกันนั่ไมไม่ไม่ไม่กลัวนั่งรถยนต์เงี้ย ใช่ค <นะ S 2> ่ะอุบัติเหต <c oughs> ุมันเกิดเยอะยิ่งกว่าคนที่ฉีดฉีดวัคซีนใช่หไหมใช่ค่ะ<ม>คิดเหมือนพระอาจารย์เลยค่ะว่าเราเดินออกไปรถก็ชนตาย<ม>ได้เหมือนกันอะไรเนี้ย<ม>ค่ะ<ม>แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ด้วยแต่ถ้าฉีดวัคซีนยังได้ประโยชน์กับคนรอกข้าง<ม>ก็น่าจะคุ้มมากค่ะ ค, <c oughs> คิดว่าถ้าเราเป็นอะไรมันก็ดีก็ได้รู้ผลแต่ถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ได้ป้องกันก็น่าจะดีทั้งสองทางคือคิดเชิงบวกมันก็บวกอะค่ะ ได้ดีโอเคอันนี้ก็ค่ะแต่ว่าที่นี้กลับมาทำมากทีนี้กลับม<ะ>าทำมาที่นี้กลับมาทำมาก็สงสัยค่ะเพราะอาจารย์ว่าเวลาที่เราปฏิบัติบางวันที่เราสมาธิดีอย่างที่เคยทํามาแล้วก็พอวันตัดไปทําไมมันรู้สึกว่าเราเหมือนแบบไม่อยากทํามันแบบดูแบบไม่รู้ว่ากลัวหรือข้างในกลัวว่ามันจะได้สติหายสติหายหายมันก็ความพิจิเลสมันก็เข้ามาแทรกทันที ค่ะแอบแปลแต่ว่าเอ๊ะเมื่อเมื่อมันดีแล้วทาไมมันน่าจะสติน่าจะมีกําลังใจอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นแบบนี้มันรักษาสติมันก็หายเยน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะพระอาจารย์อันนี้ยังมันยังไม่ถึงจุดที่สติมันจะอยู่ได้ตลอดเวลามันยังยังไม่แข็งแรงอ่า้นทงพยายามรักษามันไว้อยู่เรื่อยๆค่ะ ทีนี้นนในระบัดอัตโนมัติถ้ามันอัตโนมัตมแล้วทีนี้ก็ไม่ทําไปรักษามันอยู่ตลอดเวลาค่ะยังไม่อัตโนมัติเลยค่ะเหมือนขึ้นขึ้ น, นลงลงปฏิปุ๊บก็หล่นปั๊บอะไรเงี้ยค่<ร>ะพยายามพยายามดงสติเยอะเนี่ยดงสติกลับมาอยู่เรื<ๆ>่อยๆค่ะตอนนี้กําลังพยายามสอนใจตัวเองว่าทําบ้านให้เป็นวัดค่ะพระอาจารย์เราทาใจตัวเองให้เป็นพระพยายามอยู่ในกายวาจาใจอะไรเงี้ยด้วยค่ะ แล้วก็ในระหว่างอาทิตย์ว่าคิดว่าวันพุธจะได้เข้าสู่มาเจอพระอาจารย์จะถามอะไรดีก็จะคิดคําถามขึ้นมามันก็จะมีคำตอบว่าเอ๊ะคําถามนี้ไม่ต้องไปถามพระอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะหลายๆอัน mm hmm. ก็เลยงั้นก็เลยไปฟังธรรมแล้วก็เจอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งอย่างเช่นคำว่าพุทโธคะ่ะพระอาจารย์อันนี้จะขอเรียนถามพระอาจารย์คะ่ะว่าพุทโธ ท, ที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้ เ, เบิกบานค่ะ คือรู้นี่รู้ยังไงตื่นตื่นแบบไหนแล้วก็เบิกบานนี่เป็นอาการยังไงอะคะ่ะก็รู้อริยสัจสี่รู้ใจนับค่ ะ, ะผู้รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้อริยสัจสี่เป็นผู้แรกพวกเราสามโลกที่เกิดมากิจบุปผีชาติก็ยังไม่รู้จักอริยสัจสี่จน ก, กว่าจะได้มาพบพระพุทธเจ้า ถ, ถึงจะถึงจะได้รู้จักอริยสัจสี่ว่าเป็นยังไง รู้รนะรู้อริยรสัจรู้เตือนก็เตือนจากความโมหะอาวิชชาความหลงเ <ใช S 1> บิกบายงรัผู้รู้ผูเติอก็จะมีผวามสุกเนี่ยจิตใจสว่างสวายด้วยธัญญาอารมณ์ของคําว่าเบิกบานนี่เราจะรู้สึกประมาณไหนคะพระอาจารย์หมายถึงว่าตัวเรา<อ>ประเมินตัวเองได้ไหมคะก็วเวลาเรามีความสุขเนี่ยก็เบิกบาน เหมือนสุขสงบใจแบบนี้หรือคะอ่าก็เวลาสุขเวลาสงบใจแบบบานระบาดอือก็คืออารมณ์ที่มันและยังไปไม่ถึงจุดนั้นว่างไรมันไม่ถึงถ้าไปถึงจุดนั้ะถ้าจุดรวมถึงจิตที่จุดที่จิตรวมมันจะรู้ว่านั่งแบบบานไป็ยังไงคือน่าจะเคยถึงที่รู้สึกว่านั่งนล้วมีความสุขมากมอันนั้น ใช่หรือคะราจรู้สึกว่าเอ้ยมันสุกแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะอืมค่ะแต่ไม่ไม่บ่อยค่ะนานเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับสติสติเป็นตัวพาไปถ้าไม่มีสติมันก็ไปไปไม่ถึงค่ะเนื้อทีเกริจะรสติอยเนื้อที่เกย่าตั้งสติอยู่เื่อยๆ หนึงใจให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันหนึ่งกลับมาให้อยู่กับพุโทโธหนึงให้กลับมาอยู่กับร่างกายค่ะอือยู่กับกายและจิ อ, ะอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราคิดก็ได้เห็นทันความคิดใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ได้เห็นแล้วก็ต้องหยุดคิดไม่ใช่เห็นแล้วถ้ายังไม่หยุดคิดก็ัะเห็นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไ เห็นขโม<อ>ยแล้วไ ม, ไม่ไปจับขโมยไปเห็นไปทำไมเ<แส>นาะดูขโ ม, มยไปเรื่อยๆอความคิดมันก็เป็นขโ ม, มยก็ปล่อยให้มันขโ ม, มยทั้งบ้านดูไปเรื่อยๆ<แสน>อ๋อค่ะเห็นขโมยเราต้องรีบตา ม, ตามแต่การนี้เรื่อยมันก็คิดเรื่องโน้เรื่องนี้ไปให้เราฟุ้นชานุ่วลายต้องมีแบบเห็นปุ๊บต้องหยุดความคิดได้นะถ้าเราไม่เห็นด้วยสตินีเนี่ะพอคิดปุ๊บสติมาปุ๊บความคิดหยุดปุ๊บนี่ต้องเห็นแบบนี้ ไม่ใช่ตามดูความคิดไปมันเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีสติก็แสดงว่าไม่มีสติค่ะแสดงว่าแบบนั้นผิดนะคะแล้วก็ดูความคิดตามรูปตามรูปความคิดเนี่ยผิดเนี่ยขั้นเดียวฝึกสติเราต้องอยู่ความคิดค่ะหาใจแล้วนะมีาะไรจะถามไหมไม่มีแล้วค่ะอาจารย์เขาก็คุ้ครองอยแต่ที่ท่านตอบไปคนที่อยู่อเมริกาอยู่ไกลไหน คุณเกศเชลยจาก USA North Carolina กับนรรสมการค่ะพระอาจารย์มาร่วมฟังธรรมเฉยๆเจ้าค่ะเอ้าร่วมมาด้วยนะเองเจอดูค่ะออตื่นแล้วหรอวันนี้ตื่นแล้วเจ้าค่ะเซย์หลุ่ก่อนเซย์หลุ่มก่อนเฮลโหลวเลโหลเองเจอดูปิดชั่วปิดอ่าโอเคอย่างนี้ไปที่ท่านต่อไปเลยนะ เดียวค่ะคุณสภารณ์เชิญคุณสภารณ์อยู่ชายทนเลเหรอกับนวัสการค่ะออพี่พี่บำัดดีค่ะค่ะวันนี้มีคำถามมีคำถามนิดหน่อยนะคะเชิญคือขั้นแรกที่เราปฏิบัติรมเนี่ยเราจะแยกตัวร่างกายกับจิตก่อนใช่ไหมคะคือเราต้องเชิญเจริญสติก่อนเพื่อหยุด ยุดหยุดความคิดควบคุมความคิดให้ได้ก่อนค่ะ<ห>คือจิตสงบเพราจิตสงบแล้วมันจะแยกกันโดยอัตโนมัติแยกด้วยความคิดไม่ได้ต้องแยกด้วยการหยุดความคิดค่ะแล้วเอ่อเราก็เราก็เราก็ปฏิบัติไปจนเราก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นอนิจจังผูกขังอนัตตาแต่ว่าพอสเต็ปต่อมาเนี่ยเราจะต้องแยกต่อเวทนาออกจากร่างกายคือเราไม่ได้แยกเรากรเพียงแต่ให้เรา ให้เราเขารู้รู้ธรรมชาติของเวทนาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ค่ะก็คือก็คืออ่าก็เจริญภาวนาไปก็ก็รู้สึกว่าเออเราเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเราเห็นว่ามันเกิดดับแล้วก็มันก็จะมีอ่าคือรูปแบบในการพิจารณามันก็จะคล้ายๆกับการที่เราพิจารณาร่างกายตอนที่เราแยกร่างกายออกจากจิตนะคะ ก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นเหมือนเป็นเหมือนดินน้ำรวมไฟเป็นดินฟ้าอากาศฉันตกแดดออกถ้าเราไปอยากให้มันหายไปเราจะทุกข์เวลามันเจ็บแล้วเราอยากให้มันหายใจก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันอยู่ต่อไปอยากกรอยากให้มันหายเออแต่ว่าในสเตตนี้เนี่ยในสเตดนี้เนี่ยเราเราพยายามจะแยกเราพยายามที่จะแบบเห็นเห็นให เห็นเวทนาเนี่ยมันกับร่างกายหนึ่งคนละส่วนกันถูกไหมคะก็เป็นคนละเรื่องกันมันได้แดงกันในในไดงกันในดําเป็นคนละคนกันค่ะค่ะเพราะว่าเวทนามันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตรงนั้นแหละในขณะที่ร่างกายก็ยังปกติอยู่เอ้านางกายมันก็เป็นร่างกายเป็นดินน้ําลมไฟเวทนามันก็เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์มัน ถ้าเราไม่ไปอยากกับมันเราก็กใจมันจะไม่ทุกข์กับมัน อ, อทีนี้เ อ, อสงสัยนิดนึงนะคะว่า อ, อในส่วนของนามาขันเนี่ยค่ะอืก็เวทนาในงานคือนามาขันนะค่ะเ อ, อมันเป็นการทํางานคล้ายๆกับสมองไหมคะไม่หรอกมันเป็นมันมันเป็นตัวมาจากตัวจิตเมันเป็นตัวตัวรู้สึกนึกคิด สอมองนี่มันเป็นเพียงแต่ผู้ผู้ให้ให้สัญญาณเพื่อให้ร่างกายส่วน ต, ต่างๆทำงานเป็นตัวควบคุมระบบการทำงายของร่างกายเช่นเวลาจะยกแขนเนี่ยจิตเป็นผู้สั่งให้ยกสอมองก็รับคำสั่งแล้วก็สั่งไปที่แขนให้มันยกขึ้นมาทีแต่เวลาใดที่สอมองไม่สามารถสั่งให้แขนยกขึ้นไดายเช่นเป็นเรืองมาเพื่อสมาธเนี่จิตสั่งให้ยก ให้ให้ยกมันก็ไม่ยกเพราะตัวที่รับคำสั่งจากจิตอีกทีเนี่งมันไม่สามารถส่งส่งคำสั่งไปที่แขนได้ค่ะ อ, อ, อย่างนีเ้เวลาที่เราพิจารณาอย่างนี้เราเรามองแบบนี้ได้ไหมคะว่าสมมติว่าร่างกายเนี่ยมันมันดับไปตัว ตัวเวทนาอย่าตงต่างๆนี่มันก็ต้องดับไปพร้อมกับร่างกายเาวทนาที่เกิดจากทางร่างกายมไปตายร่างกายตายไปมันก็หายไปอาการเจ็บปวดที่เกิดจากร่างกายมันก็จะหายไปแต่มันยังมีเวทนาอีกตัวหนึ่งเวทนาที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตเองมันตัว น, นี้ไม่ดับนี่นะมันเลยเป็นเห็นที่ว่าเวลาเราฝันแล้วเนี่ยคือเราหยุดออกจากร่างกายแล้วเนี่ย มันก็ยังมีมันยังมีพวกมั้นใช่ฝันให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ได้ฝันให้เกิดความสุขก็ได้ก็เลยก็เลยสมนัขเเวลาเราฝันเนี่ยเราแค่ตัวร่างกายตัวรูปกระแขงเท่านั้นที่มันหยุดแต่ว่าไอ้ตัวนามกระแขที่มันไม่เชื่อมโยงกับล่การมันยังทํางานปกติใช่ไหมใช่ตัวนามกระแขงสตัวนี้ยังทํางานต่อไปเอแล้วก็เวลาที่เราภาวนาจนบางครั้งเนี้ยเราจะอยู่ในภาวะของจิตรวมแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวผู้รู้เนี่ย เออมันจะผ่องใสนิ่งสงบเงียบแล้วก็ไม่มีความคิดใดๆใช่ไหมคะใช่รู้เฉยๆจากแต่ว่ารู้ค่ะมันเออมันจะไม่คิดอะไรเลยแล้วมันจะนิ่งไม่มันเป็นรูเบกาค่ะคือตัวนั้นคือตัวผู้รู้ใช่ไหมคะเออแต่เวลาที่เราฝันนะคะตอนที่เราไม่มีร่างกายแล้วอันนั้นเป็นจิตจิตตัวนี้กับตัวผู้รู้มันคนละตัวกันอค่ะตัวเดียวกันแต่ว่าตัว ที่ตัวที่อยู่กับผู้รู้ก็คือนามาขันไงเวทนาสัญญาสังการมุญญาอ๋ออันนั้นเป็นนามาขันแต่ว่าตอนที่<น>เราฝันนามาขันมันอยู่ในตัวจิตอีกทีในตัวตัวผู้รู้อีกทีค่ะเป็นนามาขันที่ไม่ออกฤทธิ์เลยใช่ไหมคะหรือว่าออกฤทธิ์ออก<ต>ออกฤทธิออ์ไงเวลาฝันออกฤทธิ์อยูาา่เวลาเวลานอนหลับฝันมันก็ทํางานเวทนาสัญญาสังการก็ทํางานค่ะอื ถ้าผู้รู้ก็รู้ความฝันรู้ว่ากําลังฝันอยู่ทำไมมีผู้รู้บก็จะไม่รู้แล้วฝันก็ไม่ฝันไม่ค่อยเข้าใจแต่ไม่ประาการใดเดี๋ยวจะไปทบทวนใหม่ค่ะไม่สําคัญละ <c oughs> ตัวผูรู้นี่ไม่ทำใไปกนนะังวลขอให้กังวลเกี่ยวกับตัวกิเลสตัวความอยากเท่านั้น <c oughs> อยากให้มันเกิดความอยากขึ้นมากับเวทนาชนิดต่างๆ เออ่ปไหว้เวทนาชนิดต่างๆมันเป็นไปตามเรื่องของมันค่ะประเดี๋วันก่อนก่อนหน้านู้นะคะผูาอาจารย์เคยบอกว่าเออเวลาที่เราไปหาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเราจะเป็นมะ ล, ลุงมะเร็งเราก็ลองดูว่าเราแบบปกติไหมอะไรไหมหนูก็ไป น, นั่งพิจนารณาแล้วก็สอนใจค่ะว่าเออมันคือมัน ก, มนก็มันก็เป็นความรู้สอนใจอ่ะค่ะว่า เออนะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ร่างกายเกิดแก่เจ็บปวดเออถึงเวลามันก็ตายไปตามอายุขัยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งมันก็ตายเหมือนกันทีเดียวมันตายเป็นคนละแบบก็เลยไม่เห็นความแตกต่างนะคะแล้วพอเวลาที่นั่งนั่งสมาธิไปแล้วมีอาการเจ็บปวดเออมีเวทนาเกิดขึ้นก็สอนใจตัวเองได้ว่าเออมะเร็งกับเวทนามันต่างกันตรงไหนนะคะแล้วจิตมันก็สงบไปเลยค่ะเออนั่นแหละต่อไปเวล า, จาเจอมะเร็งมันก็จะได้ไม่ไม่ ไม่มุนวายมันก็จะสงบอยู่กับความเจ็บปวดของของมะเร็งได้มันก็เออ่มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคําพูดแบบนี้มันทําให้เรามัรสอนใจแล้วเราก็สงบรวมตัวได้อย่างเนี้ก็มันยอมรับความจริงยอมรับความจริงมันเป็นอย่างนี้ไปอยากให้มันหายไปอยากให้มันไม่เจ็บมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมา เข้าใจไหมท่านนี้ก่อนนะเพื่้ให้คนอื่นเข้าพูดเรื่รอง ค, ค, คุณรัศมีเองเหงงหรือรัศมีเหงงเนี่ยนะไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าเห็นภาพนิ่งเป็นเนพดานนะครับเอได้ยินไหมถ้าไม่ไม่มีไม่มีการตอบโต้เราจะไปที่ท่านต่อไปก่อนนะข้ามไปก่อน คุณซเอสกันคุซเอสอะไรล่ำในเชวิตร์นี่สวัส ด, ดีครับพระจาง อ, อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพครับมีอะไรไหมเดี๋ยวมารายงานการปฏิบัตินิหนึ่งครับเมื่อวานเมื่อวานวันพระก็ถือสิญปได้ครบถ้วนดีครับแล้วก็วันพระครั้งที่แล้วสิญปล่มเพราะว่าดันไปออกกำลังกายในวันพระพอดีมันก็เลย พอตกเย็ยนมามันก็จะโหดเันหิวใช่มั น, นหิวหิวจัดเลยก็<ม>เลยกินบอกไม่เอาเดีกวค่ะ<ม>หิวเกินไปละก็เลยลองพัก ด, ดู<ม>แต่ว่าเมื่อวานก็โอเคครับไม่ไม่ไมออกกําลังกายแล้วก็ไม่ไม่ทํางานเครียดมากก็ก็ อ, อยู่ไหวเปลแปลอยู่วันครับแล้วก็แล้วก็นั่งสมาธิได้ตอนนี้ประมาณวันละครึ่งชั่วโมงครับกำลังพยายามเพิ่มถ้าอยากนั่งไดนานตะ้องฝึกสติ บ, บ่อยๆ ก็อนจะมานั่งพยายามตั้งพุโทโธพุโทโธไปทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปลงตอนยก็พุโทโธไปเดี๋ยวาปล่อยให้มันคิดพยายามตั้ความคิดเดี๋ยวเวลานั่งมันจะมันจะไม่คิดพ้ามันไม่คิดมันก็จะนั่งได้นานครับวันวันนีนนน้ีขออนุญาตถามตั้ตงคำาถา ม, าาม อ, อมาจารย์เอาว่าอะไรเออคําถาม คำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำนะครับอันนี้ผมผมสงสัยว่าความทรงจําเนี่ยมันเป็นมันเป็นสัญญาขัดใช่ไหมครับแเราคเ น, นี้เวลาเวลาเราระลึกระลึกความจําออกมาเนี่ยมันระลึกออกมาจากจากไหนกันแน่เพราะผมมีความรู้สึกว่าความจริงสัญญาขัดมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแป๊บหนึง่งแล้วก็ดับดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับดับไปแต่ว่าอย่างเช่นพระ อ, อนนท์เนี้ยครับเวลาจะระลึกความจําขึ้นมาเนี่ยระลึกออกมาเยอะมากเลยออกมาชัดมากเลยระลึกออกมาจากส่วนไหนครับ ก็จากสัญญาในเงี้ยมันก็ไปก็ใช้สัญญาไม่ให้มันหายไปหนึ่งมันออกมาเรื่อยให้มันหนึ่งความเรื่องเรื่อ ง, เ, อ ง, เ, องเหตุเรื่องที่เราต้องการให้มันออกมาเรสัญญามันตัวนึกไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่เราสวดมนต์เนี่ยเราก็ใช้สัญญาอิติปิสุปะา ว, วาลัางสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเรใช้ใช้สัญญาพมื่อเราหยุดสวดก็เราก็หยุดสัญญาสัญญาก็หยุด เราไม่อยู่สวดสัญญาแล้วยังทำงานต่อไปแล้แล้วตัวสัญญาเนี่ยถ้าสมมุติเราเรามีสมาธิมากๆนี่สัญญามันจะวิ่งวิ่งกลับไปถึงชาติอื่นๆทะลุไปได้เรื่อยๆเลยเหรอครับคว<ม>ามจำไม่มีเส้นสอดเ<ะ>ลยเหรอครับเ ว, ว, ว, วลาจิตสงบเนี่บางคนก็สามารถที่จะใช้สัญญาให้ไปแล้วเสินชาต์ได้บางคนก็ไม่ใช้สัญญามันจะไม่ทํางานแล้แต่แล้วแต่แ มันต้องมันจะลดด้วยชาได้นี่มันต้องออกจากความสงบแล้วไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิแล้วถึงจะเลิกระเลิกชาดได้ติดต่อกายคิดได้แต่เวลาอยู่ในอัปปนาสมาธินี้มันจำทุกอย่างมันหยุดทํางานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันหยุดทางานครับเดี๋ยองลองดูงงงแตไ<อ>ไ่ไม่จำเป็นในปัจบันที่ไม่ไม่จําเป็นที่จะเล่าไประเลิกชาดได้ ให้เราเล็กถึงวารยาัตรีกับใจรักนะนั่นแหละครับับเออแล้วก็คําถามนอกเรื่องการปฏิบัตินี้เนี่ยครับพอดีช่วงนี้ช่วงนี้ยากยติญาติผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมีตายกันเยอะมากเลยแล้วตอนเนี้ยสงสัยว่าถ้าเราจะเ อ, อทําบุญไปให้ญาติเช่นสมมุติว่าเราทําทานหรือว่าเราสือศีงนะครับแล้วเราจะอุทิศส่วนกุศลไปให้เหล่าเพื่อนเนเหล่าญาติที่เสียไปเนี่ยเราต้อง เรต้องอุทิศยังไงถึงจะถึงครับต้องต้องคิดไปในใจคิดไปภายในใจบอกแค่คิดไปในใจก็ถึงบาล์แล้วไม่ต้องไม่ต้องสวดเป็นบาลีไม่ต้องสวดภาษาไทยภาษาไทยภาษาใจเนี่ยเขาอุที่ส่วนส่วนนี้ให้กับบุคลนั้นบุคนนี้ที่รลงรับไปแล้วก็เสร็จแล้วแต่ต้องมีบุญแต่ต้องมีบุญที่อุทิศได้นะบุญที่อุทิศได้มันต้องเป็นบุญที่เกิดจากการทําบุญทําทานบุญอย่างอื่นนี้เขาไม่อุทิศมันอุทิศไม่ได้ บุญบนที่อุทิศไม่ได้คือบุญอะไรศีลสมาธิอะไรที่เราทเนี่อ๋อศีลไม่อุทิศไม่ได้เหรอศีลของใครของมันนี่มีแต่เฉพาะทานที่อุทิศได้คือถ้าที่ถ้าที่ศึกษามาพระพุทธเจ้าสอนเวลาจะอุทิศบุนให้ทําบุญทําทานท่านไม่ได้บอกให้รักษาศีลเน้อปฏิบัติธรรม น, นี่ไม่เคยรู้มาก่อนมึงวาลเรื่องกนะันมึงมึงก็ะชนิดกนะันอ๋อครับนี่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดที่ว่าวันนี้รักษาศีลนี่เขาอุทิศบุญรักษาศีลใช่ันนี้กรรมสมาธิได้จบแล้วแล้วก็เออีกเรื่องหนึ่งครับเอ่อสมมุติเวลาเรามีเอ่องานงานสวดศพเนี่ยผมคมเห็นมาหลายครั้งแล้วว่าพวกญาติเนี่ยจะชอบบอกว่าเวลากลับมาที่บ้านแล้วมันกลับได้กลิ่นพูก ทั้งที่มันไม่มีกลิ่นทูบอย่างเงี้ยอุปทานอุปทานจิตมันอุปทานไ ป, ไปเองอ่ามันกินมันได้ดนมมกลิ่นในจิตเนี่ยไม่ใช่กลิตนภายนอกอ๋อเหรอครับอ่ซึ่งจิตเป็นตัวสร้างขึ้นมาเองแต่ว่าเหมือนเกิดกับทุกคนเลยนะครับแทบแท บ, บคือคือผมไม่เคยเกิดหรอกแต่ว่าเห็นญาติญาติหลายคนมากเลยที่เกิดพวกที่พวกที่มโนเก่งพวกนั้นก็จะเกิดคือคือคิดคิดถึงญาตมากแล้วก็จะตันมโนขึ้นมาอ่าตั้งขึ้นมาเอง วันนี้มีแค่นี้แหละครับขอบ <Okay. S 2> คุณมากครับอาจารย์นะครับุณคพรณาเชิญจากสัตย์ีดเชิญเลยกับนาราชการเจ้าค่ะไม่มีคำถามเหมือนเดิมค่ะเดไม่มีโครงการจะไปอดข้าวอกีกหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ไปได้ย่ะมันยังเปลีนอยู่นะยังเปอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองสอบถามดูค่ะ <Okay. S 2> อยากไปทุกเดือนเนะลยค่ะแช่วงนี้ข้าจะต้องปิดส่วนเพราะว่านะ มันยังลำบากอยูค่ะเดี๋ยวทําที่บ้านก่อนทำที่บ้านวันพ้าก็ยังอดข้าอยู่เนี่ยนะก็จะเป็นสัปดาห์ละครั้งอาจจะไม่ได้ตรงวันพระค่ะแล้วยังถือเป็นค่ะทุกทุกสัปดาห์อยู่ค่ะอเคแล้วก็ปฏิบัติทุกวันทุกวันค่ะโอเคทำไปนะอย่าอย่าทิ้งนะทำสิ่งนที่เราทําได้เราต้องรักษาไว้แล้วก็รักษาให้มันสงบไว้ค่ะอ่า สิ่งที่เรายัางไม่ได้ทําก็พยายามทําให้มันเพิ่มขึ้นมาให้ได้ใช่ค่ะโอเคนะ ข, ขอบคุณค่ะคุณสอ น, นดาว น, าน้ำาอ่นานผิดนลนะ่ยชวนจะเข็ดให้มาจะใช้ภาษาไทายไม่ยามเปลี่ยภาษาไทยเดยหนูเปลี่ยนแล้วนะไม่หนูมันยังเป็นอักษรอักษร เ, เดี๋ยวยเปลี่ยนใหม่ยังเป็นอักษรลาวอยู่เลย ภาษาลาใช่ไหมคะไม่เป็นไรขอเรียกคุณสวรรเขตแทนก็แลาวกั น, กนจำได้ไหรัอาจารย์าามีอะไรนะวันนี้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเลยก็ยังยังชัดอยู่ยยนี้นได้ยินอยู่ก็ไม่มีอะไรค่ะก็อยากอ่สินแปดนี้ะปฏิบัติยังไงครขบอาจารย์ก็ถือว่าเป็นรักษาไปสิ อย่าไปอย่าอย่าไปละเมิดอย่าฆ่าสัตว์อย่ารังทรัพย์อย่าอย่าร่วมหลับนอนกับใครข้อสามแล้วก็อย่าโกหกอย่าดื่มชุรายาเมาอย่ากินอาหารหนังเที่งวันอย่าอย่าไปเที่ยวอย่าไปหาความสุขจากการบันเทิงอย่างต่างน้องนําทําเพลงดูน้าฟังเพลงอะไรของเรานี้แล้วก็อย่าไปหาความสุขอยากการเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยการ ใส่หน้าทาปากคําท้าทํ forwards, าผมเล uh, pi, pian, seg, อใส sí. ่เสื้อผ้าสวยสดย่นงามอะไรต่างๆให้อยู่แบบเรียบง่ายใส่ชุดขาวหรืออะไรไปก็ได้นไม่ชุ่ดขาวก็ได้ดธรรมดาอาบน้ำล้างหน้าสะอาดจะบอกไม่ต้องเสริมความงามแ้าก็อย่ามันอย่าอย่านอนมันอย่านอนมันเตียงที่มีฟูกหนาๆที่มันสุกมันสบายเอย่ามันอยนอนมันเตียงสํำรัก ให้นอนบนเตียงที่มันเป็นพื้นแข็งๆเนยสมมุติว่ามีที่นอ น, นอย่างเงี้ยก็นอนบนพื้นไปแล้วเราเอาผ้ามาุูเอาเสือ่อมาปูปที่พื้นแล้วมานอนที่พื้นเปิดแทนถ้าจะนานบนเตียงก็เอาฟูกออกมาแล้วนอนบนพื้นพื้นเตียงที่มันแข็งแล้วปูเสือ่อปูผ้าได้ค่ะ ก็ S <S <S ไม่มีอะไรค่ะครูอาจารย์ที่ให้<อ>รักษานี่ก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมอะไรนะถ<อ>้าเราไม่ดูน้ําฟังเพลงอะเราไม่เสริมความงามมันก็ไม่ก็จะมีเวลาเยอะเองนะถ้าจะไปเที่ยวนนั้ออกไปงานเลี้ยงทีนี่ต้องเสริมความงานกว่าจะไปได้ก็หมดอไปหลายชั่วโมงแล้วไปงานกว่าจะกลับมาก็หมดเวลาครูอาจารย์ก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทํางานไม่ทําไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ย ก็คือผัดนั่งผัดเดินหนีทำนั่ทั้งวันเลยได้ดีถ้าไม่มีงานทําก็เดนเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิแล้วก็ทํางานบ้านบ้านมันสนปกปรกปก็กวาดถูให้มันสะอาดเสื้อผ้ามันกองน้นไไนองอะไรก็เามาซักเข้ามาเลยอันนี้ทําได้งานแล้วปฏิบัติควบคู่ไปได้งานบ้านนี้ทํานะถ้าก็ต้องทำํำผ้าก็ต้องปัดกวดาดค่ะไม่มีอะไรแล้ว อาจารย์โอเค<า>ยังท่านต่อไปคุณธนพลนะธ น, ะ น, นะพลเชิญการมาสักการก็ค่ะจากกทมอใช่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะมาสักการครับมีอะไรบ้างมาเลยสัญญาณไม่ได้ยินอยู่ผู้ใดอาจารย์ ไม่ได้แต่หนูไม่ได้ยินพระอาจารย์พูดมเมื่อกี้เลยอะค่ะอระอาจารย์พูดอีกทีได้ไหมค ะ, ะมีอะไรก็พูดอะไรอ๋อครับก็สัปดาห์นี้ไม่มีอะไรครับการปฏิบัติก็เป็นไปตามปกติอครับก็สามารถจะลงจิตได้ครับคราวนี้มีคําถามครับมีคําถามนึงครับที่เคยเคยเรียนขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์เรื่องเรื่องให้ลูกเนี่ยมาแปล แปลคลิปที่พระาอาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นอุบายให้ก็ฝึกภาษาด้วยแล้วก็ได้ได้ศึกษาทําสพระาจาร์ด้วยคราวนี้มีอยู่คลิปหนึ่งนะครับเขาได้ยินเรื่องเรื่องที่มีผู้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการทําการลุญยาฆ่าด้่ยครับอืแล้วก็พระอาจารย์ให้ให้ความเห็นว่ามันก็ยังเป็นบาปอยู่อรานี้เขาก็ไม่เข้าใจอย่างนี้ยครับคือการฆ่าเนี่ยไม่ว่าจะฆ่ า, าด้วยเหตุผลกลไกใดเนี่บาปทั้งนั้น ค่ะแต่ว่าคําตอบของพระอาจารย์คือว่าถ้าก็เออมันก็ว่าเขาโคม่ายังไงก็ไม่รอดถ้าเราไปเหมือนไปอ่าไปให้ยาเพื่อเขาเขาเขาต า, ายอย่างเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นบาสนี่ผู้อาจารย์บอกว่าก็อ่ามันก็ปล่อยให้เขาอดอาหารลงไปเรื่อยๆแล้วอย่างเขาก็ตายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเอออย่างนั้น<ต>ไม่บาเนี่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามันทรมานกว่ามันทํา แต่เขาก็พูดตรง ๆ, ๆรเขาบอกว่ามันเหมือ น, นกับว่าถ้ไม่ศาสนาพูดถึงโหดร้ายจังค <c oughs> ่ะการฆ่านี่โหดร้ายการเลี้ยงดูรักษาพยาบาลก็นี่ไม่ได้โหดร้ายแล้วก็รักษาพยาบาลไ ป, ปนี้เพียงแต่ว่าถ้าเขากินไม่ได้ก็เขากินไม่ได้เท้านั้นเองไม่ได้ปล่อยให้เขาไม่กินก็ราะแต่เข้าใจผิดที่เราพูดในมายถึงว่าถ้าเกิดเขากินไม่ได้ก็เมก็มันเจ็บป่วยมากๆมันกิน ไ, ไ, ไม่ได้ก็ไม่กินเท่านั้นเอง หายใจไม่ได้มันก็ไม่หายใจแต่ถ้าหายใจได้หายไปกินได้กินไปเดนนั่ได้เดินไปกินยาได้กินไปก็ยังรักษาพยาบาลอยู่เหมือนเดิมอ๋อครับครับที่ด้วยความที่ว่าเขาเขาเป็นเด็กเขาก็เลยไปเข้าใจเหมือนกับว่าถ้าถ้าปล่อยให้ปล่อยไปก็เหมือนกับปล่อยให้เขาทรมานไงครับให้คนป่วยทรมานแต่จริงๆเราก็คือเนี่ยโดยหลักการก็คือคือเราก็รักษาตามอาการไปหละรับได้ก็รับ แล้วไม่ได้ก็คือก็คือท่าขันเขาก็ก็หมดไปเองคือถ้าเราเริ่มฆ่าคนนี้เราเดี๋ยวเราก็อ้างเหตุผลต่าง ๆ, ๆนานาได้เราจะเอาเราดของเข่าของพ่อแม่พ่อแม่ยังไม่ตายก็อ้างว่าอ้าคนจะตายแล้วงนี้ใช่ก็ใช่อาจจะเป็นแค่เป็นหวัดหน่อยหรือะไรอะไขึ้นมาแล้วมันจะเกิดค่านิยมใหม่กันขึ้นไป ม, มันใช่แต่การเป็นข้ออ้างไปเน้นที่ศาสนาพูดห้ามฆ่าทุกกรณีก็เพ่จะได้ไม่มี มีเหตุมาอ้างเหมนนั่นเองใช่ไหมคนมาเห็นเรื่องนี้สมัยนี้อยากจะได้อวัยวะของคนยังไม่ตายของคนยังไม่ตายเนี่ยก็อยากจะได้อวัยวะกันแล้วตอนเนี้แล้วก็เลยโอ้รักษาไม่ได้แล้วให้มันตายดีกว่าจะได้อวัยวะไปขายให้คนอื่นอันนั้นอันนั้นโหดมากอนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้น่ะก็จะถึงห้ามฆ่าโดยเด็ดขาดเนี่ยทางศาสนาพูด ไม่ว่าเหตุผลกลไกด้านในการคาร้านิบาดนาันเพราะชนิตไม่มีใครอยากจะให้ตายด้วยกันไม่มีใครอยากจะให้ทำลายใช่ครับใช่ครับอาจารย์นึกถึงครั้งหนึ่งเราเมื่อหลายสิบปีก่อนเราก็เคยทําบาปนั่นคือจำได้ป่ะเออ่หาข้ า, านน้นถนดนะค่ะแล้วก็มันก็ป่วยมากเราก็เอาไปหาเอเราก็เอามาไปหาหมอค่ะแล้วก็พอหมอเห็นบอกว่าอันเนี้ย มันมันรักษาไม่หายแล้วหน่ำซ้ํามันก็ยังจะไปติดต่อกับหมาตัวอื่นด้วยแล้วคุณหมอเขาก็เลยแนะนาว่าให้ให้อันนี้ก็อยาอันนี้ก็อันนี้ก็อ้างเหตุผลเพื่อความสะดวกง่ายดาของคนอยู่คนอยู่ได้ไม่ต้องมาเป็นทาละให้คุณหมอพูดจ้าท่านนั้นแหละมันเป็นข้อ้างของคนอยู่ที่ไม่ต้องการที่ต้องการปัดทาละอันนี้ไปไม่ต้องเลี้ยงมันทําให้มันตายื จริงๆเขาก็เป็นเขาเป็นหมาที่แบบว่าไม่ไม่ไม่มีคนดูแลแหละครับเราบะเอิญเดินไปเห็นว่าโหมันนอนนอนทรมานอยู่้า้ถนนเราก็เลยคดีนี้นั่นก็เลยก็เลยเรียกว่าควาเมตตาอันนี้เรียกว่าความเมตตาคแต่เมตตาโดยการฆ่าเขาอย่างนี้ก็ไม่เมตตาแล้วก ใช่ใช่คะก็เลยติดค้างหรือว่าความบันเทิงก็ช่วยทำเมนูแบบนี้ได้เห็นมันแล้วก็ทำไม่รู้ไม่เชียวเป็นกรรมของมันดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งมันตอนนั้นยังไม่มีธรรมะค่ะตอนนั้นยังอ่อนครับตอนนั้ยังอ่อนอ่อนหัดอยู่ค่ะพอาจารย์เจ้าค่ะเออแล้วก็าผมว่าในปกติเนี่ยค่ะเรายังทํางานอยู่ยังมีครอบครัวแต่ว่า บางทีเพื่อนๆชอบชวนไปสังสรรค์แล้วก็มีดื่มเนี้ยค่ะแล้วเราไม่อยากไปเราจะอ้างว่าไม่ไปเนี่ยเราวันนี้เรารักษาสิ่งแต่เนี่ยมันผิดไหมคะถ้าเราอ้างแบบนี้ยคือเรารักษาแบบแล้วเรารักษาก็<อ>ไม่ผิดถ้าเราไม่รักษาแล้วเราไปอ้างมันก็ผิดนั่นเอง ม, มันโกโหกอะไเดีเรารักษาอยู่หรือเปล่านีไ่ไหม อืมแปดข้อเฉพาะวันเฉพาะวันนั้นนะได้ค่ะก็บอกเขาไปในวันก็บอกว่าบอกว่าวันนี้รักษาสินแปึสินห้าก็ได้สินห้าก็ไม่ดื่มชราเคแต่ไปได้ไปงานสังสรรค์ได้สินห้าไปงานสังสรรค์ได้อต่ไปดื่มน้ําชาไปดื่มน้ําเปล่าหรือดื่มน้ําผลไม้แทนก็ได้แต่ถ้าไม่อยากไปก็ต้องถือสินแปดแล้วบอกว่า ถึง8ห้ามไปสังสรรค์นะห้ามไปงานเลี้ยงห้ามไปก็เข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรนะเจ้าค่ะอจบนะพี่อาจารย์เจ้าค่ะนารวิทย์นารวิทยจากสุราษฎร์ใช่ไหมอาจจะจำผิดไม่ใช่ไม่ใช่คุณก้าวครับคุณก้าวครับจากสุราษฎร์ครับ ยายย้ายล้านเอาเลยครับครับย้ายล้านเปิดไหมครับอาจารย์ก็ดูดีเนี่ยดูดีครับขอบคุณครับสวยไม่สวยไม่สําคัญนะขายดีไม่ดีมากน่าจะสนใจตรงนั้นม า, มากกว่า ก, ก็ขายดีครับตอนนี้ก็คือว่าตอนแรกก็ไม่ได้สนใจแล้วพอมาเปิดก็เลยตอนนี้ก็เลยกําหนดเป้าหมายครับกำหนดเป้าหมายคือผมคือ จากบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะครับผมก็กําหนดเป้าหมายว่าวันพะผมก็ฝากเพื่อนไปใส่บาตรพระจ้างแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิทุกวันครับให้ทุกวันค่ะครับตอนนี้แล้วก็เวลามีงานนะครับงานอะไรเครียดอะไรเงี้ยครับที่ผมแบบทําไม่ได้หรือว่าต้องแบบลูกน้องหลายคนเงี้ยครับผมก็จะเข้าสมาธิช่วยแล้วก็มันทําให้ผมแบบว่า มีไอเดียแล้วก็มันสงบครับเราเราจะแก้ปัญหาออกด้วยด้วยสมาธิครับแต่ว่าผมอยากรู้ว่ามันจะช่วยเราในเรื่องทางธรรมได้บ้างไหมครับได้เหการนกันก็ทางธรรมก็มาแก้ปัญหาคดความทุกข์ใจของเราถ้ามีสมาธิเราก็จะเห็นปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากของเราแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ เราก็จะได้หยุดความอยากงานพ่อครับเห็นเห็นตลอดครับอาจารย์เห็นใจรักยิ่งการก็โอเคแล้วก็เหมือนเราก็ยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วความที่เราเข้าใจแบบมีธรรมะมากขึ้นเราก็ให้เห็นคือทางธรรมมันก็พุ่งว่าขึ้นไปด้วยครับอาจารย์ก็ดีไงก็ถูกต้องครับเป็นอาทิตย์แรกครับที่ต้องเริ่มเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็มีโก้เยอะเพราะแบบมันเคยภาวนาได้ดีแล้วก็ขี้เกียจตอนนี้ก็ มาพยันแล้วครับอาจารย์ถ้าทํามันก็จะมันก็จะมันก็จะมีผลถ้าไม่ทํามันก็ไม่มีผลนะครับแล้วก็มีนิดนึงครับเวลาแบบมีปัญหาที่จะถามอาจารย์ครับเหมือนที่พี่เขาบอกเราก็จะคิดคำตอบได้เองครับเราจะมีปัญญาของตัวเองที่แบบเราจะพอแก้ปัญหาเอางได้แล้วครับแล้ววันนี้ก็ม า, มากราบยินดีครับผมถ้าเรารู้แนวทางลราจะรู้ว่าปัญหาของเราเกิดจากความอยากของเราเั่านั้นเองไม่ได้เกิดจากอะไรเลย ก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการทำงานเพราะแบบผมก็คือแค่นี้ก่อนโอเคดีดีทำไปเรื่อยๆอยนี้ก่อนแล้วมีเวลาว่างก็ปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นโอเคนะครับท่านต่อไปคุณนาเร่ก็ธรรมตอนนี้อยู่เทเใช่ไหม ทำไมยังต้องเปิดไม้ก่อนจ้ะยังไม่ได้เปิดไม้หลวงพอ่อหนูก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหลวงพอ่อแต่ว่ามันน้อยลงอะ่ะในความรู้สึกหนูนะถ้าเทียบกับที่เราปฏิบัติมาตอนนี้มันมีเรื่องโควิดแล้วหนูต้องหยุดงานมั่งอะไรอย่างเงี้ยหนูพอ่อแล้วต้องคอยฟัง งานจากที่ออฟฟิศอะไรเนี้ยมันเลยทําได้น้อยอะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าไม่ไม่เว้นไม่หยุดเลยสักวันหนึ่งนะคะหลวงพ่อหมายความว่ายังปฏิบัติอยู่แต่ว่าหนูว่ามันน้อยลงชั่วเวลามันน้อยลงถ้ามันน้อยพ่อเหตุการณ์ได้น้อยลงถ้ามันน้อยอถ้ามันน้อยพ่อเหตุการณ์บังคับก็ไม่เป็นไรอย่าให้มันน้อยเพราะเราขี้เกียจก็แล้วกันได้ไหได้ยินไหมอ๋อค่ะหลวงพ่อได้ยินค่ะเออถ้ามันน้อยเพราะเหตุการณ์บางครั้งเช่น ก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้ามันน้อยเพราะเราขี้เกียจตอนทาน้อยอย่างนี้ก็ไม่ไม่ดีไม่ควรคือถ้ามีเวลาว่างเว็บหนูก็จะเข้าไปนั่งนั่งนั่งตลอดสำรองพ่อแต่ทีเนี้ยมันหนูว่ามันมันน้อยก็ช่วยไม่ได้มั น, น, นูก็ตึงบอกว่าชีวิตคาราวาเหมือนขับรถอยู่ใต้ทางหลวงไงเดี๋ยวก็รถติดเดี๋ยวไฟติดไฟแดงติดได้อุบัติเหตุความ แต่ถ้าขึ้นทางโด่วนหน้ามันก็จะพลืดไปเลยฮะต้องไปอยู่แบบนั่งบวชนะขึ้นทางด่วนช่วงที่ไปอยู่ที่วัดมันปฏิบัติได้เกือบทั้งวันอย่างเงี้ยหลวงพ่อมันรู้สึกดีอ่ะคนที่ปฏิบัติล้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็ไม่อยากจะอยู่เป็นคารวะแล้วอยากจะไปบวชพราะมันเห็นผลแตกต่างกันมากผลที่ได้รับจากการปฏิบัติมันแตกต่างกันมาก ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่ อ, พอหลวงพ่อคะแล้วทีเนี้ยเวลาเราช่วงมีโควิดอย่างเงี้ยหลวงพ่ อ, พอแล้วก็งานมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วบางทีมันก็รู้สึกเป็นทุกข์ค่ะหลวงพ่อพอย่าใช้ปัญญาปัญ น, นิจจังเลยอย่าไปอยากให้มันเหมือนเดิมญญอยากเปลี่ยนแปลงได้อานิจจังอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้เราไปอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมเราก็ทุกข์ถ้าเราปรับตัวเราให้รับสภาพใหม่ได้มันก็ไม่ทุกข์ ให้ให้เราคิดว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงใช่ั้มค ะ, ะ<อ>มัน<อ>เปลี่ยนไปแล้วอย่างสภาพที่เคยเป็นอยู่มันไม่เป็นแล้วตอนนี้ปยายามไม่เป็นเหมือนเดิมก็ทุกข์กสนนิใช่ัหมใช่ค่ะอ่เราปรับใจเราอย่าประหยาดให้มันเหมือนเดิมปรับใจเราให้อยู่กับสภาพที่เป็นปที่เป็นอยู่ในขณะนี้ในปัจจุบัน ตอนนี้หนูก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้กลับไปที่คอนโดตรงวุฒิกาศค่ะหลวงพอ่อกลับมาที่บางบัวทองค่ะหลวงพอ่อออมันต้องขน<อ>ที่ทํางานยจริงๆแล้ว ท, ที่ทํางานจริงที่ไหนอ่ะตรงตรงสาทรตรงโรงพักยานาวาค่ะหลวงพอ่อบางวทางก็ไกลเลยนะไกลกว่าที่วุฒ<อ>ิกาศาใช่ใช่ค่ะเพราะว่าต้องกลับมาทํางานมีเอาเครื่องคอมอะไรพวกเนี้ยค่ะหลวงพ่อมาทำที่บ้านค่ะ เราฝึกสติไปกันแล้วกันเวลาเดินทางก็ให้มีสติไปข้าหลวงพ่ อ, อวันนี้หนูกรบกวหนหลวงพ่อแค่นี้ค่ะหลวงพ่อหนูจะรับปางต่อ น, นะคะได้จ้ะนะทุกคนมาเล็กเชิญมาเล็์กราบนะมันมันการโอนปัจจัยมาทำบุญนะต้องแปดที่แล้วแล้วครับหลวงพอ่ออะอะนะทุก หลวงพ่อวันนี้อันเห็นเป็นวันครบรอบอุปสมบทของหลวงตามหาบัวด้วยครับใช่เลยใช่ครับสองท่านก็มีวันที่สิบห้าก็เป็นวันที่ท่านบรรลุธรรมครบรอไม่ใช่ไม่ใช่อุปสมบทในวันนมันบอกวันนี้วันที่สิบสองวันที่สิบห้าพระสกายก็บอกว่าจะเป็นวันที่ท่านครบรอบวันบรรลุธรรมท่านนะใช่ครับโอเค ถ้ไม่พูดถึงเรื่องปฏิบัติผมก็พยายามปฏิบัติขึ้นแต่พอพิจารณาเรทางโลกก็ต้องทํางานเหมือนกันบางทีมันก็มันก็นจะเระ่อยยังไงก็ทําไปเลยอออทางโลกทำทำมันก็ไปคนละทิศเนี่ยเงินชักไปเยอะเงนไปนึงเงินไปนึงเงินมาแต่ว่ามันก็สามารถไปทํทาทั้งคู่ได้ใช่ไหมครับหลเพราะมันต้องฝุกลงตัวอ ย, อยังไงอะครับ ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการผลระดับไหนถ้าเราต้องการผลระดับของของผู้ครองเรือนก็ก็รักษาสิ่งถ้าทำบุญ ท, ทําทานมันก็ไปด้วยกันได้แล้วในภา ว, วนาก็ได้ น, น้อยๆมาหอมปากหอมคอแต่ถ้า<ม>อย่างนี้ภาวนาเยอะๆทั้งวันทั้งคืนนี่ก็ไปด้วยกันไม่ได้แล้วเห็นขนาดในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นผู้ครองเรือนแต่พระป่าท่านก็ชมในหลวงเป็นพระเป็นปฏิบัติกรรมฐานได้ดีนี่ ก็ได้ดีแต่ก็ยังไม่เท่ากับกับพระแล้วก็พูดเอาใจท่านแล้วก็ใครไปบอกพุ่งปฏิบัติไม่ดีได้ที่ไหนล่ะก็ต้องดีแบบคารวะก็ได้ก็ดีแบบคารวะแต่ยังไม่ดีแบบพระอ๋อจริงหรือตาจะดีกว่าพระบางรูปก็ได้พระบางรูปมางบัวแล้วไม่ใคยภาวนาเลยก็มีก็มี หลวงพ่อครับแล้วแบบหลวงตาหมาบัวทําไมท่านถึงประกาศปปประกาศแบบเปิดตัวว่าอลหันวันที่เท่าไหร่หรือว่าบรรลุทําวันไหนอะไรยังไงหรเพราะอะไรครับท่านมีลูกศิษย์เยอะไหมเขาอยากจะรู้ท่านก็เลยเปิดตัวให้ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีลูกศิษย์ไปประกาศในข่าวว่าอยากจะอยากจะโชว์อยากจะอวดนะ่ไม่ช่วยไม่รอให้มีลูกศิษย์เยอะๆก่อน <c oughs> อ๋นนนอครับเพราแล้วความ ท่านก่จะมาประกาศนี่ต้องหลายสิบปีรูป้ป่ะท่านเลยมาประกาศใกล้จะตายแล้วแล้วตอนที่หลวงพ่อไปอยู่หลวงตานี่ท่านก็ยังไม่ได้ประกาศอะไรใช่ไหมครับตอนนั้นแต่ท่านเล่าให้ฟังในการปฏิบัติของท่านก็เหมือนกับประกาศแต่เป็นเฉพาะวงวงว ง, วงในรู้ป่ะยุติศีลกายชิดคือพระที่อยู่ในวัดก็จะรู้ว่าท่านคือท่านก็ไม่ได้บอกเป็นอย่างวันนู้นมันนี้คือท่านก็เล่าการวิธีการปฏิบัติวิธีจิตปนเป็นยังไงมันต้องรู้กันเป็นโดยปริยาย ตอนหลวงพ่อไปอยู่หลวงตานี่หลวงพ่อเรียกหลวงตาว่าหลวงพ่อหรือเรียกพระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เรียกอะไรเลยธรรมดาถ้าเขาพูดถึงท่านเขาจะเรียกพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่พ่อไม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์เขาตัดคำว่าบาครูพ่อแม่ครูอาจารย์ครูอาจารย์อ๋อคือเรียกหลวงตานี่คือยุคยุคหลังๆถึงเราเรียกหลวงตากันใช่ไหมครับก็หลวงตาท่านเรียกตัวท่านหลวงตาพวกเราก็เรียกตามท่าน หลวงตาบัวแต่ท่านพระที่อยู่กับท่านจะไม่เรียกท่านหลวงตาบัวเวลาเวลาเวลาเจอท่านก็ไม่ไปทักท่านว่าพ่อแม่กุจาะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ต้องทักไม่ต้องพูดใช้ชีวิตท่านแล้วความสงบสุขในชีวิตประจําวันนี่ถือเป็นธรรมะด้วยไหมครับหลวงพ่อแล้วแต่ระดับมันมันสงบสุขจากอะไรล่ะถ้าสงบสุขจาก รูกเสียงกินแล้วก็ไม่ใช่ธรรมะต้องสงบสุขจากจากศีลทานศีลภาวนาก็ถึงเรื่งมันทําเป็นพระเป็นธรรมะอ๋อที่หลวงพ่อบอกว่าทานที่อุทิศได้แล้วทานแบบที่เราแบบให้ธรรมะโดยเราสอนเขาแบบนี้อุทิศได้ไหมครับก็ไม่ได้นะมันถึงจว่าต้องท่าทีได้ยินท่านโต๊ะที่ทานสอนให้ไปนั่นในเรื่องที่ท่านสอนก็ให้ไปทําบุญทําทานแล้วก็อุทิศ คือข้าวของอะไรนั่นกันไปสอนหนังสือฟรีอย่างนี้ไม่ได้ไหมครับอแต่ว่าจะจะเอาก็ได้มเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามันก็เป็นทานเหมือนกันเลยนะได้เอาธรรมาทานก็ได้วิทยาทานก็ได้วิหารธรรมหมายถึงอะไรครับหลวงพ่อธําที่เป็นที่อยู่ของจิตไงเพื่อความไม่หารสี ด้วยสติสติปัญญาก็เป็นนี้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตครับถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ววิหารธรรมจะไม่มีวันพังอีกใช่ไหมครับไม่มีวันอะไรนะแต่พังลงมาเลยใช่มันจะแน่นอนก็วิหารธรรมระดับของท่านก็จะไม่ไม่หายไปแต่เวลาร ะ, วระดับที่เสืมกว่านี้ยังก็ยังไม่ได้ต้องต้องสร้างตอบเลอ๋อครับ <Okay S 2> เอาแล้วนะโอเคนะขอคุณหลวงพ่อมาครับโอเคท่านต่อไปคุณไอโฟนไม่ทราบชื่ออะไรเชิญได้พราวันนี้คนเจ้ามาต้องหกสิบเอ็ดคนนะวันี้นสวัสดีคุณที่ไหนอยู่ที่ไหนจ้าอยู่ที่ไห น, ไหนคุณไอโฟนหยุกสัญญาณมันก็ดีเลยสัญกาศหาย ลองเปลี่ยนมุมของเครื่องดูได้ไหมลองประยัดถ้าเป็นเครื่องมือถือเราประยัดที่หน่อยดีไหมสัญญาณตรงนั้นไม่ดีก็อยู่กรุงเทพไม่ใช่เป็นใช้พีซีปัญญายังคุณโยมที่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยตองขอใครด้วยนะ คุยไม่รู้เรื่องได้ยินแต่คุยัไม่รู้เรื่องเนะได้ยินไหมคะทันจา่ามาตอนนี้ดีแล้วว่มามาเชมีอะไรไหมได้ดีนไหมคะได้ยินได้ยินเชิญถามเลยมีอะไรจะถามหายไปอีกนะเดี๋ยวอค่ะ ใค่ ะ, ะค่ะการนมัสการ ท, าท่านอาจารย์การปฏิบัติแล้วกันนะคะค่ะหนูอยากถามว่าเพื่อหลังจากที่หนูสไม่ได้ยินใ ไ, ได้ยินไหมคะเป็น ก, นการกาลหาพูดไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อ๋อ ไ, ไ, ไ, ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะงั้นหนูขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคือ หลังจากที่รับประทานอาหารคือหนูสามารถที่จะรับประทานอาหารางดอาหารหลังที่ยังได้แล้วค่ะหนึ่งสัปดาห์คราวนี้ก็นั่งปฏิบัติสมาธิได้ดีขึ้นอยากถามว่าการนั่งสมาธิที่แบบที่ถูกต้องเนี้ยค่ะคือเราบริกรรมพุทโธอย่างเดียวแล้วเราต้องมองลมไปมองลมที่ปลายจมูกไปพร้อมกันหรือว่าเราเราเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหม เราเริ่มได้จะเอาพุทธโทอย่างเดียวก็ได้เอารมณอย่างเดียวก็ได้เนื้อเอาสองอย่างปนกันก็ได้ออก็คือแบบไหนก็ได้ที่ทําแล้วรู้สึกว่าเราสอบที่พิสูจน์ไ้อ๋อจะขาดขาดก็ไม่มีคําถามแล้วค่ะท่านต่อไปเป็นใครคะที่สามนา คุณสุพัฒนาองเชอ้อมก่อนนะอ้อมออก่อนอ้อมจากบรวณเชินให้มาการคะ่ะผู้อาจารย์มาฟังแล้วก็มากราบผูาา้อาารโ์ค่ะไม่มีคำถมามที่นี่มาสายบ้ายหรือยังค่ะวันเสาร์นี้จะไปวันเสาร์นะคะ่ะคุณนอยทัตตะวันกลับเข้ามาอยากอยากจะถามอะไรไหม ยังไม่มีครับผมอยู่อยู่ตลอดครับแม่เอาอยู่ตลอดผ้ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันย้ายที่โอเคยังไปให้คุณพัฒนาต่อแล้วพัฒนาวันการมาสายบาทนะกล่าวธรรมสการพระอาจารย์แลค่ะวันนี้ก็มาฟังธรรมขออนุญาตฟังธรรมนะคะแล้วก็เอามารับพลังจากพระอาจารย์ค่ะมาได้และก็ฟังไปไม่ได้นะฟังไปที่ท่านต่อไปคุณอาจค่ะ คุณจันทานีนยจันทานีนี่ไงจันอยู่ที่ไหนรู้สึกครั้งแรกมื่วันนี้กราบด้บนมัสการพระอาจารย์ค่ะครั้งแรกค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่บางกรวยค่ะบางกรวยบางกรวยบัดนนทบุรีค่ะคำถามอะไรไหมอืมก็ขออนุ ญ, ญาตเข้ามาฟังก่อนแล้วกันค่ะพระอาจารย์ก็อตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่อะค่ะใช่ ข, ขอไปที่ท่านต่อไปนะเพราะยังคนรอยเยอะค่ะ ข, ขอบคุณค่ะคุณตาลวะลายเชิญคุณตามวะลายตอบนมัสการค่ะพระอาจารย์เอายอมเอาโลบร้นเลยนะคะ<ด>ถือสิแปดมาเมื่อวานนี้กครั้งที่สามแล้วค่ะเราก็เลยตั้งใจว่าท่นพระเจ้าค่ะก็จะถือสีแปด แต่ในขนาะเดียวกันคือช่วงแรกๆยังไม่ค่อยบริสุทธิ์พราะว่าบางทีโดนมดกัดแล้วก็เผลอเผลอไปเกาแล้วก็ปัดค่าค่ามันข้ามตายค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่บริสุทธิ์ดีสามีก็บางทีเหมือนแบบมาสกิบเรานั่งสมาธิอยู่แล้วเขาสกิบ ด, ด้านหลังอะไรอเงี้ยค่ะอันนี้สักอันนี้มันสามารถทําได้ไหมเ้าค่ะคือความจริง การแตะเนื้อต้องตัวกันนี่ก็คอามจริงมันก็ไม่ผิดศีลแปดเพียงแต่ว่าเขากันไว้ก่อนไม่ให้น้ํามันกับไฟมันอยู่ใกล้ๆกันเพรเดี๋ยวมันแต่ต้องแล้วจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วจะไปทําผิดศีลข้อสามต่อไปอันนี้คือเหมือนกับแปะแปะข้างหลังเราว่าใช่ไวามจริงมันไม่ผิดศีลแปดนะเพียงแต่ว่าเขาเขาเป็นมาตรการป้องกันไหมไม่ให้เรา แต่เนื้อต้องตัวกันว่ามันจะทําให้เกิดอาจจะทําให้เกิดการมาลงขึ้นมาได้แลอาจจะไปทํำผิดสินก็สามได้คะ่ะส่วนเมื่อวานค่ะก็นั่งก็ถือสินแปดแล้วก็นั่งสมาธิช่วงช่วงดึกปรากฏว่าไปแพ้กิเลสค่ะพระอาจารย์ยุ่เคยได้เรียนถามคำถามพระอาจารย์ในเรื่องของการที่อยากให้แม่เป็นแบบนั้นแบบนี้อ่ะทีนีมน้มันก็เลยมันก็เลยมีข้อ ข้อคําถามมาจากผู้สัพว่าแม่ไปเตือนยายทาไมทําไมแม่ไปเตืนแับนิยายเขาไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะมั น, ม, นมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเตือนเพื่ออยากจะหวังดีให้แม่เขาปรับวิธีการทําใหม่เนี่ยมันกลายเป็นไปทําให้แม่เขาโกรธโยมก็เลยรู้สึกว่าโยมก็ยังตัดกีเลสตรงนี้ไม่ออกแล้วมันก็ทําให้โยมเกิดความตอนรารจัดโกรธแล้วก็พยายามนั่งนั่งพิจารณาตัวเองนะคะ ว่าให้ลดละความโกรธแต่ว่ามันยังมีความน้อยใจอันนี้ก็ถือว่า ส, สมาธิกับสติโยมยังไม่ยังไม่แข็งกล้าพอใช่ไหะก็มันเกิดจากความอยากนะความอยากที่จะไปยุ่งกับคนอื่นเดี๋ยวมันจะเป็นความอยากที่ดีแต่มันก็ต้องจักการะเพศหรือว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปไม่ได้ควรไม่ควรก็ก็ไม่ควรที่จะไปอยากเพราะฉะนั้นก็คือต้องปล่อย ต้องปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วแล้วให้เขาได้เรียนรู้ว่าเขาว่าสิ่งที่เขาก็ทําเนี่ยมันมันต้องมีการปรับปรุงว่าต้องแก้ไขด้วยตัวเองใช่เรื่าเรามีหาหาวบายที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราถ้าเราไปบอกเขาตรงๆแล้วเขาไม่ยอมรับก็อย่าไปบอกให้เสียเวลาเราลุ่มจะพยายามปฏิบัติให ไ, ได้่อ่ามันต่อไปคุณไอโฟนไอโฟนจากจากเซาท์แคโรไลนาใช่ไหมคุณยินดีใช่ไหมคุณยินดีไอโฟนหลุด ไ, ไ, ไปครับเดีนะ๋ยลุดไปแล้วเหรอครับหลุดหลุดไปคะับที่คุณสุทธัศน์สนะ่สอนคุณสุทธัศน์น่จากกรุงเทพใช่ไหจากปทุมม ค่ะปทุมธานีเจ้าค่ะพระาจรควันนี้หนูไม่มีคำถามเจ้าค่ะ้ามารับฟังการสนทนาธรรมเจ้าค่ะครับทุกทานค่ะคุณสุวัฒนาคุณสุัตนาจากดัลลัสเท็กซัเชิญคุณสุวัฒนาเปน้าคคะได้เดืมไดมุติก็ยามสิ้นเดือนนี้เจ้าค่ะสิ้นเดือนนี้เหรอส้นเดือนนี้เดือนหน้าก็ได้เริ่มเริ่มต้นใหม่แต่ก็พยายามควบคุม เอามีสติให้มากมาเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ดื่นมนึก <laughs> ได้เจ้าค่ะต้องคอยระวังนิดนึงผมไกลๆที่ไหลม้า ah ทุกทีเลยเลื่อนไปเรื่อยๆเจ้าค่ะวันนี้โลกไม่มีอะไรเจ้าค่ะมาขอรับฟังเจ้าค่ะโ <Okay. S 2> อเคเป็นไปบที่คุณบอลตาเลยนะคุณบอลคุณบอลเชิญคุณบอลครัอบอ่าครับนักมศการครับอาจารย์อยู่หนใหญ่อยู่หัดใหญ่ครับ มีอะไรพึ่งเข้ามาครั้งแรกครับฉัน จ, จะสอบถามครับพอดีพึ่งเริ่มฝึกนั่งสมาธินะครับแต่พอนั่งไปสักแป บ, บเราบรใจแยาวคิดเรื่องอื่นนี้ครับมันมีวิธีให้เราแบบง่ายกว่า น, นี้ไหมครับคือเราใช้อะไรเวลาเรานั่งพุโทโธครับก็ต้องต้องฝึกพุพโทโธให้มากกว่าที่นีก่อนที่เราจะมานั่งพุโทโธกําลังเราเราน้อยมันอยู่ได้ไม่นานมันก็ถูกความคิดดึงไปแล้วงันเรต้องฝึกพุพโทโธทั้งวันก่อนที่เราจะมานั่ง สบาปมากนูนตาขึ้นมาเตะขึ้นมายังไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องธุระปากปากก็พุทโธพุทโธไปานั่งนบบโโนนหน้าแปรงฟันแต่งเรื่องแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไปอยากปล่อยให้มันไปคิดควบคุมได้ในระดับหนึ่งเวลานั่งมันกจะนั่งได้นานต่อไปอ๋อครับแล้วเวลาระะเวลาที่เหมาะสมในการนั่งนี้ประมาณเท่าไหร่ครับในช่วงแรกๆครับก็แล้วแต่จะนั่งได้นานเท่าไหร่อ๋อไม่ต้องกําหนดว่าต้องชั่วโมง ให้มันนั่งให้นานที่สุดท่านทีนั่งได้อ๋อครับโอเคขอบคุณครับโอเคถ้ดใครเอ่าตัต่อไปเอ9 9เอเก้าเก้าแล้วะครับคุณเาไปเอ็นเก้าเก้าท่านทนายทนานกลาวนามสการครับอาจารย์อ่อยู่ที่ไหนอ่าสีราชาครับอยู่แถวสวนเสือครับรรรรรอาจารย์ ครั้งแรกครับเข้ามารับฟังก่อนแล้วกันครับอาจารย์ยังไม่มีคำจาร์เนี่ยครับก็เดี๋ยวสักพักค่อยถามครับอาจารย์ยินดีต้อนรับครับผมกลุมรรมศาสรพรัมธาตพบัวสุกจากสเปนไก่ลากาอเลาครับกลัมสักการหลวงพ่อเจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็รักษา อ่าบ้านบ้านในเจ้าค่ะรักษาใจนะรักษาสงบให้มันสงบความสุขอยู่ที่ความสงบนะั่นแหละไม่ต้องไปหาอะไรให้วุ่นวายเสียเวลาเปล่าเอาความสงบเพียงอย่างเดียวก็พออย่างที่กลยพูดว่าคนฉลาดหาสติคนโง่าหาสตางค์เจ้าขาลงเขาสตางค์เขาพูดว่าจิตจิตก็วุ่นวาย ถ้าสติแล้วจิตก็สงบจิตก็จะมีความสุขสาธุเจ้าคาะหลวงพ่อเจ้า่ะสาธุสาธุเดียวมีอะไรจะถามไหมเดียวไม่มีครับไม่มีอะตนนี้ไปไหนกันเลนะนั่งอยู่ในรถอยู่นะรังเงยลงเรียนอยู่เลยเจ้าค่ะที่ว่าโรงเรียนปิดแล้วเปิดมาแล้วหรือยังไม่ติดเลยครับยังไม่ถึงปิดจูนนะนะไม่สามารถปิดจูนแล้วก็สจุลัย ที่นี่อยู่เกรด17นั่นแหละเกรด12ปีหน้าปีสุดท้ายครับปีหน้าปีสุดท้ายเราจะไปต่อใน่ไหมต่อเที่ยงกิษครับกโอเคครับพันธุ์ารเรียนหนังสือนะโอกาสที่จะได้เรียนสูงส่งนี้หายากเราโชคดีเกิดนามีพ่อแม่มีมีกําลังที่จะส่งให้ไปเรียนในโรงเรียนดีๆระดับนนาชาติได้นะ เอาใจเรียนไปก่อนเรื่องบวชเรื่องอะไรไม่ไว้ทีหลังก็ได้ถ้าอยากจะสนใจก็รอให้เรียนจบก่อนอย่างนี้นไปที่ท่านต่อไปนะคุณอนุมาแก้บวบัวอยากวัดปามันตะ้งมีภาพวัดปามันตั้งเที่ยวในหลวงต า, ารัศกา่าค่ะสวัสดีกาลยานามิทุกท่านค่ะวันที่สิบห้าเขจะมีงานอะไรบ่าวันไม่ไม่มีเจ้าค่ะืค่ะเป็นวันที่หลวงตาประกาศไม่ใช่ใช่ไหม ที่ท่านบรรลุธรรมที่วัดออดอยธรรมเจดีวันนี้ก็วันที่หลวงตาบวชบวชที่วัดโยธานิมิตรเจ้าค่ะเ อ, อวันนี้มีคําถามไหมไม่มีเจ้าค่ะร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะสาธุไปที่ท่านต่อไปคุณครูชัยพรคุณครูอยู่ที่ไหนมนจากที่ไห น, นสงสาพระอาจารย์ครับหลจากสาแก้วครับ <Okay. S 2> ครับวันนี้มันมีคําถามค ร, รัอาจารย์ครับมาร่วมฟังธรรมครับได้เนื่องอขอไปที่ท่านจากไปเลยคนเต๊กกมอนนะคนกมอนใชค่ครับมาตรการครับอาจารย์ครับพอเพิ่งมาร่วมฟังธรรมครั้งแรกครับมาจากที่ไหนอยู่ที่ระยองครับที่ระยองนะไม่มีคําถามใช่ไหมไม่มีหรือเปล่าก็วันนี้หลายคนครับก็ ไวโอกาสหน้าีกว่าครั บ, นนมบผมได้เดี๋ไปขอที่ท่านต่อไปคุณจอยคุณจอยก็อยู่แถวพัทยาในนี้ยายไปหนึเท่นะรัสกาค่ะมีอะไรไหมวันนี้นึทักทายก็หนูอยากหนูสงสัยว่าถ้าเราจะถือสิบแปดนะคะเรานับเรานับเที่ยงวันหรือว่าเที่ยงเที่ยงวันวันนั้นหรือว่าตอนเช้าครัอ๋อไม่ตอนเช้าต้องตามที่สวัสดิ์ เริ่มจากมิดไปสว่างอ๋อเริ่มตัแต่หกโมงเช้าใช่หมคะใช่ต้องคือวันวันวันนี้ตามพุทธศาสนาจะนับตอนตอนตอนเอารุ่เฮ้ยทุกสายอย่ตอนที่พรที่ขึ้นมา๋กดว็นะคะพอพระที่ขึ้นมาก็เป็นวันเริ่มต้นวันใหม่แล้ววันต่อไปก็ต้องรอให้วันใหม่นี่ีคุยเตยคุยคุยทางนี้ไมมย ก็สวัสดีครับคุณสวัสดีครับแจมส์คอ่าหวัดดีครับสบาย ด, ด, ดีนะสบายดีค่ะแต่ว่าดื้อเหมือนเดิมค่ะอะอาเราไม่ไดเปลี่ยนเนงี้ยเป็นกับสถานที่หรอกแล้วเปลี่ยนจามกับสถานที่ได้กัน ด, ดีย้ายที่กันครับหนูก็หนูก็ลังเลอยู่ค่ะเพราะว่าโรงเรียนยังยังย้ายไม่ได้เลยค่ะเน<ด>ีเพราะว่ามันเป็นโควิดโรงเรียนก็หาที่ลงไม่ได้อะค่ะ ก็พยายามติดต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ไตอนนี้ยังไม่เปิดอยู่ดีร้านมันเปิดขายก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็ได้ได้ไดฝึกปัญญานะคะเหมือนกับว่ามันมีความทุกมาเยอะๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากความทุกว่าเนี่ยแหละมันทําให้เราไม่อยากกลับมาเกิดอะไรเงี้ยค่ะอ่าดีมันได้ความความรู้สึกว่าเออมันทุกทุกจนเราสึกว่าโลกมนุษย์มันทุกข์เหลือเกินอะไรเงี้ยค่ ะ, ะก็ได้ฝึกฝึกตลอดเลยค่ะได้ ก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่นนั่นถึงยากลับถึงจะกลับไม่ไม่ไม่กลับมาเกิดใช่ค่ะเนื่ยหนูขายของหนูเอาไปขายของกับน้องหนูก็หนูไม่หนูไม่ขายหนูก็เลยกลับมามาคุยกับหลวงพ่อก่อนค่ะเอฝากให้น้องขายแทนโอเคไม่เป็นไรนะค่ะไม่มีอะไรค่ะโอเคก็ชูต่อไปนะอดทนนะรักธรรมธรรมนะธารมโลกนะค่ะสาธุ อดทนขันติแล้วก็วิริยะบางกระยานะจะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางได้โอเคนอะที่ท่านต่อไปใครอะไรวังได้จึงเบาแบบเช่น <c oughs> ได้ได้ยินไหมคะได้ยินอยู่ที่ไหนเจ้ค่ะ ยอยู่สุโขทยเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้เปลี่ยนบุ้งโยไม่มีอะไรเจ้าค่ะโยมากล่าวมาสักการพระอาจารย์แล้วก็มามาฟังญาติธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่มีอะไรเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมาเล่าฟังหรือมีไหมไม่เป็นไรเจ้าค่ะเดี๋ยวรอครั้งหน้าแล้วกันเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะพระคุคุณชุักดิคุณชุักอยู่ที่ไหนบุ้ง สวัสดีครับอยู่ปทุมธานีอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินอาจารพูดเลยมีอะไรจะถามไหมก็ช่วงนี้ก็ภาวนาแบบว่าอกําหนดจิตให้เป็นเวลานั่งสมาธิก็กําหนดให้ไฟมันเผาตัวเองนะครับเผาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ดีแล้วทําให้จิตสงบไหมล่ะใช่ครับมันก็สงบไปมันก็นั่งได้เรื่อยๆครับเพราะว่าว่า เราเหมือนเราฝึกตายอยู่ทุกวันครับอาจารย์ลองลองกำหนดไฟให้มันเผาจนกระทัท่งร่างกายนี้มันสุดออกไปกายเป็นที่เท่าครับบางทีก็ทําได้บางทีก็ทําททไม่ได้ครับ อ, อว่า ม, มัน ท, <ำ S 2> มทําได้จิตมันจะรวมเข้าสู่ความสงบนะก็มันก็รวมอยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับถึงกับรวมเป็นลงไปในฐานของมันครับอาจารย์ ก็มันยังสติยังไม่พอเราพยายามกําหนดไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่เราฝันแต่ว่าเราภาวนาในฝันอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์แล้วจิตมันรวมแล้วมันมันรู้สึกว่าตัวเองมันหมุนเหมือนมันเป็นลูกคางหมุนไม่หยุดอย่างเงี้ยครับอาจารย์ใช่ลูกเฉยๆลูกไปตามตามเป็นที่อ๋อครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยอ ะ, ะมันนานๆจะเกิด เวลามันเกิดก็ให้รู้ว่ามันเป็นไตลักอะไรเป็นอะไร น, นี่จังไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ให้รู้เฉยๆปล่อยมันไปตไปไปามเรื่องมันแต่ว่าก็ปฏิบัติถ้าอย่างนี้ก็ถูกแล้วใช่ไหมครับถ้าว่าถูกก็ไม่รู้จะถูกป่ะคือถ้ามันจะถูกมันต้องสงบท่านทำใจให้มันสงบจิตงอมให้มันนิ่ง และยังไม่ถึงจุดนั้นก็ก็ต้องมีสติคอยควบคุมต้องมีพุโทโธพุโทโธแล้วมีลมหายใจดูลมหายใจอย่าอย่าให้จิตไม่มีอะไรควบคุมะแต่ถ้าถ้าเป็นเรื่องอยู่ที่อยู่ในความฝันก็ตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของของของความฝันตอนนั้นก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมไปครับเข้าใจนะเข้าใจครับ โอ okay. เคท่าน ต, ต่อไปอคุณออฟหรือคุณออฟธาภาให้ไหมเชนกรรมนมาสการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะพระอ า, าจารย์มีอะไรจะถามไหมมค่ะขอถามข้อหนึ่งได้ไหมครับได้โยมปฏิ บ, บัติแอก็นั่งภาวนามาประมาณทุกครั้งก็จะนั่งครึ่งชั่วโมง ตั้งนาฬิกาปลุกอะค่ะอาจารย์แต่มีวันหนึ่งโยมก็ไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกก็นั่งยาวชั่วโมงหนึ่งก็คือไม่ปวดเมื่อยอะไรเลยอะค่ะทีนี้พออีกวันหนึ่งที่โยมนั่งอะค่ะรู้สึกว่าหูมันไม่ค่อยได้ยินมันจะตักมาขอะอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ามันมืดทั้งหน้าค่ะแล้วลมหายใจมันจะเผ่าเบา นะะพระอาจารย์แต่โยมกลัวที่จะเห็นอะไรยมเลยถอนออกมานะคะพราะอาจารย์ไม่ต้องกลัวหร อ, อย่าเห็นอะไรก็ให้ถ้าเราดูลมก็ดูลงไปไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่เราเห็นมันเป็นภาพลวงภาพหลอกมันไม่ได้เป็นของจริงทํทำต่อไปใช่ไหมครับทําต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้าพูดโตก็พูดโตไปไม่ต้องไปกลัวเลยรสิ่งที่ปรากฏขึ้นมามันทําอะไรเราไม่ได้ แล้วโยมก็ชอบจิตชอบคิดว่าเวลาลืมตาแล้วกลัวจะเจอผีอะค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยกลัวลืมแบบกลัวไปได้ติดมันยังไม่หายอ่ะค่ะพระอาจารย์เวลากลัวแค่ท่องพุโทโธพุโทโธไะอ่ามันติดอยู่ตรงเนี้ค่ะสองปีที่โยมทําห้างค่ะนอลองท่องพุโทโธพุโทโธไปแล้วไม่ต้องไปกลัวอะไรอะไรจะเกิดข็้มนเกิด นันแค่นี้นะคะพอาจารย์ไม่ต้องกลัวเราก็สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรามันทําร้ายเราทําลายเราไม่ได้ทําลายเราไม่ได้ตัวที่ทําลายทําเราได้ก็คือความกลัวนี่นะ้วลาเกิความกลัว เ, เราต้องเราต้องทําลายมันก่อนเราต้องใช้พุดโธ้พูดโท้พูดโทําลายอีกข้อหนึ่งนะคะบางทีโยมนั่งอยู่แล้ภาพมันจะขึ้นมาเป็น มันไม่ใช่นิมิตนะคะมันเป็นภาพแวบๆมาคะ่ะมันคืออะไรสนใจไม่ต้องสนใจมันก็เป็นเรื่องของจิตผลิตเรื่องาราวเหล่านี้ขึ้นมาเองค่ ะ, ะยมพ่อคนี้แหล ะ, ะเพราะว่ายมก็ติดตามฟังอาจารย์มาสองรอบแล้วค่ะก็เลยอยากจะเอาตรงที่ติดนี้ไปพยายามอยู่กับพูดโธรไปนะถ้าใช้พูดโธรก็พูดโทไปถ้าดูวมดูรวมไปอ ะ, อ, ะอะไรจะโผล่ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจมนะัน Okay, โอเคนะก็ใบเขาแล้วถามหน่ย น, น, นะคะโอเคงั้นคุณกุ้งต่อเชิญคุณกุ้งกุ้งเปิดไม้ก่อนจะอันยิน้วก่นนี่ใช่ไหมคะเออใช่ <c oughs> นมัส ก, การค่ะอ า, าจารย์ครั้งแรกนะคะที่เข้ามาอยู่ที่อําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังง า, างค่ะเอเอมีอะไรจะถามไหม ก็คือว่าเออก็ปฏิบัติมาตลอดนะคะก็ถ้ามีเวลาก็จะกลางวันชั่วหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลางคืนก็หนึ่งชั่วโมงนะคะเรนี้ปฏิบัติมากออ็มีวันหนึ่งก็คือว่าคือระหว่างปฏิบัติไปก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้แล้วก็ในระหว่างที่นั่งสมาธิก็จะวังธรรมะไปด้วยแล้วก็ บดีบางเอินวันนั้นฟังธรรมะเกี่ยวกับรวมรวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็พอฟังไปแล้วรู้รู้สึกว่าคือคำมันก็รู้สึกว่าเ อ, อเข้าใจในในในในคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างคือเหมือนกับว่าไม่ไม่มีอะไรที่ติดขัดสงสัยเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ารักในพระพุทธเจ้ามากนะคะแล้วก็น่าตื่นเต้นขเขาพ่ะย่ แล้วก็มีความสุขว่าเอรักในพระพุทธเจ้ามากนะคะแล้วก็ที น, นี้มันก็มีคำหนึ่งขุดขึ้นมาว่าออไอ้อคำที่ว่ารักสุดหัวใจอะค่ะแล้วก็เ อ, อด้วยความที่ว่าเคยฟังบทสวดของได้เคยฟังธรรมะของหลวงตาม ah หาบัวบ่อยแล้วก็หลวงตามหาบัวจะจะพูดคํานี้บ่อยว่ารักพระพุทธเจ้าสุดหวัวใจีแล้วก็ไอ้คาไอ้ความรู้สึกนี้ค่ะมันก็มันก็ขึ้นมาว่าไปเข้าใจหลวงตามหาบัวเขาว่า ไอ้คำว่ารักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไงคือแบบรักแบบว่าหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้อะค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็แล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าคือมัน ค, ค, คือคิดไปเองหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยค่ะเรู้สึกแล้วก็สังเกตดูว่ามันถ้ามันคิดไปเองเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้ถ้ามันไม่เปลี่ยนก็แสดงว่ามันเป็นของจริงไม่เปลี่ยนค่ะแล้วก็มีอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าปิดแล้วก็เอ า, อารมณ์ อย่างเนี้ยค่ะอยู่มอยู่หลายวันค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วก็ในระหว่างวันมันก็จะมีมันก็จะมันจ ะ, นจะขึ้นมันจะขึ้นมาเองนะทั้งที่ก่อนหน้านี้จ ะ, จะไม่เคยจะไม่เคยท่องเลยค่ะจะมีว่าพุทธัทงสระนังพระฉามิทำมังสระนังพระฉามิสั่งทางสาระนังพระฉามิพอมันขึ้นมาในสติปุ๊บจะมีความแล้วก็ตัวเองก็จะย้อนกลับไปดูจิตอะค่ะก็จะไปเห็นจิตมีความรู้สึกว่าตื่นเบิกบานทุกครั้งที่คํานี้ ที่ว่าพูดทางสนดงธรรมงสนดงขังถังทางสนดงขึ้นมาค่ะเรากลายเป็นว่าทุกวันนี้ก็คือทุกครั้งที่ว่างที่ว่าไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไปคิดเรื่องงานหรือว่าทําอะไรนะคะที่ว่าว่างปุ๊บจิตมันจะดีดไปไปไปท่องโดยอัตโนมัติทํางานเองโดยอัตโนมัติอะค่ะมาอยู่กับคทำทําพุทธธรรมเนี่ยค่ะก็ดีแสดงว่าจิตเราฝ่ายไฟธรรมนะไฟธรรมค่ะแล้วก็ช่วงหนึ่งก็ทําจนจนมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเอ้ยก็ก็อยากจะ อยากจะเหมือนว่าอยากจะหลุดพ้นอยากจะไปอยากจะไปบวชอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าลูกยังเล็กก็ก็มีเก้าขวบคนหนึ่งห้าขวบคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนกับว่าเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราแล้วก็ทําบ้านให้เป็นวัดอ่ะค่ะก็ปฏิบัติไปแล้วก็อยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วก็จะพยาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราค่ะ <c oughs> ก็เออช่วงสงสามวันนี้ก็ มานึกยังไงไม่ทราบเหมือนกันก็ลงมานั่งนั่งสมาธิเพสอะค่ะพอนั่งแล้วทีนี้มีความรู้สึกว่ามันทรมานเจ็บปวดมากแล้วก็แล้วก็มาพิจารณาร่างกายค่ะว่าเนี่ยมันมาเห็นความไม่เที่ยงอะค่ะว่าร่างกายเราอะมันมันอยากจะเจ็บมันก็เจ็บมันอยากจะหายมันก็หายโดยที่ว่าเราไปบังคับมันไม่ได้เลยมันมันให้เห็นว่าเนี่ยไอ้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของของเราอะค่ะแต่อารมณ์นี้มันมันไม่ได้ขึ้นมาตลอดนะคะมันเป็นช่วงช่วงอะค่ะก็พยายามทำให้มันเป็นตลอด การที่โดยเฉพาะเวลาที่เกิดอะไรต่อร่างกายเราต้องสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้อย่าไปทุกข์กับร่างกายก็ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเจริญมรณานุสติหรือเปล่าคะก็เป็นการเจริญปัญญาเจริญอนิจจังเจริญานุสตาก็เมื่อเมื่อวันก่อนนัคือพอนั่งนั่งหลังจากนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงใี่นะคะแล้วก็ ฟังธรรมะของหลวงพ่อพุธไปด้วยแล้วทีเนี้ยระหว่างพอครบหึงชั่วโมงปุ๊บยังยังฟังต่อเนื่องแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออยจะเกิดความรู้สึกว่าอยากฟังต่อก็เลยเอนกายเอนกายเอย่เ อ, อนอนฟังนะคะหลับตานอนฟังเลยเนี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองลืมตามไม่ได้พอลืมตามไม่ได้แล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเห็นเจ้ากรรมนายเวนะคะ่ะหลวงพ่อไม่รู้ว่าแบบคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าพยายามลืมตามลืมเท่าไหร่ก็ลืมไม่ได้แล้วก็เห็นเห็นเห็นเหมือนกับ หน้าแบบรูกตาคนนี่แบบตายแดงๆแล้วกโกรธแค้นเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วความรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นแบบเจ้ากรรมนายเวรมาเกาะเราอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็แล้วก็หายใจแบบแรงมากเหมือนคนจะตายแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าเอา่อความรู้สึกถึงลูกแต่ว่าไม่อะไรอาวรนนะคะไปไปเห็นความรู้สึกเป็นว่าเป็นภาพลูกลูกขึ้นมาแต่เราไม่มีความอะไรอาวรนในลูกเลยแล้วก็พอพ อ, พอเรื่องนี้เหมือนกับว่าเรายอมตายแล้วค่ะก็คือตอนนี้คือแบบว่าต า, ายก็ตายแล้วก็มา มาดูลมหายใจมาดูมาดูจิตอะคะ่ะตอนนั้นพอพอมีความรู้สึกอย่างนี้ปุ๊บทีนี้ไอาอารมณ์ที่หายใจหายใจแรงเหมือนจะตายแล้วก็ที่ว่าลืมตาไม่ขึ้นนะคะมันก็ค่อยๆแผ่วเบาเบาเบาจนแบบว่าลืมตาขึ้นมาได้ะคะ่ะพ่อก็เป็นอาการอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติใกล้ใกล้รู้กันออค่ะแล้วก็เรียกว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วไม่ต้องไปคํานวณกันแล้วก็ที่ปฏิบัติมารู้ตัวเองว่า มันก็ว่าตัวเองอติดในเรื่องของความกลัวเหมือนกันนะคะคือมันก็บางทีเกิดความอยากเหมือนอย่างเช่น ว, ว่าเออเออกังตอนเช้ากลางวันพอมีเวลาปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะกลางคืนหนึ่งชั่วโมงเสร็จมีความรู้สึกว่าอยากจะคือคืออยากจะเป็นเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ที่แบบว่าเนี่ยที่ท่านได้ถึงพระนิพพานหรือว่าอะไรเงี้ยเราอยากจะไปถึงตรงนั้นแต่ว่าในสิ่งที่เราทําเหมือนเราโยโย่แย่แล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะไปถึงอะเลยนี่มีความรู้สึกว่าใจอยากจะปฏิบัติ แต่ว่าความกลัวค่ะเฮตื่นมาทีสี่ทีห้าแล้วแบบว่าเหมือนกลัวค่ะใจอยากแต่ว่าก็ไม่ได้ทําสักทีหนึง่งก็เลยรู้ว่าเราว่ารติดตรงนี้เนี่ยค่ะติดเรื่องความกลัวก็พิจารณาความตายไปเลยว่าอย่างมากก็แค่ตายแล้วเมื่อถึงเวลาตายก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ดี<ช>ถ้าจะถ้าจะตายเพื่อปฏิบัติธรรม<ๆ>กย็ยอมตายเพื่อปฏิบัติธรรมดีกว่าตายเพื่ออย่างนอื่นตอนนี้ก็พยากก้อน พยายามน้อมอย่างนี้ค่ะค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังยังจะเหมันก็ว่าใจมันยังไม่น้อมไปเท่าไหร่แต่ว่ามันมันก็มีคิดเข้ามาเหมือนกันนะคะว่ายอมตายเพราะว่าอจาจารย์ครูบาอาจารย์ว่าเออคือตายเป็นตายในการปฏิบัติให้รู้ไปแต่ก็แต่ก็มันยังไม่เข้าถึงใจค่ะมันยังแบบยังกลัวเ ข, เขาต้องใช้พุทโธช่วยแล้วท่องพุทโธพุทโธค่ะและ้วก็ที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ก็คือก็ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆใช่ไหมค ะ, ะพยายามเจริญสติให้มากๆพุทโพุทโธให้มากๆ ค่ะแล้วแล้วที่ว่าจิตทํางานเองก็คือที่ว่าเป็นพุทธทางสาระนังตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะก็ได้ใช้พุทธทางสระังกระฉามิธรรมสาระนังกระฉามิแทนก็ได้เหมือนกับว่าคือจิตเขาจะทํางานของเขาเองอ่ตโนมัติค่ะหลวงพ่อบางคืบางทีบางคือีควารู้สึกว่าสติตามไม่ทันนะคะบางทีสติเหมือนกับว่าพอมารู้ตัวที่เอมันคิดมันนําหน้าไปก่อนแล้วค่ะได้ได้ใช้พุทธทางสาระนังกระฉามิก็ได้ค่ะค่ะมี่ทํามเท่านี้ค่ะหลวงพ่อโอเค ให้มีอะไรหรอให้มีธรรมะหรอที่จิตใจนะพุะทางสารนังประชามีก็ได้พุโทโก็ได้อันนี้ชงทุกขออ์ขามันตาตาก็ได้ค่ะก็ก็ตอนนี้ก็พยายามพิจารณาโมรนานสติอะค่ะแล้วก็จบค่ะโอเคนะค่ะรรค่ะคนมัสการค่ะคนมวนทาเชิญคนมวนทาอยู่ที่ไหนค่ะรู้ดได้คุณได้แล้วได้อยู่แล้ว แบกเย็นแล้วนะค ะ, ะา ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็อยู่ชมรมค่ะแต่วันนี้ออกนอกสถานที่มาอยู่วิเวกตามที่พระอาจารย์ได้ได้ให้กําลังใจนะคะคราวที่แล้วบอกว่าให้กลับมาอยู่กับความสงบก็เป็นช่วงดีที่ช่วงนี้โควิดก็มีโอกาสได้ได้มีเวลามาตอนนี้มามาสงบกายสงบใจที่ที่วัดค่ะค่ะเาะ่็ก็เทวด ที่ก็ก no. like, ็ได so, so yeah. so ้หลายวันแล้วค่ะก็จะเป็นสิบวันแล้วค่ะก็ก็เลยวันนี้เข้ามาก็มีแบบว่ามาอยู่ในที่ที่สงบมันก็เกิดสภาวะขึ้นนะคะอาจารย์ว่าก็ก็ได้ยินเสียงเราเรานั่งสวดมนต์เนี่ยค่ะแล้วตอนช่วงระแผนนมทตาอาจจะเป็นด้วยสถานที่ด้วยมะคะว่าการที่เราได้ยินเสียงเทวดาไม่ขอโทษค่ะไม่ใช่เป็นเสียงพระอ่ะค่ะ ก็ให้รู้ว่าเป็นเสียงอย่าไปว่ามันเป็นเสียงอะไรค่ะแต่ว่าเราก็จะได้เสียงมันเป็นเสียงสดมนที่ที่ต่อเนื่องแต่ว่ามันก็จะดังขึ้นดังขึ้นแต่ว่าแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ในสถานที่ที่เราเราปฏิบัติอยู่เพราะเรานั่งสมาธินัมันมีเสียงนอกมีเสียงในก็ถือว่าเป็นเสียงเหมือนกันเป็นเป็นใต้รากเหมือนกันค่ะแล้วก็พอตัวเองได้สังเกตนะคะก็จะเกิดจากการสังเกตว่าเรามาอยู่ในความสงบในการวิเวกครั้งเนี้ย คือเห็นจิตของตัวเองอยู่ในสภาวะที่ที่มันจะเหมือนตกอยู่กับใช้คาว่าผวังได้ไหมคะอาจารย์ผมไม่สามารถจอธิบายว่าคือมันจะอยู่แบบเราจะนั่งนิ่งๆแต่เราก็สามารถที่จะรับรู้รู้สึกกับสิ่งที่สภาวะนั้นโดยที่มันมันเป็นเหมือนแค่ผ่านเรามาแต่ใจเราเนี่ยมันรับรู้ได้แต่มันไม่ไม เ, เข้าไป่งใช่ค่เใช่ค่ะแต่เบคคาเบคคาโอค่ะ มันไม่มีการปรุงแต่งแต่ว่าแต่เราก็รับรู้กับสภาวะนั้นแต่มันไม่ได้กําลัง ต, ต, ตัวเองกําลังสงสัยกับคาว่าอัตุขคมสุอะค่ะพระอาจารย์ขอะะข อ, อ, ข, อ, ข, อขอให้พอาจารย์ช่วยแบบให้ความกระจ่างโดยเฉพาะตัวเองที่ว่าอาจจะมีการเทียบพอใจของตัวเองว่าเอ้มันอยู่ในส่วนของสุขทุกข์อย่าเราเห็นชัดนะนะคะแต่อทุขคมาสุเนี่ยยังไม่ค่อยกระจ่างขอความเมตตาของพอาจารย์นะอ๋ออัุกรมสุกรรมนี่มันเป็นกลางๆาระหว่างระหว่างสุกแลระหว่างทุกข คือมันไม่สุขมันไม่ทุกข์ถ้าเปรียบเทียบ ว, ว่าคือเวลากินข้าวอิ่มมันก็สุขเวลาหิวข้าวมันก็ทุกข์เวลาที่มันไม่หิวมัไม่อิ่มก็เรียกว่ามันเป็นกลางๆทุกข์กับมาสุขครับเวทนาอันนี้เป็นเป็นเวทนาแต่ที่เราพูดถึงอุเบกานี่เป็นอีกอย่างหนึ่งอุเบกานี่คือใจนิ่งเฉยไม่มีอารมณ์กับอะไรนี่เรียกว่าอุเบก้า แล้วอารมณ์ใจตรงที่เกิดจากความที่เรามาอยู่ความสงบมันเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างเนี้ยถ้าถ้าเราต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับโลกในความเป็นจริงที่เราต้องผัดจับเอาตลอดเวลาเนี่ยเราจะประคองใจค่ะตรงนี้ได้ะค่ะใช้สติคอยประคองไว้พยายามคอยหยุดความคิดอย่าให้มันคิดอืคิดให้น้อย ยังไงมันก็จะหายเพ ร, ราะว่ามันไม่สภาพแวดล้อมันไม่อ้อที่จะทำให้มันสงบเหมือนตอนที่เราอยู่คนเดียวอนอกจากว่าน อ, นอกจากว่าสติเรามีกำลังมากพอที่จะควบคุมมันได้ถึงแม้เราจะย้ายสถานที่เราก็ยังทำให้จิตมันเป็นอุเบกขาเนิ่งเฉยได้ ครัอาจารย์คะมันเหมือนแบบว่าเวลาหนูก็เํามาเทียบนะคะพอเราอยู่กับตัวเองเราก็ได้ทํากันบ้างกับใจตัวเองว่าเมื่อตอนเราอยู่กับโลกด้วยความที่เราจะต้องมีธุ ร, ปประปับปังในการต้องใช้ใจในการอยู่แต่พอเรามาอยู่กับความสงบมันมีการทมแพร่กันว่าถ้าเรากลับไปอยู่ในโลกแต่ว่าใจเราค่ะมันเหมือนแค่รู้แต่ว่ามันก็แค่กัดมันมันจะกลับมาสู่กับความสงบได้มากขึ้นมากขึ้นมันจะอยู่อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ใช่ก็ก็น่าจะพยายามทำใจให้เรารู้เฉยๆแล้วอย่าไปปุุงแต่งกับอะไรที่เราสัมผัสรับรู้รูมันมาแล้วก็ผ่านไปค่ะนะคะขออนุญาตอีกคาถามค่ะคำว่าสมัยะวิมุตคือความเป็นของชั่วคราวนี่เป็นยังไงคะอาจารย์คะหยุดพ้นชั่วคราวเนี่ยคือหยุดพชั่วคราวก็หุดพ้นด้วยด้วยด้วยสติเนี่ ในเวลาเราเข้าสมาธิทิ้จิตก็สงบความทุกข์ต่างๆก็หายไปหมดชั่วข่าวพอเราจากสมาธิมาปั๊บพอจิตปรุงแต่งก็เกิดกิเลสเกิดความอยากความทุกข์ก็กลับมาใหม่อันนี้เรียกว่าเป็นความหลุดพ้นชั่วข่าวถ้าจะหลุดพ้นแบบท้าวอต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาเพราะปัญญานี่จะพิจารณาเห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะหยุดความอยากอย่างทาวอนได้ เอาความอยากหยุดท้าวอนความทุกข์ก็จะหยุดอย่างถาวอนตามมาหยุดพ้นอย่างถาวอนด้วยปัญญาหยุดพ้นชั่วข่าวด้วยสติมันชั่วข่าวชั่วข่านี้ใช้แค่สติใช่ไหมใช่เวลาเราฟังพุทโธแล้วนั่งสมาธินี่มันก็สงบเราก็หยุดพ้นจากความทุกข์ได้ชั่วข่าวเมื่อเราออกจากมาเอาจากสมาธิมา ไม่มีสติป้างเนี่ยความอยากก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็ตามมาก็แปลว่าเราต้องพิจารณาด้วยให้เกิดปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ให้ชัดเจนใช่ให้เนจริงที่เราอยากได้เป็นทุกข์ฉันอยากได้ใช่ใช่ใช่ใช้เพรามันไม่เที่ยมถตงเวลาอยากจะมีแฟนเราก็พิจารณาแฟนไม่เที่ยมนะเดี๋ยวอยู่กับเราเดี๋ยวเขาก็จากเราไปนะเขาอาจจะทิ้งเราก็ได้ ถ้าเราคิอย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่มีแฟนดีกว่าหยุดความอยากมีแฟนได้ค่ะต่อไปเราเราก็จะ<อ>เราก็จะไม่ไปดูกาแฟอต่อไปเพราะเราจะไม่มีแฟนค่ะ ข, ขอบพระคุณผู้ใจมากค่ะโอเค okay, สาธุคงที่มาเชิญรู้สึกจะฟังอย่างเดียวคนที่มาเข้ามาคี่ครั้งาฟังอย่างเดียวค่ะค่ะ อ, อาออจารย์ฟังอย่างเดียวเหมือนเดิมค่ะโอเค ไปที่ ip, คนไ ด, ด้แพทต่อเลยรคนไ ด, ด้แพทยไม่ทราบอยู่ที่ไหนคนไ ด, ด้แพทเชิญต้องเปิดไมโครโฟนก่อนนะมันถ้ามีมีปผมให้อันเดิวอยู่ข้างหน้าตรงกลางข้างล่างอันดิวฮัลโหลครับรอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนได้ยินไหมครับรรอาจารย์ได้ยิน ครับอ๋อครับผมอยู่กรุงเทพครับมีคำถามไหมครั บ, ค, รบคือก่อนหน้านี้ผมอยู่ชนบุรีครับแล้วผมเอ อ, อาศัยอยู่แบบมันเป็นเอเหมือนเป็นอาคารพาณิชย์นะครับมันจะอยู่ติดถนนนะครับทีนี้เวลานอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีแบบเสียงรถเสียงลาอะไรบ้างนะครับแต่ตอนแต่ช่วงหลังมานี้ผมย้ายมาอยู่ในกรุงเทพ ผมก็จะมาพักในหมู่บ้านนะครับแล้วทีนี้ผมนอนในหมู่บ้านเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเงียบสงบมากเลยครับจะไม่มีเสียงรบกวนเลยแบบมันเงียบสนิทเลยครับมันอยู่ในหมู่บ้านทีนี้ผมก็เลยเหมือนรู้สึกว่ามันมันมันไม่ไม่ค่อยชินกับกับไอความเงียบขนาดนี้นครับผมก็เลยผมก็เลยเปิดเอ่อเป็นเสียงสวดมนเอ่อเอ่อเสียงเสียงสวดมนอย่างเงี้ยครับเปิดเบา เหมือนแบบเปิดเป็นเพื่อนจะได้แบบมันไม่รู้จะได้ไม่รู้สึกเงียบจนเกินไปแล้วผมก็รู้สึกว่ามันดีแล้วผมก็ผมก็หลับได้ฮะแต่ทีนี้ว่าเวผมเปิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนผมจะชินต่อการที่ว่าเวลาผมจะนอนเนี่ยผมก็จะต้องตะสวดเอ่อเปิดบทสวดมนต์เบาๆเพื่อที่จะได้เหมือนแบบมีความรู้สึกว่ามันมันได้เวลานอนแล้วอย่างเงี้ยครับไม่ทราบว่ามันจะมีมีผลอะไรบ้างอเปล่าครับ ก็ทําให้เราต้องเพิ่มมันไงล้วเกิดวันไหนเครื่องอแม่นเสียเราก็จะนอนไม่หลับอ๋อครับก็เราก็ แ, แทนที่จะใช้เครื่องแม้นเราก็ส่วนเองดิเราสวดเองก็ได้อ๋อหรอครับส่วนเองเล้วอ่าส่วนเองเป็นไรเราเดี๋ยวก็หลับไปกับการสวดไปเลยก็ได้อืมครับครับครั บ, ร บ, รบทีนี้ผมชินชินจะต้องแบบใช้เปิดเปิดเป็นเสียงเปิดฟังก็สลับกันเลยเลยเปิดเปิดฟังแปล้วเครื่องหนึ่งแล้วกลองสวดเองเครื่องหนึ่ง อ๋อครับครับครับครับครับอืมแล้วต่อไปแล้วก็ส่วนเองได้พระเราต้องคิดว่าสักวันหนึ่งเครื่องมันเสียหรือไฟดับหรือหายไปเครื่องหายไปแล้วเราจะทําไงเนี่ยก็นอนไอ๋อครับครับอย่าไปเพิ่มอย่าไปเพิจะต่อไปนบเพิ่งตนเองอ่อนใดีอนนานครับครับครับอ๋อครับอ่อนใจนะครับครับครับคับกราบน้มัสการ หลวงป้าจาครับครับขอพบครับท่านต่อไปนะุณตั้งตั้งผาสุภไปบูร์นนะจาลูกชายแล้วลูกหญิงเนี่ยาเปิดครับรถ่ายน้าการหลวงพ่อครับได้ยินไหครับได้เย็นอยู่ที่ไหนเล่นไม่ค่ยเป็นนะครับึบงหัดเล่นอยู่<น>จงังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกนะครับรถ่ายน้ำการหลวงพ่อ อันนี้ลูกชายครับลูกเป็นคนตั้งหาตัวคนนี้ลูกสาวครับคนนี้วัดตั้งหตัวครับวัดตั้งคู่เลยนะอ้าวผมกาลังจะเข้านอนครับโอเคมีอะไรจะถามไหมก็ด้วยสงสัยเรื่องอันนี้หน่อยนะครับผลวงพ่อจะขอบุญฉาหน่อยเอ่อคือว่าที่ว่าพอดีผมฟังเพศจากพ่อมาที่ว่านะครับว่าวัด ปัญญาเกิดได้จากสามทางครับคือเกิดจากการฟังการอ่านแล้วก็เกิดจากการภาวนาครับทีนีน้ไอ้ปัญญาที่เกิดจากการภาวนานะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไงครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ได้อย่างไรครับคือปัญญาที่จะเกิดจากภาวนาได้นี่มันต้องเกิด้เบื้องต้นเราต้องมีสติทําใจให้สงบก่อนครับ เป็นสมาธิก่อนเวลาเรียนสมาธิแล้วเราก็คิดไปทางปัญญาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงยคิดอยู่เรื่อยๆ <S 2> <S 2> ดังต่อไปเวลาเราไปเห็นอะไรเราก็จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงเราก็จะไม่ไปหลงไปยึดไปติดมันเราก็จะปล่อยวางได้ไันอย่างนั้ก็คิดอยู่ แต่รพีแต่ว่าปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเ น, นี้มันขคิดด้วยสมาธิมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนไม่เหมือนกับปัญญาชนิดที่สองที่เป็นความที่เกิดจากความคิดเพราะะฉนั้นคิดโดยที่ไม่มีสมาธิการคิดโดยที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่สามารถปล่อยวางได้รู้ว่าไม่เที่ยงแต่ยังรู้ว่าลูกเราเนี่ยไม่เที่ยงแต่ก็ยังมปล่อยวางไม่ได้ ถ้าเกิดก็จากออกไปแล้วเขา ไ, ไปลอยไปนี่ก็หนึ่งเศร้าโศกเสียใจอ่แต่ถ้ามีสมาธิมีถ้าปัญญาเกิดจากเกิดจากการ ม, มีสมาธินี้มันจะไม่เศร้ามันจะเฉยเฉยคือมีสติเข้าไปจับจับตัวจิตหานั่นเองให้มันอยู่เฉยเฉยแม่ให้มันไปัญญามันก็เหมือนกับการนั่งสมาธิก็ทําให้เรามีสติ เพิ่มขึ้น ม, ม, นมีมีอยูเ่มนมีอเบคาร์กมีการวาเฉยได้วางเฉยได้ บ, บ, า บ, บาเาได้เร็วขึ้นใช่มีเบาแล้วเวลาเวลาเสียใจมันก็หยุดได้เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วครับแล้วแล้วอีกอีกข้อหนึ่งครับก็คือที่ผมยังสงสั ย, ย่ก็คือว่าอย่างตอนเรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะเกิดผุญได้ยังไงครับ บุญทีเกิดจากการการเจริญสมาธินะครับแต่เรานั่งหลับตายเฉยนะครับแล้วก็ภาวนาไปครับแล้วจะเกิดอะไรเกิดบุญครับที่เขาบอว่าบุญอย่างนั้นคือบุญคือความสุขใจโอ้ความสุขใจนี่มีอยู่สามแบบทํามีทำทานก็เกิดความสุขใจขึ้นมาครับรักษาศีลก็เกิดความสุขใจขึ้นมานั่งสมาธิทําใจให้สงบก็เกิดความสุขใจขึ้นมาตอนนี้เรียกว่าบุญมาก ภาคสุขใจบุญแปลว่าภาคสุขใจอิ่ใจครั บ, บโอเคนะครับผมสาธุครั บ, บท่นไม่ใช่ไอ o ฟนของเซนเนนต่อเลยคุณไอ h ฟ n e ซนเนนเชิญไม่ยินไหมพูดได้ไดะเชิพูดได้เล ย, พ, ดดเลยพระอาจารย์อยู่ที่<อ>ไหนขาครับผมอยู่สงขาครับเออเมรัยจะถามไหม อขออนุญาตถามสองคำถามครับแต่ก่อนก็พยายามฝึกนะครับในการตั้งสติมาตลอดนะครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาจิตมันมันมันกระเพื่อมออกไปนะครับมันก็ถูกความคิดอรือลากออกไปนะครับพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็ลากออกไปไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วสักพักหนึ่งนะครับถ้าเป็นเรื่องใหญ่มันก็จะดับไปเองอาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันนี้ พอใจมันมีอาการหมุนออกมาโดยที่ยังไม่ได้ให้ความหมายอะครับมันดับลงไปก่อนละนะครับพอมันดับลงไปก่อนปุ๊บมันก็รู้สึกดีแต่ทีนี้อมันเป็นไม่ได้ตลอดนะครับอันนี้คือคําถามที่หนึ่งครับมันไม่ไม่ถูกกลากออกไปแล้วแต่มันเป็นไม่ได้ตลอดนะครับก็มันเป็นช่วงหนึ่งที่เรามีสติช่วงไหนที่เรามีสติมันก็จะมันก็จะหยุดได้ช่วงไหนที่ไม่มีสติมันก็จะลากต่อไปได้ครับ นั่นเรฝึกสติให้มา ก, มากขึ้นไปเนื่อยๆเพื่อให้สติต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเลยและต่อไปมันจะคุมคุมความคิดต่างๆได้ครับทีนี้ขออนุญาตคําถามที่สองครับอ่าในตอนพิจารณากายนะครับผมไม่ทราบว่าเอ่าที่ฟังเทศของครูบาอาจารย์มากับของแต่ละท่านหรือว่าเอ่าคารวาสอะไรต่างๆเนี่ยการที่จะเห็นเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่ายังกรณีของผ ม, มนะครับผมจะเห็นเป็นบางขณะว่า เนื้อเป็นอันหนึ่งกระดูกเป็นอันหนึ่งคือมีกระดูกข้างในจริงๆอะครับมีกระดูกอยู่ในร่างกายจริงๆเป็นอันหนึ่งแต่มันก็เป็นไม่ได้ตลอดนะครับเห็นเป็นบางขนาดเท่านั้นที่กําหนดนะครับอก็พยายามกําหนดอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการท่องสูตรคูณเนี่ยท่องไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะจําได้ตลอดเวลาก็ทำพยายามนึกอยู่เรื่อยๆนึกถึงกระดูกนึกถึงเนื้อเองของร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะ มันก็จะอยู่กับใจที่อยู่อย่างตลอดเวลาได้ครับเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้มันเห็นแค่มันมันคล้ายๆว่าอ่อไม่ทราบว่ารู้ว่าในร่างกายเรามันมีกระดูกจริงๆนะครับแต่แต่ะตตดยคนมันก็จะจะจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะคิดว่ามันเป็นแท่งเป็นก้อนครับเพราะเรากําหนดน้อยเราไม่กําหนดอยู่ เ, เรื่อยๆพอช่วงไหนเราไม่ได้กาหนดมันก็กลายเป็นแท่งไปเพราะเรากําหนดมันก็จะกลายเป็นกระดูกพร้อมด้วยเนือ้อนังเอง็เป็นต้นครับ มีคำถามทักปุ่มพยายามเล็กอยู่บ่อยๆให้มันให้มันเห็นตลอดเวลานะถ้ามันจะได้คลายความหลงมันจะได้ไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายว่าสวยว่างน่ครับครับเข้าใจนะเข้าใจครับงั้นขอไปที่คนชุติมาต่อจากจังหวัดเพชบุรีเชิญค่ะนม่ใการหลวงพ่อค่ะก็มีเรื่องจะสอบถามสองเรื่องค่ะหลวงพ่อ เรื่องแรกนะคะก็คืออา่าจะเราจะปรับจะปรับใจยังไงค่ะกับเรื่องที่เราเจออย่างอย่างโดยมากก็คือปัญหาตอนนี้หลักๆก็อย่างเรื่องที่เราไม่ถูกใจอย่างเพื่อนใน Facebook ในเรื่องอย่างอย่างเช่นเรื่องอ่าการเมืองเนี้ยค่ะความคิดเห็นทางการเมืองแล้วจริงๆกเพื่อนก็ดีๆกันเนี่ยค่ะแล้วเหมือนแบบไม่เห็นเราไม่เห็นด้วยอย่างเขาแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างเราแล้วพอเหมือนเราไปอ่านเราไปเห็นอะไรพวกเนี้คอมเมนต์ความคิดเห็นเขาแล้วเรารู้สึกเราดิวกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะ เราก็ต้องสอนใจให้เรารู้ว่าคนเราไม่เหมือนกันไงถึงแม้ก็จะเป็นเพื่อนเราถึงแม้จะเป็นคนเหมือนกันแต่ทัศนคติไม่เหมือนกันคือเหมือนเป็นผลไม้เขาเป็นกล้วยเราเป็นส้มอย่างเงี้ยนี่เราอย่าไปหวังให้เข้ามาเป็นกล้วยกับเราเขาเป็นส้มเมบ่อไหร่เขาเป็นส้มไปเขามีทัศนคติทางการเมืองแบบนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเรื่องของเขาเราบังคับเขาไม่ได้เขาก็บังคับเราไม่ได้ ตามคนตามเป็นไปตามตามทัศนคติของตนคือก็ก็เข้าเข้าใจเนะน่ะผมว่าแต่เหมือนแบบพอพอดูแล้วมันหงุดหงิดในอารมณ์แล้วมันหงุดหงิดไปทั้งวันหงุดหงิก็ท่องพุทธไปเลยท่องพุทโธไปเลยพอมันหงุดหงิดปั๊บก็ท่องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หายอืมก็ใช้วิธีการเลี่ยงแบบอ่นกันโล่บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อไม่เห็นให้มันเหมือนแบบมารบกวนจิตใจอะไรจริงจริงก็รู้สึกว่ามันเป็นแก้ปัญหาที่ไปเหตุ ใช้พุโทโธเนี่ยมันจะไปแก้ที่ต้นเหตุทุกครั้งที่หงุดหงิดกับพุทโธพุทโธแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละ mm. เขาเป็นกล้วยเราจะไปให้เขาเป็นส้มได้อย่างไร mm. เดี๋ยวพอเข้าใจปั๊บต่อไปมันก็มันก็ปิ๊งขึ้นมาแล้วมันต่อไปมันก็ไม่ไปไม่ไปอยายกให้เขาเป็นเหมือนที่เราอยาก mm. เป็นเหมือนกับเราค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ อ, อฟัง ของพระอาจารย์ไพศาลมาค่ะที่พระอาจารย์ไพศาลท่านแนะนําเรื่องการแบบว่าให้เราวางไม่ให้แบบเดินผ่านหินไม่ให้หยิบหินขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้ไม่ให้แบกไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วให้วางอย่างอย่างเรื่องที่เราใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่อะไรต่างๆเนี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าวิธีการวางที่พระอาจารย์แนะนําเนี่ยต้องทํำยังไงก็เวลามันผ่านไปน้องก็อยากจะคิดถึงมันอ่า เตอนนี้อยู่บ้านก็อย่าไปเอ่อย่าไปคิดถึงว่เนาเวลาอยู่บ้านก็อย่าไปคิดถึงงานที่ที่บริษัทเนี่ยได้วอยู่ชีวปัจจุบันก็ไม่ปไปยึดไปติดกับอะไรด้วยไม่รู้เฉยๆว่าก็เป็นอย่างนี้มีหน้าที่อะไรทำของเขาก็ทําไปตามหน้าที่ค่ะ<ม>อย่าไปอยากจะไปหวังอะไรจากใครค่ะ ม, มันก็มันก็ถ้ามันได้ปล่อยวา่า เข้าใจนะค่ะเข้าใจค่ะหมดลวค่ะอาจารย์โอเคเท่านต่อไปคนวเวลาซิริเพิ่งเข้ามาเลยวเนี่ยเห็นกาวข่าวที่แล้ววันก่อนเมื่อวานนี้เข้ามาใช่ไหม้ไม่ได้พูดายาค่ะอ่าพูดได้เลยอาจารย์อ๋อเดี๋ยวนะคะยมปิดตรงนี้แป๊บนึงค่ะรู้สึกว่ามันมีเอชโว่ค่ะาวที่แล้ว าเมื่อวานไม่ได้เข้าค่ะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเลยแล้ไม่ได้พูดใช่ไหมเห็นเห็นเข้ามาบ้างแค่ไหนไปค่ะท่านพระอาจารย์คะยมยมมีคําถามค่ะคือยมก็ปฏิบัติเหมือนที่ผ่านมาตลอดพยายามรักษามาตรฐานไว้แต่ที่มันเพิ่มเติมมาคือยมรู้สึกว่ามีแรงมันเยอะมากเลยแล้วก็อาการของจิตนะคะท่านพระอาจารย์คือยมตื่นตลอดเวลาเลยค่ะยมรู้สึกตัวตลอดเวลา มีผู้รู้เกิดขึ้นจริงๆมันก็มีนานแล้วคะ่ะแต่ว่ามันมันเด่นชัดมากแล้วก็รู้สึกมากขึ้นตลอดเวลาที่ปากที่จมูกแล้วกลางคืนก็อาการของจีบก็คือสว่างแล้วมันเป็นคลื่นๆนะคะท่านพระอาจารย์ยมแทบจะไม่ได้นอนเลยความรู้สึกอะคะ่ะอ่าเรามีวิธีอย่างน้อยแบบสักนิดนึงได้ไหมคะให้ร่างกายมันได้นอนอะไรอะค่ะให้มันพักแบบโดยไม่ อย่าไปให้มันไปอยู่กับความสว่างอย่าไปให้มันไปอยู่กับผู้รู้พุโทโธใช่ไหมคะเดี๋ยวยมจะลองดูคะ่ะนอนเต้าพุโทโธไปก็ได้แล้วดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเวลานอนก็ดูหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเดี๋ยวสักพักมันก็หลับได้ ยมยมเคยลองค่ะท่านพระอาจารย์จากที่เคยมันเคยสว่างออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้วเวลายมแบบดูลมหายใจอะคะ่ะลมหายใจมยมเป็นท่อเลยค่ะเข้าออกเป็นเป็นท่อสีขาวอ่ะค่ะมันแบบว่าเออให้ดูค่เอย่ๆอย่าไปตามลมให้ดูที่ดูที่ทปลายจมูกดูจุดที่ปลายจมูกค่ะแล้วก็เดี๋ยวมันอาจจะต้องใช้เวลาให้ มันก็ปรับตัวให้เคยชินกับสภาพนี้นะคะ่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยนั่นนะคะ<ช>ยิ่ ง, งได้อย่างหนึ่งก็อย่าไปอยากหลับถ้ายิ่งอยากมันยิ่งไม่หลับเนี่ยดู ล, ลงไปหลับก็หลับไม่หลับก็อยู่กับมันไปไม่หลับก็ดีจะได้ภาวนาไปต่อค่ะยิ่งความรู้สึกตัวนี่มันจะเด่นชัดมาก<ช><ๆ>เลยค่ะท่านพอาจารย์รู้ที่ปลายจมูกค่ะใช่เพิ่มแบบคือถ้าไม่เคลื่อนไหวนะคะท่านพอาจารย์มันจะทันทีเลยค่ะมันจะรู้ตรงนี้เลยค่ะ ให้รู้เฉยๆให้รู้เฉยๆให้รู้เฉยๆเนนชัดมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยมนั่งฟังตอนตอนช่วงต้นของมิ팅อะค่ะมีหลายท่านที่ถามถึงอ่าที่พูดถึงการเดินจงกรมอะค่ะท่านอาจารย์คือยมจริงๆแล้วยมแทบจะไม่เคยเดินจงกรมเลยค่ะแต่ถ้ายมพอใจกับการนั่งมันโอเคใช่ไหมคะได้ไท่าไหนก็ได้ท่าหดก็ได้ค่ะมันสงบ ได้ดีแล้วลึกกว่าค่ะในความรู้สึกโยมถ้าเรานั่งได้ก็ไม่ต้องเดินก็ได้ที่คนเดินต้องเดินเพราะว่าเขานั่งไม่ได้ก็เลยต้องไปเดินค่ะค่ะนั่งได้นะ่ะดีกว่าเดินนะค่ะบางทีบางทียมก็ก็เปลี่ยนมั่งเพราะว่าบางทีนั่งทํางานทั้งวันแล้วก็มานั่งอีกอย่างเงี้ยค่ะโยมต้องออกไปเดินเล่นแล้วก็พูดโทไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ถือว่าเดินจยกยกลไปในตัวแล้วค่ะแค่แค่แเปลี่ยนให้มันแบบ เคลื่อนไหวแบบอย่างอื่นบ้างเลยคะ่ะก่อนอจะมานั่งอีกรอบหนึ่งใช่ ต, นะต้องเปลี่ยนว่าร่างกายนี้มันอยู่ในระยะหเดียบบอะไม่ได้หรอกค่มันมันไม่ไหวเหมือนกันคะ่ะแล้วก็แล้วเดี๋ยวเนี่ยคะ่ะทางภาคยุโรปเป็นวันหยุดยมขอมันหยุดไปด้วยจะได้หยุดยาวสี่วันแล้วก็จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่คะ่ะดีปฏิบัติได้มากเนาะมากเลยอ่ามีโอกาสมากมื่อไหร่ก็มีปฏิบัติเพราะเวลามันจะมีแต่หมดไปเรื่อยๆนะค่ะ แล้วก็อัปเดตอีกอย่างคือยมไปรับวัคซีนมาแล้วค่ะเข็มแรกของไฟเซอร์ค่ะของไฟเซอร์ไม่มีอาการอะไรใช่ไหมไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยค่ะนอกจากเจ็บตรงแขนนิดเดียวค่ะหมอเขาบอกว่าเข็มที่สองอ่ะจะออกอาการเยอะหน่อยค่ะมีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืดีโชคดีส่วนใหญ่ก็เป็นงนี้ทุกคนล่ะน้อยคนที่จะถือว่าได้รังวันที่หนึ่งมีอาการอะไรที่ไม่ดีค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ซื้อหวยแล้วไม่ถูกรางวัลกันนั่นแหะ กลับขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์โยมบอกคําถามค่ะโอเคยินดียินดีที่ได้ได้ควาเห็นนะถ้ปฏิบัติไปนะอย่าหยุดนะค่ะโยมมาบ่อยนะคะท่านอาจารย์บางทีแบบจริงๆถ้าพุธวันอ า, าทิตย์เลยค่ะแต่พอมันมึดคิวยาวเกินแล้วแบบเมันต้องกลับไปทํางานก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรส่วนใหญ่ก็รู้แล้วเนี่ยว่าต้องทําอะไรใช่ไหมค่ะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ส่งคําถามเป็น เปอร์ชันภาษา <3 S 2> อังกฤษคิวแอนเน่เดี๋ยวค <Q and S 2> <A S 1> ิแอนเน่ <and> บ้างก็ได้ค่ะโอเคนะขอบคุณค่ ะ, ะเดี๋ยวไปที่คนเอาิวันต่อเลยเพิวันอยู่ที่ไหนเปิดไลน์ก่อนจะอัานมิวก่อนตรงไหนหนูอ า, าอ ะ, อะ้องลาครับอัพไปแล้วเนี่ยพูดได้เลยเปิดใหม่ครับเปิดใม่ กฎหมาครับกฎหม่ครั บ, ดร บ, รบได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินใช่คุณอาจารย์ครับจากกาแพงเพชรครับอภิวัลคอ่ามีอะไรไหมคำถามว<อ>ันนี้ขอเข้ามาฟังในเฉยครับผมพรอาทิตย์ที่แล้วถามไปแล้วไม่งั้นก็ขอกลับไปที่เฟซบุ๊กเมืองตอนนี้ตอนมีน้ำพุ่มเน้ำพภูมอยากจะถามได้เลยเออน้ำพุ่มเปิดใหม่ก่อน สวัสดีครับกาบกับแมกับน้ า, ب, นามัสการนะครับเออมามีอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมปะอยู่ที่ไหนออตอนผมอยู่ปัตตานีครับ อ, อปัตตานี ค, นครับออมอออกครับ ม, มีคำถามไหมผมมีครับเออตั้งแต่ผมสวดในเออบทสวดที่ว่าที่ชื่อ คาถาชินะมันชอนนะครับผมสวดมาสองสามวันแล้วแล้วผมนอนหลับสบายฝันดีมันเกี่ยวกันไหมอ่ะครับเกี่ยวเกี่ยวเชิญนโนจิตก็จะสงบแล้วฝันก็จะฝันดีนะครับแล้วอีกนะพยายามสวดไปบ่อยๆอย่าทิ้งนะเอออีอีครับถามนึงนะครับขอไฟครับอาาีข้างถามนึงนะครับ เออผมผมตอนตั้งแต่ผมคำว่าปิติครับปิติตอนผมนั่งสวดบนบทตอนตอนผมนั่งสวดบนบทอะไรก็ไม่รู้ผมจะไม่ได้เพราะผมผมรู้สึกตอนสวดสวดเสร็จแรกผมปิติรู้สึกรู้สึกแน่นอก แล้วก็อยากร้องไห้อะครับก็ดีมันทราบซึ้งไงเวลาเกิดปิติมันบางทีก็ขนลุกซาบบางทีน้ำตาไหลือให้รูเฉยๆไม่เป็นไรเอครับอขอบขอบคุณครับาาขอบคุณครับพระอาจารย์ดีนะหนูพยายามสวดไปทุกวันน ะ, ะครับสวดไปเรื่อยๆ เ, เอาจิตใจของหนูจะเย็นจะสบายบมีความสุขนะ โอเค <Okay. S 2> ขอบคุณครับของค่ค ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะที่นี้ก็ขอไปที่เฟซบุกต่อนะเสร็อทุกคนได้ได้มีโอกาสได้ถามคาถามทุกคนลวนั่นคนคนร้ามีเฟซบุ๊กเข้ามาไหมวันนี้มีคาถาม12คำถามจากทาง Facebook แล้วก็ youtube เจ้าค่ะอาว่ามาเลยมีคำถามฝากถามจากคุณลูกแก้วเวลาให้เงินใครยืมแล้วไม่เคยได้คืนเลยค่ะ ไม่ได้คิดดอกเบีย้ยเขาที่ช่วยเขาเพระเห็นว่าเขาเดือดร้อนจริงๆอยากถามว่านี่เป็นกรรมของหนูใช่ไหมคะที่โดนหลอกอยู่เรื่อยขอพระคุณมากไม่หล่ะมันเป็นความโง่ของเราอารทําตามธนาคารนี่ธนาคารนี่ใครเข้ามากู้อะไรเขาไม่ได้ให้ไปเฉยๆเขาก็ต้องมีหลักทรัพย์มาวางประกันเดียร์เขามีหลักทรัพย์มาวางประกันเดี๋ยร์เขาก็จะเคยเดีราเขาก็ต่งากตงกันมาเคย ถ้าให้เขากู้ราไม่มีหลักประกันเขาก็เขาก็ไม่เอามาคืนนะั่นเป็นความโง่ของเราแต่ย่างนี้ก็ให้เชื่อเป็นการทําบุญแล้วกันจะได้ไม่อจะได้มีความสุขแล้วก็จะได้บุญด้วยคำถามต่อไปจากคุณกิติศักดิ์สุทินอาจารย์ครับอยากให้พูดถึงโควิดหน่อยครับต้องทําจิตอย่างไรในยุคโควิดครับก็เหมือนในยุคที่ไม่มีโควิดนะ พราจาสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องมีความตายเป็นธรรมดาร่วมพวม้นความเจ็บไข้ได้ป่วยร่วมพวม้นความตายไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วใจเราจะได้ตรงแล้วก็จะยอมรับความเจ็บความตายได้ต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีทั้งหมดห้าคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกเวลาดมลมดูลมหายใจที่ปลายจมูก บางครั้งดูลมเข้าออกประมาณสิบกว่าครั้งก็จะไม่รู้สึกหายใจหนูจะดูความว่างตรงปลายจมูกเป็นระยะเวลาประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีจนลมกลับมาการที่ลมหายใจหายไปหลังจากที่รู้ถึงลมหายใจเข้าออกได้ไม่นานนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมเจ้าคะถ้าจิตสงบน่ยิ่งมีความสุข ก, ก็ถูกต้องคำถามที่สองหนูได้รับฟังมาว่า จิตเราสามารถปรุงแต่งความว่างจากลมหายใจขึ้นมาเองได้เป็นความว่างปลอมที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเพราะอยากเพราะอยากสงบอันนี้เป็นไปได้หรือไม่เจ้าคะและเราจะทราบได้อย่างไรว่าจิตเราปรุงแต่งหรือไม่เจ้าคะถ้าปรุงแต่งมันก็ไม่ว่างถ้ามันว่างมันก็ไม่ปรุงแต่งเั่นให้มีสติอยู่กับลมไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะว่างมันก็จะหยดหยุดหยุดปรุงแต่งแล้วมันก็จะว่างขึ้นมา ถ้าไปคิดว่ามันว่างก็แสดงว่ามันไปใช่นะคําถามที่สามการฝึกกายคตาสติในระหว่างวันหากยังเผลอสติบ่อยควรแบ่งเวลาในการฝึกควบคู่กับการเดินจงกรมนั่งสมาธิและสวดมนต์อย่างไรเจ้าคะคือการฝึกกายคตาสติหมายถึงว่าให้เราเฝ้าดูร่ามนกายเราอยู่ทุกเวลานาที น, นั่นเอง จะทําอะไรก็ให้รู้ว่ากําลังทํำเลยกําลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังนั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งกําลังรับประทานอาหารก็รู้กับร่างกายกําลังรับประทานอาหารก็เฝ้าดูมันไปไม่ต้องไปสลับไปทำอะไรอย่างนี้เพราะร่างกายเราเมื่เราทำอะไรแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นตัวทำสติแล้วก็เฝ้าดูมันไปทั้นั้นเองข้อที่สี่หากปฏิบัติทำที่บ้านต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเดิมเคยปฏิบัติต่อเนื่องไม่เกินหนึ่งเดือนควรจัดเวลาในการออกไปข้างนอกเช่นซื้ออาหารหรือทำธุระอย่างไรให้เหมาะสมเจ้าคะก็เอาไปเท่าที่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปหรือเวลาจะออกไปสักครั้งหนึ่งก็เตรียมรายการต่างๆให้มันไปวันเดียวให้มันทำทีเดียวมันจะได้ออกไปน้อยพยายามออกไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้พยายามอยู่บ้านอยู่อยู่ข้างในให้มาก ออกไปเท่าที่จํะเป็นถ้าอยาออกก็จดรายการต่างๆไว้ก่อนไม่ใช่ต้องการน้ําตาลก็ออกไปหนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาบ้างก็ต้องการอ่น้ำน้ําปลาก็ออกไปคนหนึ่งถ้าอ่างนี้มันก็จะออกไปบ่อยดังนั้นก่อนที่จะออกไปนี่ทํารายการไว้ก่อนว่าเราต้องการอะไรบ้างแล้วเราให้มันมีรายการเยอะๆก่อนคือถ้ายัางอยู่ได้โดยที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ไปก่อน เมื่อจนถึงเวลาที่มันจําเป็นจะต้องออกไปก็ออกไปทีเดียวแล้วก็ไปทําอะไรต่างๆให้มันพร้อมกันไปในครั้งเดียวเลยมันจะได้ไม่ชออกไปบ่อยเพราะ่ั้กิเลสมันจะใช้เครื่องเป็นเครื่องมือเอ้าเดี๋ยวออกไปเอาน้ําตาลเดี๋ยวเอาไปเอาน้าําปลาเดี๋ยวเอาไปเอ า, า, เเอาผักเดี๋ยวไปเอาน้ำข้าวมันก็ออกไปเรื่อยๆคำถามข้อที่ห้าสำหรับผู้ปฏิบัติที่กําลังสติยังน้อย ควรปฏิบัติตนอย่างไรที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆเพื่อให้สามารถอยู่ภาวนาได้เป็นระยะเวลานา น, านๆเจ้าคะ่ะกับขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะก็ก็ใช้ปัญญาถ้าไม่มีสติก็ต้องใช้ปัญญ า, าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงได้มาระดมมันก็จากเราไปเวลาจากไปก็จะทําให้เราทุกข<า>์ได้คำต่อไปอยังมีอีกเยอะเลยเจ้าคะ่ะ คำถามต่อไปจากคุณสมพรการไม่ได้ใส่บาตรพระในตอนเช้าเนื่องจากไม่สะดวกตื่นเช้าเลยนำอาหารไปถวายเพลงพระที่วิทยาลัยสงฆ์มจลห้องเรียนปัตตานีแทนการใส่บาตรอันนี้ส่งผลบุญที่ได้รับเหมือนหรือต่างกันอย่างไรระหว่างใส่บาตระกับการนำอาหารไปถวายเพลงกับกของคุณเหมือนกั น, น, กนถ้าถ้าสิ่งที่เราถวายเท่ากัน ปริมาณเท่ากันก็ได้ผลเท่ากันไม่ว่าจะถวายสายบาหรือถวายเพนก็เหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณวิชัดน้อมกับนิมัส ก, การพ่อแม่ครูอาจารย์พระ อ, อาจารย์สุชาติกระผมขอเรียนถามพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าผมเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ24อยู่เกาหลีน้องเคยมีลูกเคยมีสามีมาแล้ว แล้วกระผมได้เสียกับน้องแบบนี้กระผมผิดสินข้อสามไหมครับกราบขอบพระคุณครั บ, บคำถามถามใหม่เลกลับนาัศการกระผมขอเรียนถามว่าผมเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุยี่สิบสี่อยู่ที่เกาหลีน้องเคยมีลูกเคยมีสามีมาแล้วครับแล้วกระผมได้เสียกับน้องแบบนี้กระผมผิดสินข้อสามไหมครับกราบขอบพระคุณครับ ถ้าได้เสียกันเลาวไม่ได้อยู่รงมกันเป็นสามีภรรยาก็ถือว่าผิดศีลการจะได้เสียกันนี่ต้องได้เสียกับภรรยาผู้คลองของเราสามีภรรยาของเราแต่ถ้าแบบแบบเป็นเป็นการได้เสียเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็แลกเลี่ยนกันไปนี้่ถือว่าผิดศีลข้สามคำถามต่อไปจากคุณจรัญญาน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะ โยมเกิดสงสัยว่าในหลักอนิจจังนั้นมีสิ่งที่ควบคุมอยู่คือการอาศัยกันเกิดเช่นเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะมีเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงไม่มีหลักการนี้อยู่เหนือทุกอย่างใช่ไหมคะเพราะบางทีโยมสงสัยว่าทําไมเกิดแล้วต้องดับเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติันเป็นอย่างนี้ ธรรมชาติในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมชาติใหรู้ตนี้ก็พอคำถามต่อไปจากคุณอาทิตยากราบเรียนพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆจนจิตเริ่มนิ่งก็ให้พุทโธต่อไปจนถึงไหนเจ้าคะถ้าเราเห็นแต่จิตว่างลมหายใจหายยังต้องพุทโธต่อไหมหรือต้องดูความว่างคะ ถ้าจิตน่งก็ไม่ตําพุโทโธถ้าจิตคิดก็ถึงว่าพุโทโธคํถาถามต่อไปจากคุณสุกาบณัมสการค่ะปกติถ้านั่งสมาธิจะเป็นขาขวาทับขาซ้ายหากช่วงนี้ผิวหนังบริเวณขาซ้ายเป็นแผลเป็นหนองจะสลับไปนั่งแบบซ้ายทับขวาชั่วคราวก่อนได้ไหมคะขอบ <ๆ S 1> คุณค่ะไ ด, ได้นั่งท่านไหนก็ได้ถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณสมชายอาวิชาในปฏิจจสมุปบาทหมายถึงอะไรครับหมายถึงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าความสุขอยู่ในโลกนี้นนยังไงเข้ามามาเกิดกันรพยายามหาความสุขกันเราไม่เห็นว่าความจริงโลกนี้มันโลกของความทุกข์ทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เทียมเพรนั่นนิจามทุกขามนัสตา คำถามต่อไปจากคุณกองการพระอาจารย์คะจะทำอย่างไรเราจะปล่อยวางความโกรธเกลียดกับคนที่มีบุญคุณกับเราได้คะก็คิดถึงความดีของคิดถึงบุญคุณของเขาเลยถ้าไม่มีเขาเราก็เดือดร้อนเขาช่วยเหลือเราเราจะไปโกรธไปเกลียดเขาได้อย่างไรคำถามสุดท้ายจากคุณมยุยรีสา ม, มีเป็นต่างชาติเสียชีวิตเราสวดมนต์ภาษาไทยพุทธ เขาจะรับรู้ถึงการสวดมนต์ไหม่เจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเขามาฟังหรือเปล่าล้วเขามาฟังเขาก็รับรูไ้ได้เหมือนเทวดาเนี่ยหรวงพ่อเจ้าแสดงธรรมก็ไม่หมายควาว่าเทวดาทุกรูป ม, มาฟังธรรมเ ท, ทวดารูปที่มาฟังก็ได้ยินรูปที่ไม่ได้มาฟังก็ไม่ได้ยินหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าคะ่ะโอเคเอันนี้เปิดโอกาสให้ใครที่ยังอยากจะถามอีกครั้งหนึ่ง ถามได้ให้ยกเบอร์แล้วก็อันนิ้วไมโครโฟนมีไหมอันนี้เดือดสี่สิบแปดคนมีขอบคุณรอวยกเบอร์ว่ามาอันนิ้วเลยพระอาจารย์คะการที่พระอาจารย์อวยพรว่าให้มีดวงตาเห็นธรรมให้รู้โลกตามความเป็นจริงนี่หมายถึงทำขั้นไตรลักษณ์ใช่ไหมเจ้าคะ่ะ พราะรถ้ามองเห็นธรรม่าต้องกั้นสูดาบันขึ้นไปอมีดวงใจเห็นธรรมมเห็นว่าเห็นอนิจจังเห็นว่ามีเกิดต้อมงมีดบับเช่นร่างกายของเราเห็นว่าร่รางกายเราเกิดแล้วแต่ว่าต้องตายแต่เห็นจริงๆเราก็จะไม่ทึ่งปกับความตายของร่างกายแล้วการพิจารณาอาการและร่างกายสามสบสองดยใช่ไหมเจ้า่ะ อันนี้ก็ขั้นสูงขึ้นไปขั้นขัข้นนาคามีในร่างกายว่าไม่สวยไม่งามก็ตัดกามาลาค่าได้ตัดกามอารมได้ก็บรรลุเป็นพระอ น, นาคามีได้อันนี้ก็เห็นธรรมเองนั่นร่าง<ร>กายเป็นสุภาพไม่สวยไม่งามถานเป็ปฏิบัติเริ่มต้นนะคะถ้าเราจะเริ่มต้นจากการมีดวงตาเห็นธรรมเราควรต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนจ๊ะคะถ้าเราต้องมีสมาธิก่อน จเจริญสติให้เนได้บุเบกขาแล้วก็ไปเจริญพิาพนานจารณาตายรับพิจารณาอนิจจทุขคัมอนร์ตากระจาจแล้วเจ้าค่ะคบทยายามตอนไมชย่อมมือจุญแจรือค่ะเกบต่อเลยขอนุญาตยค่ะหลวงอาพราชาคือย่อมอมีคำถามค่ะ เอ่อถ้าเราจะนั่งไปเรื่อยๆนั่งสมาธิอย่างนี้จะทราบได้ไงคะว่าเรานั่งมาถูกทางถ้าเวลาเราเห็นเป็นภาพหรือปิติร้องไห้หรืออะไรอย่างนี้คือเราควรจะจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในระหว่างการนั่งยังไงคะว่าถูกค่ะอย่าไปสนใจให้เรากลับมาอยู่ที่ลมและอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆใจกว่าจิตจะว่างจะนิ่งจะสงบอย่าไปตามรู้าไม่ว่าเราจะมาเกิดขึ้นอย่าไปยุ่งกับเขา จะมีเทวดามาชวนคุยก็อย่าไปคุยกับเขามันมีผีมันหลอกก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจปล่อยมันหลอกไปปล่อยมันมันก็เป็นเหมือนลิงหลอกเจ้าแล้วนี่ไม่ต้องไปกลัวนะค่ ะ, คะแล้วแล้วเห็นเมื่อกี้ได้ยินพระอาจารย์บอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิอันนี้ถือว่าเป็นบุญที่เราแผ่ อ, อที่เราสมุดทะยมนั่งไปแล้วยอมบอกว่ายมยกบุญให้เ่้ยกไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้ต้องทํากันเองน แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นพวกทําทานทําบุญปล่อยอนกปล่อยปลาอันนี้แบกไปได้แบกไปได้แต่ได้นิดเดียวแบกได้นิดเดียวท่านเปรียบเทียบบุญที่เราแบกไปนี่เหมือนเศษ น, น้ําที่ติดอยู่ในแก้วเวลาที่เราเท น, น้ําออกหนึ่งนะคะค่ะแล้วทํายังไงเขาถึงคือเราทํายังไงเราถึงจะหมดหมดพยายามปลดลดกรรมที่มีกับเจ้ากรรมในเวรได้ดีที่สุดอะคะก็อย่าทํากรรมใหม่แล้วก็ไล่กรรมเก่ามันหมดไปเอง เหมือนฟืนที่อยู่ในกลองไฟเนี่ยถ้าเราไม่เอาฟืนใหม่หใส่เข้าไปเดียวฟืนเก่ามันก็ไหม้หมดใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละนั่นแหละค่ะเข้าใจแล้วขอขอ ค, ค, าาค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระจ้าค่ะ Enjoy ต่อ Enjoy ใยินไหมคะได้ยินพูดได้เลยหนูอยากรูว่าถ้าสมมตินคนเขาดา่าเขาด่าหนูเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่า เราไม่ชอบแล้วเราเราควรแบบถ้าเราดา่าด่ากลับไปเราจะเป็นอย่างเขาใช่ไหมคะถ้าเราไม่ดา่าเราเหมือนคนที่ตายไปแล้วหรือเปล่าก็ดีไงคนที่ตายไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมด่าคนที่ตายเขาก็เฉๆยๆพยายามทัตายก่อนตายเวลาใครด่าก็คิดว่าเขาชมเราก็แล้วกันอย่าไปคิดว่าเขาด่าเรา คือหนูตดนด่ะแล้วหนูเงียบหนูไม่อยากหนูคิดแน่ใจว่าพ่อางบอกว่าเราไม่ไม่ต้องไปเถียงเขาเพราะเราไม่อยากเป็นอย่างเขาแต่ลูกบอกว่าแม่เหมือนเหมือนเหมือนแม่มมผิดกระเป๋าการที่แม่ไม่ตอ บ, บทางโลกขเขาจะคิดว่าเราผิดแต่ทางธรรมนี่เราถูกเพราะใจเราสงบใจเราไม่วุ่นวายแล้วมาสมะบทกรรมกันใช่ไหมคะถ้าเรายอมอย่างถ้าเราเฉยเฉต่อไปเขาก็เขา ก, เขาก็เบื่อเราเองเขาก็เขาก็ไปอ คืออยู่กับพ่อของลูเราบางทีเขาเอ่ายก็ทํำบ่ายก็ด่าไปก็พูดไปเดี๋ยังก็เหนื่อยเขาก็หยุดได้เขาบอกว่าแบบเหมือนก็ว่าถือศีนธรรมะอะไรเขาก็ว่าให้เราเนี่ยตอนหนูก็การเรื่องของเราไม่เขาไม่ถึงก็เรื่องของเขาเราถึงก็เรื่องของเราไปใช่ไหมเมืกินข้าวเรากินข้าวบ่ายเขาจะกินก๋วยเดี๋ยวก็คนก็เรื่องของเขาไปใช่ไหมค่ะ คือหนูทําถูกแล้วใช่ไหมคะถูกนะแล้วก็เฉยไปไปไ ป, ไปพูดไปดาไป่าไปทะเลาะกันก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรเหนื่อยก็ปล่าในการทาคู่ค่ะงั้นหนูก็คือเขาด่าหนูแบบดา่าแรงมากหนูก็พยายามเงียบผ่ใจนึกถึงพุโทโธตลอดเวลาอย่างนี้คือแบบให้มันผ่านไปใช่แล้วเรากดใจได้แสดงว่าเราเก่งมากรู้ถึงอบอกบอกพรอาจารย์ว่าหนูอยู่ที่นี่ถ้าหนูฝึกที่นี่จะหนูผ่านหนูคง ไ ป, ปบวชได้แล้วค่ะไปบวชได้แล้วชนะต้นดีกว่าชนะผู้อื่นพระเจ้าบอกนะเพราะหนูต้องอหนูไม่ได้ไปใส่บาตรแต่หนูก็อยากเข้ามาหาวิะยาลัยทุกวันพุธเพื่อได้ได้ได้คุยได้เอากําลังใจที่ดีค่ะเอาบุญที่ได้จากการทำได้เยอะกว่าบุญที่เกิดจากการใส่บาตรอ๋อค่ะโอเคนะต่อสู้ไปนะสู้สู้โดยการไม่ไม่สู้สู้โดยการจิวเฉอเฉยเขาจะด่าเขาจะพูดแล้วก็ปล่อยเขาพูดไป ทำเป็นแบบว่ามันคนโง่ใช่ไหมครัะจะไปโง่อะไรหรืก็เรารู้ว่ามันไม่ดีทะเลาะกันไม่ดีด่ากันไม่ดีใช่ค่ะลูกบอกว่าแม่บางครั้งแม่ควรเถียงบ้างแต่บอกว่าแม่ไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยลูไม่มันโง่ลูกมันโง่มาถอนคนฉลาดได้เลยโอเคขเจำค่ะเอาไว้ใช้ค่ะชื่อประจำวันดีนะมันทําได้เก่งมากท่านหนูทนได้เราไปหนูจสบายอยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อน ใครจ<ฮ> ะ, ะด่ายังไงก็เป็นเรื่องปากของเขาใช่ไหมคืองงว่าทําไมแม่เงียบได้ขนาดตอนแต่ในใจพูดโธตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะหยุดด่ากันซะอย่าไปอยากให้มันหยุดต้องถามมึงเอาให้หมดหมดกําลังใจยเมื่อไหร่มึงหม ด, หม ด, หมดกําลังเมื่อไหร่มันมึงก็หยุดเองแะเอาว่ามาให้เต็มที่เลยคิดอย่า ง, งนี้อย่าไม่ยอยาดอย่าไปหยาดให้ก็หยุดยิ่งหยากให้ก็หยุดมันยิ่งละเอียดหยาดนะ นัมาเอาามาวาให้เต็มที่เลยมีท่าหร่ปล่อยออกมาให้หมดเลยลณะพูดไปจะมันจะหาว่าประชดอไ่ยพูดนะคิดในใจใจใชหคิด่ในใจ่ะค่ะขอคุณ่ะโอเคคุณเบสกอะคุณเบสก์กมอนนะตัวน้องซอนตาพรามมองไมเห็นออกมาระกันรอบหนึ่งครับอ่าใชครับพาดันเดึกเลยครับ อาจจะเป็นคำสามสุดท้ายแล้วครับผมก็พอดีผมผมก็พยายามตั้งใจภาวนาต่อนเรื่องนะครับก็ได้เกือบทุกวันในช่วงหลังนี้ครับทีนี้มันมันมีสภาวะที่มันเกิดว่ามันมันรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นลอยๆครับแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ปวดอ่ะมันก็มันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความคิด ขุดขึ้นคือเหมือนมันจะว่างๆนะครับหลังจะมีความคิดผุดขึ้นมาตลอดเลยพอเราพอเราเห็นว่ามันผุดอ่ะมันก็จะดับมันก็จะมันก็จะหายไปครับอพยายามอย่าให้มันคิดให้รู้เฉยๆให้รู้ใช่ไหมให้มันให้รู้เฉยๆหรือว่าตอนนี้มีเวทนาก็รู้ว่าเวทนาอย่าไปคิดอย่าไปอยากให้เวทนาหาครับก็ก็คือผมก็ทําต่อไม่ถูกครับมันก็จะเป็นอยู่ ไม่ไม่ทุกครั้งที่ที่ที่นั่งภาวนานะครับใช่ถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็พูดโธพูดโธไปครับแล้วก็คือคือสภาวะที่มันเกิดตรงนั้นนะครับคือคือผมไม่ได้พูดโธนะครับคือคือคือช่วงแรกที่จิตมันวุ่นวุ่นอ่ะผมก็จะพูดโธหรืออิติปิโสอย้ครับแต่สภาวะตรงนั้นมันจะอยู่แบบตอนเหมือนผมว่ามันน่าจะมีสมาธิถ้ามันเน้นเฉยได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ปล่อยมันเน่นเฉยไป ครับก็ก็ดูมันต่อไปเรื่อยๆเออดูให้มันเด่นเฉยไปแล้วกันครับแล้วอย่างในชีวิตประจําวันเราเนี่ครับถ้าเกิดว่าเราปรุงใจเราให้มันสุขครับคิดถึงเรื่องที่มันสุขหรือหายใจให้มันสุขอย่างนี้ครับไม่ดีครับว่าบางทีคิดแล้วมันไม่มาคิดแล้วมันมันไม่เหมือนจริงมันก็ไม่สุกอยู่ดีครับที่ว่าเมื่อก่อนเรามีงานตอนนี้คิดไปไปแล้วคิดไปกลับไปตอนที่มีงินมันจะสุขกไหม ตอนนี้ไม่มีข้าวกินเราคิดว่ามื่ก่อนเราเป็นเศรษฐีมีเงินคิดไปแล้วมันจะสุขวะซื่อหมายถึงหมายถึงคิดถึงเรื่องดีๆครับนั่ก็เรื่อดีนะตอนที่เรามีเงินเนี่ตอนที่เรามีเงินดีไหมล่ะตอนที่เรามีเงินมีเงินซื้อนู่นซื้อนี่ไปนู่นมานี่อะไรไม่มีเงินลองไปเชื่อดูเดี๋ยวก็มันจะมีความสุขนะครับมันไม่มีหรอกต้องหยุดความคิดเท่านั้นนะมันจะได้ความสุขที่แท้จริงครับอาจารถูกครับ นะหยุดความคิดแล้จิตสงบแล้วมันจะเกิดความสุขที่เหนือกว่ความสุขทั้งปวงครับนะถ้าอยากจะมีความสุขให้หยุดความคิดใชุคุณโทยังไงครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณพระอาจารย์ครับนมรมาปการาอนะ่านะนะนะนะก็คิดว่าทุกคนได้ถามหมดแล้วนะตอนนี้ก็ไม่มีใครถามอีกแล้วนะอาจารย์ขออนุญาตครับมีมีคุณแก้วตาแล้วก็โกโกนัทแล้วก็ใบห ย, ยกอยู่ข้างใน ทำไมเยอะว่ามากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดจุแก้ตาก่อนนะแก้วกลับนมัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่ค่ะไม่งานนี่แก้วทํำสมาธิไม่ค่อยได้แก้วใช้สวดมนต์แทนพอจะแทนกันได้บ้างไหมเจ้าค่ะได้ได้ก็ได้ทําให้ใจเบาลงเจ้าค่ะพอดีพอพอพอจะพอจะตั้งใจทําสมาธิอยากให้บรรลุเร็วเรว ยิ่งเหมือนกับยิ่งไกลห่างออกไปเจ้าค่ะอย่าไปอยากให้ทํามันมันไม่ได้ได้ด้วยความอยากมันได้ด้วยการกระทำํำเจ้าค่ะค่คคอยคอย่คอยทําไปทีละนิดนะเจ้าค่ะเพราะว่ามีปัญหาทางจิตตเวท ด, ด้วยถ้าตั้งใจมากไปแล้วบางทีจ ะ, <c oughs> จ, ะจะค่อนข้างหลุดนิดนิดนะเจ้าค่ะไปทาตามกําลังเราไปทำได้เจ้าค่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะเป็กนกอคณะต่อนะกองคณะเป็นกองคณะครับ อยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมใช่ค่ ะ, ค, ะคือเมื่อวานเนี้ยค่ะถือสิงห์แปดแล้วก็มีเพื่อนบ้านขึ้นมาทีนี้ก็จะเขาจะขอปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เ, อเรื่องอะไรอะไรเนี่ยนะคะทีนี้ของโยมเนี่ยถือสิงห์แปดอยู่ก็ลืมตัวนะคะพอเขาปรึกษาเกี่ยวกับพวกผู้จัดการาทางทางส่วนกลางอะคะ่ะเราก็เพอิอ โยมเพ้อพูดไปแล้วก็แบบพูดตําหนิติเตียนแล้ว้็ก็ว่าเขาว่าอย่างเช่นว่าว่า อ, อว่าเขาเป็นคนพาลแล้วก็เขาไม่มีสัมมาคารวะอะไรยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้มีความรู้สึกพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าผิดมากเลยอะคะ่ออ<ล>ะเพราะมันอยู่ที่ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าเป็นความจริงก็ไม่ผิดก็เป็นความจริงอะคะ่ะถ้าเป็นความจริงก็ไม่ผิดแล้วก็พูดความจริง อ, อ๋อโอเคคะ่ะแล้งั้นก็โล่งค่ะ นี่มีอีกอย่างนึงก็คือว่าเผู้จัดการที่จัดการเรื่องอทางบ้านเรื่องนิติอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นแบบคือบ้านมันก็มีอยู่แค่สิบหลังเท่านั้นนะคะเขาก็ปีที่แล้วเนี่ยโยงเคยถามพระอาจารย์แล้วค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่ายอมหยุดเย็นก็ก็ทําได้นะคะยอมหยุดเย็น่ะแต่ในใจเนี่ยก็ยังแบบคือมองอยู่่มองเห็นอะไรอะไรมันก็มันก็ไม่ถูกต้องอ่ะแต่ก็พูดไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่า ลูกบ้านคนอื่นเขาก็ยังไม่มากันเพอะตอนต้นปีเขาก็เริ่มมากันพอเขามากันเขาก็เห็นเข้าพอเห็นเขาก็เลยอยากจะจัดการที่แบบให้เอาชุดนี้ออกไปแล้วเอาชุดอื่นเข้ามาแทนอีนนี้เขาก็ต้องการให้โยมเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เห็นก่อนของปีที่แล้วเนี่ยค่ะเห็นเห็นพฤติกรรมอะไรเนี่ยอยากจะให้ช่วยพูดให้เหตุผลว่าทำไมต้องให้ชุดนี้ออกอย่างนี้ถ้าเราทำไปนี่เป็นการทำบาปไหมคะพระอาจารย์ ก็ไปเียเวยเียนเขาเลยใช่หเหมือนกับว่าจะให้เขาออกอค่ะแล้วเขาก็คงจะต้องโปรดยมอมคนเป็นพยานให้อะไรอย่างเนี้ยค่ะถ้าเราไม่อยากจะไปเบียนเวียนในมีส่วนร่วมกับการไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแล้วก็อย่าเราก็อย่าไปร่วมกับเขาเลยทั้งๆที่เขาก็อ๋อค่ะทั้งๆที่เขาก็ทําไม่ถูกอ่ะใช่ไหมคะถ้าเราให้เมตตาได้ให้อาภัยได้ก็ให้อาภัยเข้าไปกันแล้วกันดีกว่าไปมีเวียมีเวียนมีกรรมกัน อาจารย์ขอพระคุณมากๆค่ะตึกแล้วเกรงใจพอาจารย์ะโอเคได้าอ่าสุดท้ายแล้วนายโยบูฟ้าอ่าเขาคนใส่บาตรเขาบอกว่าฝากใส่บาทรมาสามวันเนอะครับสาธุค้รับทุกการครับสาธุครับวันนี้ผมมีเะไยมางรายงานครับก็คืออย่างแรกเลยช่วงนี้เป็นเดือนที่เป็นวันเกิดพ่อแม่ก็เลย ถือศีลครับ ด, ดถือศีลตัพยายามถือไปเรื่อยๆจะมีวันเกิดไม่มีวันเกิดก็ถือไปส่วนวันแล้ววันนี้ครอบครัวก็ไปฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่ครับพออ่อเข็นปักยังไม่เท่าไหร่ครับแต่พอฉีดยาเข้าไปปวดทั้งวันเลยครับก็ไม่เป็นไรปวดเพื่อให้มันมีภูมิป้องกันแลยนนไม่ปวดมากกว่นี้ นะโอเคต้องเสียสละต้องยินดีสละต้องยอมยอมปวดเล็กน้อยเพื่อป้องกันการปวดใหญ่ที่จะตามมาที่จะเกิดขึ้นคับเผนะื่อเห็นไอ๋เขาบอกว่าฝากใส่บานติวันนะัสสามวันนะใช่ครับนะสามวันนะสาธุนะสาธุเปนอยู่ได้ก็ข้าวของพงศ์หลวงพ่มแม่ <c oughs> อยากไหมพอแล้วอยากทุกหายไม่ไหวค่ะเ๋ออยากไม่ได้หรอมันมันหายไม่เหายไมไม่หายก็ไม่หายอย่าไปอยากอยากแล้วทุกข์เมื่อสองวันก่อนโยมมานั่งพาเด็กๆนั่งรถขับลุโบนไปนถึงชนบุรีแลวโยมก็คิดถึงลุงตาแต่ว่าไปไม่ได้ก็วารถจับ ใช่ค่ะก็ยังไงก็ได้เจอกันตรงนี้แล้วไงเนาะทุกวันคุทธก็เจอกันได้โอเคนะเดี๋ยวก็นะอยากจะเริ่มละตาราความนะคะลูกได้รักษาสุขภาพอายุยืนยืนนะคะอ่าจะสาธุเช่นเดียวกันนะพวกหนูก็ขออายุยืนยาวนานนะใช่ค่ะท่านสุดท้ายคุณไอโฟนเห็นเข้ามาอันนี้ขอเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะมา จะหาทุ่งนะเชิญคุณไอโฟนมีอะไรจะถามไหมไม่มีครับมาจากที่ไหนเพชบุรีครับเพชรบุรีครับไม่มีนะเพิมาฟังทีเฉยนนะอเนี okay. ่ยก็เอาเท่านี้ก่อนนะสำหรับคืนนี้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเด็กนะแล้วก็หมดแรงพอดีมันเกือบสามเที่วโมนะเนี้ยก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญ ให้นำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิกพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเธอ